จเจริญพรท่านสาธุชนพุทธบริษัทผู้ใฝ่ธรรมทุกๆ ท, ท่านวันนี้เราก็ได้มาพบกันในครั้งเพื่อมาสนทนาทำคถามตอบคำถามเกี่ยวกับการปฏิบัติทานศีลภาวนาท่านผู้ใดยอยากจะเข้ามาร่วมถ้าเข้ามาทันก็เชิญเข้ามาได้ทุกคนเพียงแต่ว่าอาจจะไม่ทันกับ จำนวนของผู้ที่เข้ามาพอเราล้อได้เพลินจานวนจํากัดถ้าเกินงานนั้นก็ต้องรอไว้ก่อนอสําหรับคร น, นี้เราก็จะไปที่โตกเกียวที่กรุงเทพเลยนะักคุณนามาส ก, การค่ะพระอาจารย์ยังไงนักคุณสนไหมดื้อไหมตอนนี้โรงเรียนปิดเทอมค่ะไม่ค่อยดื้อเท่าไหร่ค่ะถ้าไม่ได้อยู่กับแม่เอค่ะ มาอยู่กับใครนะอยู่กับอยู่บ้านเนี่ยคุณยายค่ะพระอาจารย์อยู่คุณยายเลยดีคุณยายจะได้สอนอีกขนรมไทยนี้ไทยบ้างตอนนี้ยังอยู่ข้างนอกอยู่เลยค่ะพระอาจารย์ได้วันนี้วันพุธเลยรีบเข้ามากับพระอาจารย์ก่อนค่ะโอเคค่ะนามัสการค่ะอสาธุถึงค่ะจะคุณกับพระอาจารย์หนึ่ครับจะแม่จญที่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 เราทั้งหลายควรพิจารณาอย่างนี้ทุกวันทุกวันถิจานาไหมทุกวันหรือเปล่าก็กับทุกวันครับอาธิลาวันใช่ไหมวันพุธทีใช่ไหมไม่ค่ะส่วนวันนี้แล้วเราก็สวนบทนี้ด้วยค่ะนี่วันนี้ใครหายไปจัดที่เราจะมัดเนี่ยจะมัหายครับจะมันหายวันนี้จัดที่เหรอครับอืมจะมเข้าไป ไปแข่งมากรุกสากลกีฬาสาธิตที่รำคำแหงค่ะอ่ารบเชสเรยค่ะใช่ใช่โอเคจะเป็นมาสเตอร์กันมาสเตอร์ออยยางครับมันโรงเรียนไม่ค่อยมีคนเล่นนะคะแล้วอาจารย์เขาก็เลยชวนว่าใครพอเล่นเป็นรู้กติกาก็เลยให้ไปอ่ะแล้วเล่นเล่นเก่งไหมก็เก่งครับชนะไหมเคยชนะบ้างหรือแพ เคยชนะครับเคยชนะเลยทําไมแจตตี้ไม่ไปด้วยนะ่ะเออก็ให้สําหรับมัธยมครับอ่าแจตตี้ก็เล่นเป็นใช่ไหมเล่นเป็นครับนล่นกับพี่หรือ่าเล่นกับจกแจม่้รือเปล่ก็เล่นครับเคยชนะเขาไหมเคยครับเอใช่เมตรเลยเลยสิเมตรครับโอเคดีอ่านะเรื่องของร่างกายเรามีอะไรบ้าง มีผมขนเล็บฟันหนังเนื้อเอน็นกระดูกเยื่อในกระดูกน้ำหัวใจตับผังพืดไตปอดไส้ใหญ่ไส้น้อยอาหารใหม่อาหารเก่าเยื่อในสมองสีสัะน้ำดีน้ำเส็ดน้ำเหลืองน้ำเลือดน้ำเหนือ น้ำมันค้นน้ำตาน้ำมันเหลวน้ำลายน้ำมูกน้ำเข้อน้ำมูดน้ำมูดน้ำเขข้อน้ำมูดน้ำลายน้ำมันเหลวน้ำตาน้ำมันข้นน้ำเหนือน้ำเลือดน้ำเหลืองน้ำเฉลดน้ำดีเยื่ในสมองศีสันอาหารเก่าอาหารใหม่เส้น้อยใส้ใหญ่ปอดไตผังพืดตับหัวใจม้า ยี่ในกระดูกระดูเอน็นเนื้อหนังฟันเล็บขนผมเป็นไงวันนี้ทงคนเดียวตื่นเต้นไหมก็ายินหนึ่งครับเออเก่งไงนะอ่าทั <c oughs> า้งสองคนยังไม่นันพอจะช่วยกันได้นี่<ช>คนเดียว <c oughs> ไม่มีใครช่วยเราเลยนะค <c oughs> รับดูพลอยรอเปล่าดู กินใส่กระดาษดูเปล่าอ่านจากกระดาษดว้วยเปล่าท่องจําครับท่องเนี้ยท่องจํำนะอะ <พบ S 1> อคย่าไม่ให้ดีนะมันเป็นของของเราอยู่ในตัวเราครั<พ>บเรารู้จักอาการเหล่านี้ <พบ S 1> มันไม่ใช่ตัวเราของเราเราไม่ได้อยู่ในร่างกายเอ <พบ S 1> ไม่มีจัตติอยู่ในร่างกายเมื่อกี้ท่องอาการหายสองไม่จัตี่อยู่ด้วยเปล่ไม่มีครับอ่า อ, อย่าไปหลง ไปลงผิดเนี่ยร่างกายไม่ใช่ตัวเราของเราให้ท่องอยู่เรื่อยๆมันจะเป็นอะไรก็เรื่องของมันมันเป็นอะไรมันก็ไม่ได้ทำให้เราเป็นไปตามมันนะมันแกเราก็ไม่ได้แก่ไปกับมันมันเจ็บเราก็ไม่ได้เจ็บไปกับมันมันตายเราก็ไม่ได้ตายไปกับมันเราเป็นผู้รู้ผู้คิดที่ไม่มีวันแก่วันเจ็บวันตายแต่ต้องมาทุกข์กับมันเพราะความหลงเพราะไปคิดว่ามัเป็นตัวเราของเรา ก็เปลี่ยนใจนะพระเจ้าบอกไม่ใช่ตัวเราของเราอนตานะัตตา่างกายไม่ใช่ตัวเราของเราดูแลมันไปเหมือนกับเหมือนกับรถยนต์คันหนึ่งใช้มันไปดูแลมันไปถึงเวลาต้องแยกทางกันไปก็ก็ปล่อยมันไปนะมีอะไรัหมไม่มีแล้วค่ะให้นันสมาธิอยู่แบบตอนนี้ นั่งค่ะนั่งครับอันนี้จำแม่ไม่อยู่ก็นั่งได้ใช่ไหมคนเดียวนั่งกับแม่ค่ะนั่งกับแม่เลยเคยนั่งคนเดียวไหมไม่ครับเคยเลยน่าจะครับม่ครับไครับโอเคมีอะไรไหมไม่มีแล้วครับอ่าเงียบทำในฝันนะครับกราบขอบคุณพระอาจารย์ครับ ไปที่ตะวันจ อ, อรลแด์ตะวันคุณแม่กลับมาแล้วเลอตะวันครับมุสการประจังครับช่วยครับดีใจหมหรือไแม่ดีใจดีใจครับเออดีใจพะอเลยเออผมว่าผมรักแม่คันอ๋อนั่ไม่กลัวแม่จะดูดอืมก็กลัวอยู่น ะ, ะแต่ไม่เป็นไรดูเพราะรักเราใช่ไหม เช็คกับอืมถ้าไม่ร่างเราก็ไม่ดูนะอืมเช็คกับอืมวันนี้ตะวันในยาจะถามไหมมีสามคำถามครับมาว่ามาเลยถ้าปผมกำลังทองสมาธิอยู่ผมกอ็ต้องคิดพูดโทรหรือผมคิดผมคุณเล่นฝัน น, นครับอ่าแล้วแต่เราจะเอาอะไหนก็ได้เลือกเอา ถ้าเราเบื่อฟุตโทรเราเรามาท่างอาการฐานยี่สิบสองก็ได้เคยเลองไหมเคยนั่งสมาธิแล้วท่างพุทธหอมขอนแนบฟั น, นหนังแนเอนกระดดโดยตรครับอลองไปสัดรอบสองรอบแล้วดูสิว่าหยุดแล้วมันดูลมหายใจต่อได้ไหม บางทีเริ่มต้นใหม่ๆ ใ, ใจมันคิดมากมันไม่ยอมอยู่ดูลมไม่ได้เื่อให้มันมาท่องอาการอ2ไว้ก่อนพอ อ, อยู่กับอาการอ2ได้นะมันก็จะมีสติมีความสงบมีกำลังพอที่จะดูลมต่อไปได้ก็หยุดดูอาการ12แล้วเปลี่ยนมาดูลมหายใจต่อเคยนั่งดูลมหายใจไหมไม่เคยเคยค่คะ ถ้าดูสมา ใ, ใจน่าจิตจะนิ่งมากกว่ากับการท่องการสามสิบสองหรือถ้ายาวพูดโทอย่างเดียวก็ได้ไม่ต้องไม่ต้องอาสองอย่างรวมกันนะไม่ต้องดูลมแล้วก็พูดโทดูลมอย่างเดียวหรือพูดโทอย่างเดียวก็ได้ยังง่ายกว่าลองทำดูนะอย่างไหนดีกว่าก็ลองดู อันที่สองอมถ้าพอ ก, กับหรือแม่ถามอะไรแล้วผมก็ไม่ชอบผมก็จะเป็นโกรธนิดนึงอมผมจะมาเป็นโกรธเมื่อไหได้กันจะทำยงไงความโกรธเลยก็เลวลาเกิดความโกรธตอนนี้ตอนนี้ฟังพ่อฟังแม่ก็ใช้พุทธองพุทโธไปภายในใจพุทโธพุทโธพุทโธไปนี พอใจาไหม้ยใจครับอ่ออย่าไปคิดถึงสิ่งที่พ่อคุณแม่พูดอ่าพุโทโธพุทโธไปปล่อยคุณแม่คุณแม่ก็พูดไปแล้วก็ฟังไปเฉยๆไปในใจพุโทโธในใจก็พุทธองพุโทโธไปนะลองทำดูนะดีครับอ๋อที่สาม เออถ้ามันมีใครตายมันก็เป็นกรรมของเขาไหมมันมีใครตายนะเออมันก็เป็นกรรมของเขาไหมถ้ามันเป็นตายอะไรนะเออหมายถึงว่าเออถ้ามีคนตายนี่แปลว่าเป็นกรรมของคนที่ตายอันนี้ถูกต้องถูกต้องไหมคะใช่ไหมลเป็นเป็นกรรมที่มาเกิดไง ถ้ามันมาเกิดก็ไม่ตายใช่ไหม<ช>อย่างล้<ช>วพวกเราทุกคนต้องตา ย, ยางังนหรือเปล่าเฉยส่วนจะตายสุขใจตายทุกข์นี้อยู่ที่บุญหรือบาปคนที่ทําบุญมักจะตายอย่างมีความสุขเออคนที่ทําบาปมักจะตายอย่างมีความทุกข์ แทนถ้าอยากจะตายอย่างมีความสุขทำบุญเยอะๆเช่นนั่งสมาธิเยอะๆบุญนี้จะทําทให้ใจเวลาตายตายอย่างมีความสุขแต่ทุกคนเกิดมาแล้วทำกรรมแล้วกรรมก็คือการมาเกิดเมาเกิดแล้วก็ต้องมีผลของการเกิดก็คือความแก่ความเจ็บความตายก็ต้องทํามาต่อไปทุกคนแต่จะแก่จะเจ็บจะตายแบบมีสุขก็ได้ แก่แก่เจ็บเจ็บตายแบบมีทุกข์ก็ได้อยู่ที่บุญอยู่ที่บุญที่บาป ท, ที่เราทำํำถ้าเราทําบุญเยอะๆเราจะแก่เจ็บตายแบบไม่ทุกข์ถ้าเราทําบุญน้อยทําบาปมากเราก็จะแก่เจ็บตายแบบทุกข์ฉะนั้นต้องพยายามทําบุญเยอะๆโดยเฉพาะการนั่งสมาธิการเจริญสติจะช่วยทําให้เราทุกข์น้อยเวลาที่เราแก่เราเจ็บเราตาย ที่สอนมาที่ทํานี้ก็เพื่อให้เราต่อไปเวลาแก่จะได้ไม่ทุกข์มากเวลาเจ็บไายได้ป่วยก็ไม่ทุกข์มากเวลาตายก็ไม่ทุกข์มากบางทีไม่ทุกข์เลยก็ได้เป็นพระโสดาบันก็ไม่ต้องทุกข์เลยโสดาบันไม่ทุกข์กับความแก่ความเจ็บความตายของร่างกายเพราะมีปัญญาแยกใจออกจากร่างกายได้ใจไม่ได้เป็นร่างกาย ตะวันไม่ได้เป็นร่างกายตะวันเป็นผู้รู้ผู้คิดแต่ตะวันไปหลงคิดว่าเป็นร่างกายอะไรกลัวเวลาร่างกายเป็นอะไรก็กลัวคิดว่าจะเป็นไปกับร่างกายคุณอย่างนี้เข้าใจไหมโ <Okay. S 1> อเคมีอะไรไหมไม่มีครับอ่ามาคุญแจละ พระาจารย์โยมไปดูไปดูซูมย้อนหลังของเจ้าตะวันกับคุณพ่อเขาคะ่ะพระอาจารย์รู้สึกจะมีอยู่วันหนึ่งพระาจารย์ถามถามเจ้าตะวันว่าแม่ไม่อยู่เป็นยังไงเขาบอกว่าแม่ไม่อยู่สบายดีดีกว่าตอนแม่อยู่นี่ยังไม่ได้เช็คบินก็ น, นะคะนี่เดี๋ยวจะตอเช็คบินสักหน่อยสบายเดี๋ยวจะับให้อดนกสามวันดะีก็สบายดีล้วควรจะดีใจไม่ใช่เนะย เพราะวันหนึ่งเข้ากันเราก็ันต้องจากกันไม่ใช่เลยใช่ใช่เพาะเขาอยู่เขาได้ก็ใช่เหรอก้าจานเราไปเราไปโกรธเขาทาไมาเราไปใช่ยรงกันเขาทำไมาเราก็ต้องแสดงความยินดีแม่ดีใจด้วยที่หนูไม่ที่หนูมีความสุขที่แม่ไม่อยู่อยากย้ายก็ทุกข์เลยอยากย้ายก็อยู่แบบทุกข์เลอเวลาที่เราไม่อยู่ พระพาอาจารย์เจ้าค่ะถ้ามองอีกแง่อีกแง่หนึ่งก็คือว่ามันไม่มีคนไปขัดใจกิเลสเขา อ, อย่างเนี้ยค่ะพระอาจารย์<อ>ยิ่งยกเขาเลยก็เขาเป็นความสุขอเอาดูที่ตัวสุขดูตัวทุกข์ไม่ใช่เลยเราอยากให้เขาเปความสุขไม่ใช่สุขที่อตาตังบาลิหารันตุนะรอยสัตว์ทั้งหลายมีแต่ความสุขรักษาตนเถิดเมืเ่อเขาเป็นความสุขก็จะเป็นกิเลสเรือ่องอะไรก็เรื่องของเขาไปใช่ไหม เขาก็อย <map> <identify. S 2> ู่ได uh. like ้นะคะพระอาจารก็อย mm ู่กับพ่อเขาก็เขาก็ผ่านไปได้เรื่อยๆอย่างนี้เนี่ยก็ดีต้องต้องฝึกยากกันอยู่บ้างมันจะได้รู้จักวิรู้จักวิธีปรับใจปรับให้เท่ากับความเป็นจริงบางครั้งเราก็ต้องยากกันอถ้าอยู่กันมาตลอดพอต้องจากกันนี่โอ้โหรู้สึกเศร้าโศกเสียใจแต่ไม่ยังไม่ได้ตายจากกันนเพียงแต่แยกกันอยู่ไปคนละ ไปเมืองไทยคนหนึ่งอยู่ที่เมืองนอกคนนี้แค่นี้ก็เศร้าโศกเสียใจได้อย่างโยมก็มีช่วงคิดถึงเขาเหมือนกันนะครับช่แล้วก็ดีเราวก็ได้รู้ว่าก่เลสเราก็ยังมีมอยู่ใช่ค่ะยังยังตัดไม่ถายอุปทานความยึดมั่นถือมั่มันก็เป็นลูกเราเป็นของเรายัาง ม, มีอยู่ใช ยังไม่ได้เห็นว่าเป็นอนัตตาว่าเป็นแค่ดินน้ำลมไฟสภาวะธรรมที่เกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วดับไปต้องพยายามมองทุกอย่างให้เป็นอนัตตาไม่มีตัวตนไม่มีเราไม่มีของเราเป็นของธรรมชาติทั้งนั้นนาเพงจะมาครอบครองไว้ เหมือนกับที่ดินเนี่ยเราไปซื้อที่ดินมาแล้วเออที่ดินนี่เป็นของฉันเมันมของเราที่ไหนนะมันมันมีใบอยู่ตั้งแต่เด็กดน้ำมันนั่นมันจะอยู่ต่อไปหลังจากที่เราตายไปแล้วแต่เราไปครอบครองแล้วทางกฎหมายเขาก็สนับสนุนความหลงเออเอเอเป็นของคุณไปก็เลยเชื่อเป็นของเราจริงๆ ให้มองทุกอย่างว่าไม่ใช่เป็นของเราถ้าเป็นก็เป็นของชั่วคราวเป็นสมบัติผัดกันชมดีืยว่าหนึ่งคนหนึ่งเขาก็จะต้องเอาตะวันไปเนี่ยแฟนเขาก็าเอาไปแล้ว เ, เขาก็จะไม่ได้อยู่กับเราแล้วใช่ไหมเลี้ยงตะวันมาแทบเป็นแทบตายแล้วคนอื่นมาเอาไปกินใช่ ยิง่งโตลูกก็รู้สึกว่าเพื่อนก็จะยิ่งมีอิทธิพลกับเขามากขึ้นแล้วอะไรอย่างเงี้ยทีา่าเรี้ยงมันหน้ามันจะอยู่เลี้ยงเรามันไม่เลี้ยงเราหรอกมันไปเลี้ยงลูกเมียมันต่อฮชใช่ค่ะอือมันจะมีจะมีคําพูดนะคะพระาธรรมว่าอะไรนะหลงรูปหลงรูปลืมตายหลงกายลืมแก่หลง หลงการมาคุณหรือพ่อหรือแม่ไอตัวสุดท้ายเนี่ยเขาอาจจะเป็นอย่างนั้นก็ได้เจา้าค่ะพระอาจารย์ก็ขห้เขา<ม>ไม่มีครอบครัวอะไรแบบนี้แล้วก็ต้อ ง, ต, องต้องเตรียมใจเอาไว้ก่อนลูกหน้าเจา้าค่ะพระอาจารย์ใช่เพราะการมคุณนี่มีพลังมากที่ทำให้เขาสามารถแยกแยกแ ย, ก, ยกจากพ่อจากแม่หนะ้เมื่อเขาได้คนใหม่คนที่จะให้ตอบสนองคมของเขาใช่ ถึงจะสอรเรื่องการันตุนยูขนาดไหนแต่สุดท้ายแล้วเขาก็มีชีวิตของเป็นของเขาเองแล้วก็เป็นทางเลือกทางเดินของเขาเองแบบนี้ค่ะเราก็ต้องแยกยก่าความกตันตุนยูก็ก็มีอยู่เพี <ừ. S 2> เยงแต่ว่ามันจําเป็นจะต้องอยู่ด้วยกันอืน <ừ> ั่เการันตุนยูกันได้เวลาใครเดือดเวลาเดือดร้อนก็มาดูแลกันแต่ค่ะเขาเพิ่งก็ลองไปตามน่ของการมาตั้นหาของเราแล้ <ừ> เราก็เหมือนกันเราก็มา มาตามอำนาจของเราเราไม่ได้อยู่กับแม่ไม่ใช่เราก็อยู่อยู่กับสามีไม่ใช่ใช่ค่ะทุกคนยังเหมือนกันนะองแหน่กันบันไดวันหนึ่งอืดีที่ <จะ S 1> เรา ม, มีธรรมะมาคอยสอนเราให้รู้จกักถึงแม้จะแยกกันเราก็ไม่ทอดทิ้งกันอย่างแม่พ่อแม่เราก็ไม่ทอดทิ้งกันโ ย, ยมก็<า>มสังเกตแม่โยมนะคะ่ะพระอาจารย์ตอนที่โยมวันที่จะกลับมาก็ท่านก็แลดูจะเศร้าๆหน่อยอ่ะอาจารย์ใช่ไหมคะ ดีใจเวลามาเวลาไปท่านก็เสียใจถ้าท่านเวลามาไม่ดีใจเวลาไปเระอาจารก็ไม่เสียใจค่ะถ้ารักอะไรแล้วเวลาต้องจากกันมันก็เสียใจถ้าไม่รักแล้วเวลาจากกันก็ไม่เสียใจมันยังหลงอยู่เจ้าค่ะพระอาจารย์ก็เป็นธรรมดาถ้าไม่ฝึกไม่ฝึก พอนม้มไม่มีปัญญามันก็จะเป็นอย่างนี้ทุกคนเป็นธรรมชาติของกิเลสมีความรักรักอะไรแล้วก็มีความยึดมั่นยึดติดเวลาสูญเสียก็จะเกิดความทุกข์เลเกิดการพาดพา ด, พาดจากกันก็เกิดความทุกข์ใจแต่ทั้งๆที่รู้ ก, ก็ต้องจากกันไม่มีใครอยู่ร่วมกันไปได้ตลอดแต่กไไไ็ไม่มาฝึกจิตไม่มาเต็ีม เต็มใจให้รับกับเหตุการณน์นั้นกันคนเจริญนะอย่างว่าพระพุทธเจ้าเห็นความแก่ความเจ็บความตายแล้วก็ต้องไปฝึกจิตละจิตเราอ่อนแอจิตเราทุกข์ต้องหาวิธีทำให้จิตเราไม่ทุกข์กับการพัดพาคจากกัน ขนาดไม่ได้ไม่ได้เสียร่างกายนะคะแค่แบบว่าเสียคนที่เราเคยอยู่ด้วยกันไม่เห็นหน้ากันเท่านั้นมันก็ยังทุกข์เลยนะคะพระอาจารย์ใช่แข<ค>นไม่ได้ขาดค่ะไม่ได้ขาดเลยนะคะนในขนาดไม่ได้บอกว่าเออมันเป็นที่ตัวเราอย่างนั้นเลยมันก็ยังทุกข์เลยนะคะก็เหมือนกาแฟเราวันไหนไม่เคยเดืมทุกวันวันไหนไม่ได้เดืมรู้สึก <c oughs> สเหมือนไปยังไงขาดขาดอะไรไปไหม <c oughs> อ่าเราเสรแล้วเรามัองจะติดเสร็จรูปเสียงกินนวดแล้วก็ติด ว่าวันไหไม่ได้เสียก็รู้สึกแปลกๆรู้สึกเศร้าเศร้ามากเศร้าน้อยก็อยู่ที่ติดมากติดน้อยถ้าติดมากก็เศ้ามากติดน้อยก็เศร้าน้อยเอยี่ยวตอนอยู่ไทยก็จะติดไปเซเวอีเลช่วงหลังอาหารเย็นอย่างนี้ยค่ะอาจารย์ ม, มาที่นี่แล้วมันไม่มีแล้วต้องตัดตัวแวซื้อนมซื้อขนมอย่างเงี้ยค่ะอาจารย์ น, น้ำมันนี่เราไม่มีแล้วค่ะมันมีแต่ซุปเปอร์มาร์เก็ตอย่างเดี๋ยวเขาจะปิดเป็นเวลาค่ะพระอาจารย์เอ่าซุปการคนไทยเขาจะชอบมาเมืองไทยเมืองไทยนี้ยืบทีก็มั้งตัดตัดสนของต่างหาได้ตลอดยืบทีก็มั้งมีอะไรอีกไหมมีอีกไหมพระอาจารย์ก็มันพอดีว่ามันช่วงสัปดาห์หน้ามันจะเป็นช่วงคริสต์มาสแล้วใช่ไหมคะพระอาจารย์โยมก็ ยังก็คิดถึงที่ว่าทัน เ, รรเนียมเขาก็จะมีต้นคริสต์มาสแล้วแต่ต้นคริสต์มาสมันก็จะมีของขวัญใช่ไหมคะพระอาจารย์เป็นของฝันอย่างนี้ยค่ะพระอาจารย์โ mm hmm. ยมก็คิดว่าเอถ้าเราไม่รู้ข้างในของฝันมีอะไรเราก็จะเลือกของขวัญจากรูปทรงที่เราชอบหรือว่ากระดาษหอ่อที่แบบเมียับบ้างไม่ยับบ้างถ้าแบบมันยับแล้วคงจะไม่เอาเราก็ชอบแบบตึงๆหรือแบบสีที่เราชอบผูกโบแบบที่เราชอบอะไรอย่างนี้ค่ะพระอาจารย์ แล้วทีนี้ถ้าสมมติว่าสมมติว่าถ้าสมมุติในของฝันมันมีเขาเจาะรูอย่างเงี้ยค่ะพอาจารย์แล้วข้างในมันมีของเน่าแล้วให้โยมเขาไปดมอย่างเงี้ยพอดมเสร็จ ป, ปุ๊บไอ้ของที่โยมอยากได้ของที่โยมอยากได้โยมก็คงจะไม่เอาอย่างเงี้ยค่ะพอาจารย์<ม>อันนี้โยมก็พยายามเอามายมให้มันเป็นธรรมะค่ะพอาจารย์เหมือนร่างการถ้าเราเหมือนร่างกาย32เรารก็จะไปลองใช่คะ่ะ เขาประกวดนางงามกันไหมนางงามจักรวาล น, นางงามอะไรเขาประกวดอะไรเขาก็ประกวดอาการสารีสองแต่เขามองไม่เห็นมันถูกหนังปกปิดไม่ชิดไปหมดถ้าไปดมถ้าเขาอาปากไหนนางงามอ้าปากกับเราอาปากดมอย่างนี้มันก็เหมือนเหมือนกันนะคะพระอาจารย์โยมก็คิดอย่างเงี้ยคือมันไม่ได้เป็นปัญญาของโยมคือมันเป็นรู้มันเป็นสัญญาอยู่อแต่ว่าโยมว่าวันใดวันหนึ่งเนี่ยมันก็จะเป็นปัญญาแต่ตอนนี้คือคิดออกสัญญาไปก่อน แต่มันออกมาจากใจนะคะพระอาจารย์เดี๋ยวถ้าเป็นปัญญาเขาไม่ได้อยู่กับหัวแล้วสาธุก็พระอาจารย์กอให้เกิดขึ้นในเร็ววันแต่ว่ามันมันมันไม่ได้แบบคือมันก็เป็นคิดถึงความสุขปกเป็นสัญญเป็นสัญญาแต่ว่าความไอตัวเขาเรียกว่าอะไรตัวมานะว่าหล่อกว่าเราสวยกว่าเราดีกว่าเราอันนี้โยมว่ามันลดลงอะค่ะพระอาจารย์เหมือนกับว่ามันก็มันก็พื้นฐานมันก็เหมือนกันอย่างเนี้ยค่ะพระอาจารย์ ไม่ได้เด่นดังไปกว่ากันอย่างนี้ยค่ะพระาพอาจารย์เพราะอินเทอรนของการได้ยินได้ฟาาังกันทำไดสองอยู่รงเลยใช่เจ้าค่ะพระอาจารย์ค่ะมันเริ่รมเห็นว่าความแตกต่างกับความเหมือนเนี่มันความเหมือนกันนี่มันเยอะกว่าความแตกตา่างใช่ค่ะพระอาจารย์แต่ใ้่เห็นความสกุกปรกแบบขยะขยงมากมันมันยังไม่เป็นหรอค่ะพระอาจารย์เพราะแมงก็คงอยูกว่าแฟนไม่ได้อยู่กับลูกไม่ได้อืมอืม อันนี้เขาไม่าไมสน่อนดูตอนที่มีการอารมณ์เท่านั้นเองเป็น<ะ>เป็นเหมือนยาไม่ใช่กินตลอดไม่ใช่มาใช้ตลอดเวลาได้อยู่กับใครไม่ได้อยู่กับตัวเองก็อยู่ไม่ได้ต้องคอยเาน้ทกวันค<ะ>่ะขอกวกนี้ต้องรู้จักประมาณอันนี้เป็นเหมือนยากรรมฐานนี่เป็นเหมือนยาเพื่อล้างกิเลสเวลากิเลสไม่เกิดก็อย่าเอาเอามากินเดี๋ยวมันจ ะ, สะแสง ใช่มไหมเวลาเราไม่เราไม่ปวดหัวเราไม่กินยาแก้ปวดใช่ไหมเราให้มันปวดหัวก่อนค่กินเราให้มีอาการก่อนออใช่ไหมเราให้มันมีอาการว่าเริ่มเกิดการมาลมขึ้นมาแล้วถ้าไม่อยากจะเสพก็เนี้ยก็นึกถึงอาการรักษาดีสองนึกถึงน้ําอะไรต่างๆที่ต้องออกมาตามทวารต่างๆแล้วแต่เราจะ ขนาดจะบางคนก็ชอบดูส่วนที่ไม่สวยงามบางคนก็ชอบดูส่วนที่สโครกมันก็ได้ทั้งนั้นขอให้เราระ ง, งับอารมณ์ที่เกิดขึ้นได้ก็แล้วกันอย่างบางทีเดินไปเห็นวิโอคนนี้ขาสวยจังเลยแล้วก็เดี๋ยวมันจินตนาการโอ้ยถ้าถอดถุงเท้ามานี่คงกลิ่นจะแบบกลิ่นเท้าเขาจะเหม็นหน้าดูคือมันเหมือนกับ ว, ว่าจินตนาการเอาความเอากลิ่นเข้ามาชั่วยอย่างเนี้ค่ะพระอาจารย์มันก็เออไม่นมสนใจแล้วช่ก่อนเราเคยเป็นหมามั่งเนี่ย <laughs> ทิ่งชอนกนกกลินของคนามะตับลไปพระาจารนิมโยมเลยนะเจ้าค่ะติก่อนเคยเป็นหมามาก่อนเนี่ยมามันจะมามันจะดมกลิ่นอย่างเดียวเห็นนะพราะชาติแต่ว่าหมาก็ดีกว่านะคะพระาเขาแบบว่ายังมีแค่แบบว่าเกิดเกิดกามอะไรนะคะกาบรบรมช่วงเดนสิบสองแต่ไมโย ม, มทุกเดือนเลยนะคะพระาจารมาไม่จะดีไปโยมนะพระโาจา์ เดี๋ยวหาพาะอาจารยมันก็ช่วยได้นะคะพระาษารนิดนึงนิดนึงค่ะพาษารนอกรรมลงได้เยอะนะ <c oughs> มัจจะไม่หมดนะออถ้าถ้าจะให้หมดหมดมันต้องทุกครั้งที่เกิดกรรมมาลงมันต้องมาปุ๊บเลยแล้วก็ต้องมีสมาธิสนับสนุนเยอะๆด้วยจค่ะภาษาใช่ไหมครใช่ พระอาจารย์วันที่โยมไปหาพระอาจารย์พระอาจารย์บอกว่าอตอนซูมกับตัวจริงหน้าตาโยมไม่เหมือนกันเหรอคะพระอาจารย์มันมันโดนเป็นคนละอย่างมันนะคนละอันหน้า <c oughs> เด็กกว่ากันจ้ะคะ่าในซูมจอมันเล็กด้วยเราไม่ได้ขยายออกมาเราดูแค่แค่จอเล็กๆแค่กกไหนว่าไอ้ <c oughs> พระอาจารย์จําโยมไม่ได้อื แต่ว่าพระชาแต่แต่จิตใจในซูมกับตัวจริงมันเหมือนกันใช่ไหมคะพรอาจารย์พอพูดพอได้ยินเสียงก็จําได้ทันทีลว่พอจาได้เลอแต่ภาพรูปนี่มันมันนี่คุณศารการมาเยี่ยมก็เหมือนกันเห็นรูปนั่นลือกไม่ออกพอก็พูดเสชื่อเขาออกมาพอพูดเสียงออกมาออกอ่าเจ้าค่ะเจ้าค่ะพราะนี่ส่วนใหญ่นี่จะได้ยินแต่เสียงที่นี่รูปก็เห็นแต่ลืกเห็นแบบไกลๆแบบ จอเล็กๆเราไม่ได้เอามาขยายอันนีตอนนี้เราเห็นทั้งหมด30คน20คนในในจอเดียวกันเนยเป็นเหมือนเหมือนตารางหมากลุกเหมือนตารางล็กพระอาจารย์ยมดีใจมากวันนี้พระอาจารย์จะกระทุ้งกิเลสโยมโยมจะได้ทดสาบตัวเองว่ามันมีอารมณ์อะไรขึ้นมาหรือเปล่าแสดงว่าพระอาจารย์เมตตาโยมมากเลยนะครนี่ เป็นหมาแล้วหนึ่งอ่ายอมจะไปเล่าให้คุณแฟนฟังค่ะอังการเราพูดตามความเนจริงอ่ะยอมรับได้ทุกได้ทุกอย่างจะากะค่ะไม่ไม่เด้เจตนาเยอกว่าไปกระทุงใครอ๋อทําไม่ได้เจตนายอมก็ยอมก็ทักแวนไปเองนะคะอาจารย์เงื่องพูด ธรรมดามันคนหรือเขาจะดูรูปมากกว่านี้เราจะเอาไปตกินอย่างเดียวใช่ก็มันช่วยนะคะพราะาจาบีมันถึงใจบางีมันต้องแบบอย่ามาคนเขากระดูใช่ไหมคะพระอาจารย์โยมต้องควักตาต้องอต้องหันขาต้องต้องควักพุงออกมาอย่างนี้ค่ะว่าามันต้องเป็นแนวแบบนั้นมันโยมมันเป็นแนวแบบนั้นนะคะพระอาจารย์มันก็เลยเป็นเหมือนเป็นเหมือนหมาไงธรรมชาติของหมาหมาเขเรียกมันดมกินเวลาจะจับยาเสพติดก็ให้หมามันดมเล จะบุกดีออื ม, มากินมันจะบุกมันดีนะกินนิดเดียวมันการขนาดนั้นมันรู้เลยเก่งมากเอ๊ะพระอาจารย์เจ้าคะยมอ่าคําถามสุดท้ายเจ้าหมาที่มันอยู่ตรงนั้นนะคะตอนที่พระอาจารย์ออยู่ตรงตรงศาลาฉันเนี่ยมันเจ้าชีบะใช่ไหมคะพระอาจารย์ยมสังเกตเห็นว่ามัน อ, ะอ่ะมันจะชอบไล่กวดหมาตัวอื่นนะคะตอนที่พระอาจารย์มาอย่างเนี้ย คือมันเป็นเจ้าถิ่นมาแล้วหมามามันแบ่งโซนกันหมาหน้าศาลาโซนหนึ่งมาหลังศาลาโซนหนึ่งบางทีมันมาเจอกันมันก็เลยต้องตอแต่ตอนเนี้ยแต่มันมีอยู่ช่วงหนึ่งที่โยมพอพระอาจารย์กับกุฏิใช่ไหมโยมก็ไปเดินเดินรอบๆไว้อย่งนีโยมกลับมาปุ๊บโยมเห็นหมาตัวหนึ่งมันนอนอยู่บนเอบนบนโต๊ะหินอ่อนใช่ไหมข้าโยมก็ว่าอ้าเอ๊ะทําไมเจ้าขี้บานมันมันยอมให้มาได้มันไม่หวงถิ่นมันเหรอ พอยอมเข้ามันเป็นหมาตัวเมียอืมตรงนี้มันเป็นพวกเดียวกันอยู่โซนอ๋อเป็นพวกเดียวกันอืมแล้วที่แบเป็นตัวผู้ใช่ไหมคะพระอาจารย์เป็นตัวผู้ใช่ไหมคะเราก็ไม่รู้หรอกเพราะว่าเราไม่ค่อยไดอ๋อหรืออาจจะยอมให้ตัวเมียเข้ามาอย่างเดียวก็ได้เจ้าค่ะพระอาจารย์คือมันมันแบ่งเป็นโซนไงแล้วพวกไกาพวกมันไงอ๋อก็หมาพวกนี้ก็คนมาปล่อยพอมาปล่อยมันก็มันก็ไปไปหาที่กิน ที่ไหนมีกินมันก็อยู่ที่นั่นไปเนื้อที่นั่นเป็นที่ เ, เป็นแดนของมันไปแต่มันน่ารักมากเลยกกสําหรัอ <laughs> มันน่ารักมากเลยเราเราไม่ค่อย ร, รู้จักคเพราะว่าเราเราเป็นเหมือนเดินผ่านนั่นเองมาลงจากรถเก็งแวะมารับของญาติโยมมาถวาเยเสร็จแล้วเราก็ไปไม่ได้เกี่ยวข้องกับใครคคไม่รู้จักชื่อบันนี่นั่งไป มัชอบเดินมาทักทายมันวิ่งหาคุณ น, นั้นคุณ น, นี้ตอน<ม>พระอาจารย์มันวิ่งพลานเลยอืม้มองศารมันมาเอาบุญด้วยมั้ยคะพระอาจารย์อันนี้ก็ไม่ทราบโอเคนะไม่มีอะไรแล้วนะแลมีเพียงเท่านี้เจ้าค่ะพระอาจารย์าาายแล้วเมื่อไหร่จะกลับมาอีกอะก็อาจจะปีหน้าแพนกันไว้เพราะว่าอาคุณมาโก้เขาก็อยากจะไปด้วยค่ะพระอาจารย์<ม>เขาอยากจะไปด้วยแล้วก็เขาก็ ก็อยากจะไปหาพระอาจารย์ด้วยแล้วก็อยากจะไปหาลูกกูเซนด้วยค่ะพระอาจารย์พ่็เขาก็ค่ะอาจจะปีหน้าจะหาพระอาจารย์ก็บางทีรู้สึกชวนนี่เขากระหมัอกระเมส่นกับธรรมะน่ะยมโมทนากับเขาเขาโยมยังไม่เคยรักษาชิ้นแปดอดอาหารเย็นได้นานเท่าเขาเขาสับสองสัปดาห์กว่าๆใช่ค่ะพระอาจารย์เขากลับมาก็ก็โมทนากับเขาด้วยค่ะพระอาจารย์แต่ตอนโยมมาก็ไม่ได้รักษาวันนั้นก็ไม่ได้รักษาอ ก็ก็จิตเรานันลโไปจะเริ่มไปต่อนคะเดี๋ยวเดี๋ยวเอากลับปมแต่ว่าก็ทาสัปดาห์ละสองวันนี่เขาก็ยังทาอยู่เห็นว่าเขาจะเพิ่มเป็นสัปดาห์ละห้วันเจ้าค่ะพาจารย์ดค่ะโอเคนะค่ะขอบพระคุณค่ะพาจารย์อ่าแม่น้องพน้องพีอยู่ป่าน้องพีจเข้ามาป่าบค่ะกลับแล้วมาสการทาน พี่ลูกหนะนุพ่อได้ยินเสียงหนุมไหมคะได้ยินชัดเจนจ่ะอารมณ์เสียกันหรือเ่าครับมีมีอะไรเปล่าไม่มีอะไรครับแล้วามากราบเฉยๆเลยอะค่ะทำาอยู่เล่นกเล่นเกอมอยู่หรือเปล่าเล่เล่นเกมอยู่ใช่ไหมค <c oughs> ่ะอ่าลูกชายเล่นค่ะ เห็นไหมการรู้อย่าไม่ต้องมาอันนี้เลยอยเล่นมากถึงเวลาฟังเทศฟังธรรมก็ต้องเข้ามาฟังคุณแม่ฟังเราก็ต้องมานั่งฟังกับคุณแม่เลยเกมเล่นเวลาเองก็ได้ครับปกติไม่ให้เล่นเลยค่ะอเขาสร้างเกมอะค่ะให้พี่เขาเขก็นั่งดูพี่คนเล่น่ะ Mm hmm. มือถือก็ยึดนะไม่ให้ใช้เดี๋ยวนี้บางประเทศเขามีกฎหมายเอาอันนี้ไม่ให้เด็กใช้มือถือนะใช่ค่ะใช่แต่นี่แบบไปโรงเรียนเขาแบบบางทีก็ต้องปกไปเพราะว่าบางทีครูเขาให้ทําแบบตอบคําถามในมือถือ mm hmm. แล้วครูเขาก็เก็บคะแนนก็ mm hmm. เลยต้องให้ไปแต่ว่าคือครูจะให้ใช้เฉพาะตอนที่เวลาใช้ถ้าไม่เสร็จแล้วก็ต้องเอาไปคืนครู mm hmm. คือไม่ให้เก็บไว้กับตัวเอง เป็นดาบสองคมนเนะของ น, นี่มีทั้งคนมีทั้งโทษใช่ค่ะใช่เหมือนมีดมีดเรามักจะไม่ให้เดละใช่ไหมเราต้องเก็บไว้ห่างๆมือเด็กันเดี๋ยวเ็กอาจจะไปใช้บาดตัวเองได้ค่ะเพราวันนี้ก็ทําโทษค่ะไม่ให้เอาไปโรงเรียนอืมเ ด, ด็ต้องอย่าตามใจมากกันไปนั้นเด็กจะเสียสปอยฮนะ ใช่ะใช่พอแม่บาคนตามใจเอาทาอะไรเอาเลยเอาเลยเอะไรด้ายเป็นเด็กนี่กลายเป็นเด็กที่ห้ามปานไม่ได้เอาแต่ใจตัวเองใช่นี่หนูก็แต่บางทีหนูก็แบบโอ้แข็งมากแต่ก็ต้องยืดหยุน่นก็ต้องมีกฎถ้าเกิดว่าไม่ทำตามกฎก็คือไม่ได้เรือ่องสอบเหมือนกันถ้า ถ้าคะแนนมันหดลงไปไม่ไม่ตามที่เราคุยกันไว้ก็คืออะไรที่เราตกลงไว้ก็คือไม่ได้ก็ อ, อยากได้ก็ต้องทําให้ได้ ถ, ถ้าทำคือสิ่งที่อยากได้ก็ก็คือก็คือเราจะไม่ให้ใครเขารู้ว่าการกระทําของเขามีผลมาตามมาได้หนูก็เลี้ยงเขาแบบมีกฎมีเหตุมีผลไม่ใช่อารมณ์มันถือว่าเราเป็นใหญ่ต้องทําตามเราทุกอย่าง แต่บางทีผูสูนะคะหลวงพ่อบางทีก็แบบคือติดเล่นเล่นเกินไปติดเล่นเกินไปแล้วตัวหนูเองก็กลายเป็นแบบคือบางทีแบบอยากอยู่เงี่บเงียบคือบางทีเราก็แบบอพอเวลาฟังทำมาหรือไงมาเจอรูกบางทีแบบมันยังสงบอยู่ไงคะแล้วตอนนี้ก็พูดพูดเลยบอกเออพี่ช่วยเงียบ ก, กว่าได้ไหมอันนี้ก็จะแบบเหมือนหนูก็จะว่านะเธอช่วยมีสติหน่อยได้ไหม ว่าอย่าแบบอย่าเล่นเกินไปอะไรอย่างเงี้ยทําอะไรอย่าเล่นเกินไปบางทีแบบม้าก็เหนื่อยจะทําอะไรให้ก็ต้องมานั่งรอง mm hmm. ก็ก็ต้องบอกเขาบาห็นก็ดุดดุดดุดเสียงดังก็ไม่ปล่อยโอเคอันนี้อันนิคอันนี้ชิอย่ปกลับไปแล้วค่ะกลับไปบ้านเลยค่ะกับฝรั่งเศสไปแล้วค่ ะ, ะก็ก็ปรับตัวไม่ได้นะปรับตัวไม่ได้ เขาก็สนเขาก็สับสนใช่ค่ะพ่ อ, อหนูก็สงสารพ่อมากนะคะเขาก็ไม่สมควรทําอย่างนี้กับกับลูกชายหนูคือคือก่อนหน้านั้นนะ่ะคือพ่อแม่เขาก็แบบคือพ่อแม่เขาก็พยายามที่จะแบบกดลูกเขาแล้วก็แบบขู่ลูกเขาตลอดเวลาจนทําให้อลิซแบบคือกลัว และอลิซเองก็เป็นคนที่ขว่อนอ่อนไม่ไม่ใช่ไม่ปว่อนอ่อนอลิซเป็คนที่ไม่มีจุดยืนเป็นของตัวเองแล้วก็ไม่มีความมั่นคงไม่มีความเข้มแข็งคือถูกเลี้ยงเป็นคุณหนูมาตั้งแต่เด็กแล้วก็แบบว่าถูกปลูกฝังในสิ่งที่แบบพวกฝรั่งที่เขาปลูกฝังอย่างแบบมีคู่อย่างเงี้ยคะ่ะคือถ้าตรงนี้ไม่โอเคก็แบบสามารถไป อะไรได้เปลี่ยนผู้ได้เราฟังแล้วเราก็เราก็ทนพูดนะคะหลวงพ่อมันก็นก็เวลาอนทานหนาทำาน่ก็เข้าใจเข้าเข้าใจข้าหมดทุกอย่างแล้วก็ครอบครัวหนูสงสารเขาที่ว่าเขามีพ่อแม่ที่แบบพยายามกดกันเขาตลอดเขาก็พยายามจะมาใช้ชีวิตกับลูกชายหนูให้ให้มันได้ดีแต่ว่าคือเหมือน ความเป็นมามันต่างกันเนยอะวัฒนธรรมอะไรอะไรสังคมอะไรใช่ค่ะแต่เขาก็พยายามปรับเปลี่ยนนะคะแล้วคือแล้วพ่อยไปก็ได้คือหนูอ่ะพวกหนูอ่ะคือพยายามคือเราเปิดใจอยู่แล้วก็เราเห็นวัฒนธรรมของเขาตั้งแต่เด็กเพราะเราเห็นจากทีวีเห็นจากอะไรใช่ไหมคะหนังอะไรเงี้ยเราก็รู้แล้วเราก็รับเขาได้แต่ตัวเขาเองเขาอาจจะรับรับไม่ได้บางอย่างแต่ เขาก็พยายามปรับนะคะแต่แต่กิเลสคนเราเยอะเขารักสบายทำงานก็แบบเขาก็อยู่แบบอิสระไม่ต้องมีกฎระเบียบ ม, มากแ ต, แต่เขาแต่ว่าลูกชายหนูเล่าให้ฟังว่าพ่อแม่เขาก็ไม่ยอมนะคะไม่ทำงานเขาก็ไม่ยอมนะคะแต่ว่าอลิซเป็นคนไม่สู้งานเลยเขาไม่สู้งานแล้วก็ไม่คือแบบทำงานแล้วก็แบบ เหมือนแบบว่าขอนั่นขอนี่อย่างเงี้ยค่ะขอแบบคือขอทำห้าชั่วโมงได้ไหมอะไรอย่างเงี้ยซึ่งมันมันมันไม่ใช่แล้วพอเขาไปทํางานที่นู่นก็ทําได้สองวันก็ต้องออกมาพ่อแม่เขาก็ปวดหัวอะไรอย่างเงี้ยแล้วตอนนี้แบบกลับไปก็ไม่บอกไม่ไม่ลาพวกหนูเลยนะคะหลวงพ่อก็คือแบบหนีไปเลยตอนฉันก็กลัวเราจะ <sk r isa> หัาห้ามของมันเขาอะไรไม่อยากจะได้คือแต่จริงอ่ะเรา คุยกันได้เพราะว่าคือมาสองเดือนก่อนพ่อแม่เขาก็อยากให้เขากลับคริสต์มาสใช่ไหมคะ mm hmm. ก็บอกว่าให้ลูกชายหนูไปด้วยอ่ะลูกชายก็โอเคโอเคตกลงก็คือเขาจะไปทำวีซ่าไปอะไรพอมาอีกอาทิตย์หนึ่งอ่าวอทท์แอปมาพูดว่าไม่ต้องมาละไปหางานทำไม่ต้องกลับมาอ้าวเด็กๆ ก, ก็งงสับสนนะหลวงพอ่อแล้วพอมาผ่านไปไม่กี่วันก็ ก็โทรมาด่าลูกสาวตัวเองว่าเห็นแกตัวว่านูวันนี่คือแบบคือผู้ชายอยาบคายจนแบบหนูกสงสารนริร้ อ, นนองไห้ลูกชายหนูก็ปลอบใจลูกอลิก็ขาบอกว่าพ่อแม่่โกหกเค้าอะไรอย่างเงี้ยแล้วพอเนี่ยก็กลายเป็นว่าพอพ่อแม่เขาโทรมาหรืออะไรมาทีไรก็จะทะเลาะกับลูกหนูตลอดคือเราก็อยู่ในเหตุการณ์ตลอดลูกหนูก็บางทีก็แบบคือเขาก็รู้เขาก็รู้สึกผิดมากนะคะที่อลินน เขาแบบว่าหนีกลับไปเขาก็มองว่าเออเขาผิดไหมอะไรอย่างนี้โอเค ก, ก็ผ่านไปแล้วนะใช่ใช่โอเคก็กาแม่เขากักขกังเขาอยู่ที่บ้านแล้ก็แล้วแต่เขามันยากเขาก็ต้องไปสัมผัสกับความจริงของเขาต่อไปก็เราก็เบรกขาก็บอกลูกว่าลูกมไม่คิดว่าตัวเองผิด อภัยกันให้อภัยกันอย่าถือด้วยกอดเคือง ก, กันใช่ค่ะอุ้ยแต่ลูกหนูเขาไม่โกรธเลยอโกรธเขาแต่เขารู้สึกว่าเขาผิดไหมที่เขาไปไปไ ป, ไปทะเลาะไปไปว่าไปว่าอลิซไปอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าแต่ก็คือเราเราก็แค่มองว่าคือคุณไม่ควรหลอกหลอกพวกเราแต่ซึ่งหนูอ่ะพอจะรู้แล้วก็บอกว่าเออถ้าเธออยากกลับคริสมาเธอกลับได้นะแต่ไม่ไปฮ่องกงไม่ต้องไปฮ่องกงแล้ว เพราะว่าคือถ้าไปฮ่องกงอะ่ะก็คือเป็นการต่อวีซ่าให้เขาเพราะเขาถูกเชิญออกจากทิไ้ไปแล้วใช่ค่ะคือเขาเชิญโดนโด น, โดนเชิญออกจากบริษัทลูกก็เลยบอกถ้าเกิดว่าเธอจะทำงานตรงเนี้ยไม่ไม่ผ่านโป ก, ก็กลับมาอยู่บ้านก่อนนะเพราะว่าไม่งั้นคือข้างนอกอะ่ะคือมันจะต้องจ่ายคือเยอะอ่ะค่ะค่าเช่าคอนโดอย่างเงี้ยก็สามหมื่นกว่าใช่ไหมคะต่อเดือนลูกชายก็บอกว่าเออถ้างั้นก็ไม่ต้องนะเขาก็โอเค วันวันดีขึ้นดีก็แบบโอเคเข้าใจวันดีขึ้นดีก็แบบเศร้าโศกคืออืมการเป็นเขาเป็นโรคซึมเศร้าสงสารกายเป็นไบโพลาร์ไปจริงค<ๆ>่ะหลวงพ่อมันได้คิดหลวงพ่อเทศเนี่ยเดี๋ยวหนูจะไปเปิดให้ลูกชายฟังคือแบบว่าก็สอนลูกแบบนี้เลยให้ลูกเขาแบบทำใจให้เขาเข้าใจคือก็บอกว่าคือไม่ต้องคิดว่าตัวเองผิดมากเพราะว่าตัวเขาเองเขาก็ไม่ได้ เขาก็ไม่ได้ซื้อสัตว์กับเราก็บอกว่าเธอถ้าถ้าเธอจะกลับบ้านเธอกลับได้เลยแต่ก็ฮ่องกงไม่ไปเขาก็ยืนยันว่าจะไปฮ่องกงจะไปฮ่องกงก็เลยบอกว่าโอเคถ้าจะไปฮ่องกงเขาก็เขียนเขียนจดหมายก็คือแบบทํารายเล่เอาอักษรว่าเขาจะไม่กลับบ้านเขาอะไรเนี้ยเขาก็จะไปฮ่องกงกับลูกชายเพื่อทําแบบเป็นต่อวีซ่าลูกชายหนูก็หมดเป็นแสนนะคะหนว่พ่อ กลับมาได้ไม่ถึงอาทิตย์ลูกชายหนูก็พาไประยองพาไปกราบพาไปไปไปไหว้ไปไห ว, ว้หลวงปู่ศิน์ไปกราบหลวงปู่ศินป์ทบุญสองวันกลับมาปุ๊บกลับมาก็ไม่ได้มาเจอหน้าหนูเลยขึ้นห้องอยู่แต่ในห้องคือไม่มาลาไม่คือแบบคือหนูเข้าใจว่าเขาจะหนีเพราะว่าด้วยจากว่าพ่อแม่เขากดดันและเหมือนว่าเขาเรียกว่ามีข้อต่อรองอะค่ะ ข้อต่อรองที่ทําให้เขารู้สึกสบายใจว่าเขาจะไม่ต้องโดนบังคับแต่พอกลับบ้านไปเอก็เลยลูกชายหนูเขาก็แอบคุยกับแม่บ้านที่บ้านเขาก็บอกว่าอลิซโดนไม่ให้คุยกับใครเลยแล้วแม่เขาก็ประกบเขาตลอดลูกชายหนูก็เป็นห่วงว่าเขากลับไปเป็นยังไงบ้างโอเคไหมอะไรเงี้ยเพราะเขาบอกลูกชายหนูพูดอย่างเดียวว่าเขาตัดสินใจจะกาบาออกแล้วไปห้องโกงทํำไม อ เ, นะเอาตอนนี้ก่อนนะนะสําหรับเรื่องทางโลกตอนเดียวค่ะหลวงพ่อขอโทโอเคสาธุจ้ะค็นหมอพิเชษต่ออันนี้ก็ที่ว่าเป็นเรื่องเรื่องสาธิตเรื่องของทางโลกก็เป็นยังไงก็แล้วกันนะครับเก่านมโลกทางโลกก็เป็นอย่างนี้อันนี้จัางทุกขังงนะตายนะเก่าในพักการพระอาจารย์ครับขอความเมตตาพระาอาจารย์อธิบาย ต้องฝึกสอนใจให้อยู่ตรงกลางครับอาจารย์ตรงกลางก็โอเวคานะเพราะว่าถ้าเราอยู่ที่ยวเวคา้วเราจะไม่มีอารมณ์รักชังกลัวหลงเห็นอะไรเราก็เฉยๆๆเฉยมันเฉยเฉยใจก็ไม่ไม่เดือดร้อนอถ้าไปรักใจเราก็ก็ไปยึดไปติดเข้าไปห่วงไปห่วงถ้าไปชังก็เกิดอาการไม่สบายใจหงุดหงิดน้ำคานนัอย่าไปรักอย่าไปชังอย่าไปกลัว ยังไม่หลงบางทีทําให้ใจอยู่น้องนั้นได้ก็ต้องฝึกสตินั่งสมาธิให้ได้ฌานสี่ให้ได้อุบเบกขาต้องฝึกบ่อยๆคือเราจะมาบางข้ามันให้เฉยๆ เ, เองมันมันไม่เป็นธรรมชาติมันเฉยแบบกดใช่มไมมันไม่ได้เป็นเฉยจริงใช่ไหมอาจจะอาจจะกดได้บ้างบางครั้งบางเวลาแต่มันพอถึงจุดหนึ่งวันทีก็กดไม่ไหว ในวิธีที่จะทำให้ใจเราวางเฉยได้เราฝึกสตินั่งสมาธิให้เข้าชาน้ได้เข้าชานแล้วจิตก็จะเป็นอุเบกขาแล้วก็ฝึกบ่อยๆทำบ่อยๆทำมากๆวันคืนไม่ต้องทำอะไรนั่งปฏิบัติทำให้เขาเจริญสติก็นั่งสมาธิเท่านั้นแหละจิตเข้าไปเครื่องใบ่อยๆให้เป็นอุเบกขาบ่อยๆ ยิงย่งเข้าได้มากเท่าไหร่เวลาออกมามันก็จะมีโอเบคาได้นานแต่มันก็ยังไม่เป็นโอเบคาแบบยั่งยืนถาวรเพราะว่ามันยังออกจากสมาธิมากิเลนมันก็จะเริ่มมายั่วยุนโกนใจให้เกิดความ ร, รักชังโกลมขึ้นมาได้ไหมดเลยยงต้องใช้ทันที่สองก็ใช้ปัญญาหรือปััสนา ใช้ปัญญาสอนใจเวลาเป็นรักชังโกหลงอะไรก็ให้พิจารณาสิ่งที่เรารักชังโกหลงเพราะเป็นตายรักรักก็ทุกชังก็ทุกมันเป็นของไม่เที่ยงของไม่ใช่ของเราควบคุมบังคับไปไม่ได้ปล่อยให้มันอยู่ของมั น, น, นอย่าไปยุ่งกับมันดีที่สุดพอมีปัญญามันก็จะหยุดความรักความเยะ่ะโลภกดหลงได้เวลาออกมาจากสมาธิ แล้วก็อย่านั่งนับแบบถาวรเอามันรู้แล้วเป็นทุกข์ก็ไม่อยากจะยุ่งด้วยนะไม่อยากจะเอานะทำไมมีครอบครัวแล้วเป็นทุกข์ไหมมีแฟนแล้วเป็นทุกข์อืมไม่ใช้ก็เลยวกัต้องทุกข์ันที่มีตอนนี้ไม่ทุกข์ก็เตรียมนมชุบชีพไว้ก็แล้วกันเดี๋ยวถึงเวลามันจะทุกข์ขึ้นมามันถ้าไม่เตรียมตัวเตรียมใจไว้ก่อนไม่มีใครรู้ว่านาคหรือว่าอะไรจะเกิดขึ้น การพัฒาจากการนึ้นจะเกิดขึ้นในรูปแบบใดไม่มีใครรู้แต่ไม่ต้องเกิดขึ้นแน่นอนอนี่ต้องฝึกจิตให้เป็นอวัยวะถม้มีอวัยวะเราเฉยจะอะไรจะเกิดขึ้นก็เกิดอะไรจะดับก็ดับใจไม่ไปยินดียร้ายกับมันนะา ก, การทำใจให้เป็นกลางใช้สติแล้วก็ปัญญา สติให้ได้ฌานได้ฌานแะล้วออกจากฌานมาก็ใช้ปัญญาค่อ ย, ยสกัดความโลกความโกรธความหลงโ ด, ย, ดยการเห็นตายลนะับเห็นเห็นทุกอย่างเป็นทุกข์ตอนแรกก็ไม่คิดว่าจะเป็นทุกข์แค่เห็นอะไรก็มันสุขนะได้สิ่งนั้นมาแล้วจะมีความสุขเดี๋ยพออยู่กับมันไปเดี๋ยวสิ่งนั้นมันก็เปลี่ยนไปเดี๋ยวมันก็เก่าบ้างเสียบ้างจากเราไปบ้าง พรมันเป็นของไม่เที่ยงพอเห็เราเป็นทุกข์เพราะมันไม่เที่ยงก็ไม่เอาดีกว่าอยู่คนเดียวนี่ปะสบายอยู่แบบเราวนี่ไม่มีอะไรกับใครไม่ต้องทุกข์กับใครไม่ต้องทุกข์กับอะไรตำแหน่งตำแหน่งก็ไม่ต้องมีใช่ไมไม่ต้องเป็นเจ้าว่าสบายอะตายเลยเป็นเจ้าว่ากําลองทุกข์กับตาแหน่งนี้ นี่แหละทำใจใเป็นกลางด้วยสติด้วยปัญญาปัญญาจะเห็นว่าทุกอย่างเป็นตายรักสติก็ทำใจให้เน่งให้เข้าฌานไปพอมีฌานแล้วพอเห็นด้วยปัญญาก็จะวางเฉยได้แต่ถ้าไม่มีฌานไม่มีอุบเบกขาถึงแม้ใจเห็นด้วยปัญญาก็วางเฉยไม่ได้อย่างญาโยมนี้ที่ยังไม่ได้ฌานนี้รู้ว่าทุกอย่างเป็นตายรักรู้ว่าเป็นทุกข์แต่ก็ยังอดไม่ได้ บดที่จะอยากไม่ได้บดที่จะรักจะทํามันไม่ได้ต้องมีฝึกทั้งสองอย่างสุกสติเพื่อให้ได้อุเบกขาให้ได้ฌานแล้วออกจากฌานมันก็ใช้ปัญญาเวลาเกิดความโลภความอยากก็ใช้ปัญญาสกัดไว้ว่าสิ่งที่เราโลภเราอยากมันเป็นทุกข์มันเป็นไตาลักมันเป็นอนีจจําทุกขังอนัตตาห้ามันไม่ได้เวลามันจะจางเราไปแล้วห้ามมันไม่ได้ มันจะเสียอมแล้วจ้ามันจะเปลี่ยนไปเราห้ามันไม่ได้มันเป็นปรากฏการณ์ทางธรรมชาติไม่มีตัวตนเข้าใจไหมครับเข้าใจมากขึ้นมากครับอาจารย์กับกุ่างสูงครับโอเคท่านต่อไปอาจารย์พรหมพิไลเห็นเมื่อกีเห็ น, นคนุปกุณว่าผงเข้ามาอช่ไหมจูค่ะกรรมนิพพานอาจารย์ค่ะนั่นจะไปทริปที่ไห น, นตัวเข<ร>บ้าอาจารย์ครับ อ่าจะมีทริปที่ไหนไปตออยังมีทริปมีทริปที่ไหนไปตอหรือยังไปหาหมอครับหมอแลยเอ็มอาร์วันที่ยี่สิบสี่นี่ครับเดือนนี้เจอหมอมากกว่าเดอเพื่อนเออเพือนนี้ต้องต้องต้องซ่อมไว้ก่อนถึงถึงเวลาจะได้ไปได้ถึงเวลามีทริปขึ้นมาจะได้ไปได้อย่างสบายมันมันมาแบบ เป็นระลอกนะต่อเป็นความผูกพันของโลกเยอะมากค่ะก็พูว่ากันไปค่ะสบายดีนะสบายดีครับอาจารย์โอเคเข้าเข้ามาสวัสดีอาจารย์ก็รอคอยค่ะว่าจะได้มีโอกาสมากราบพระอาจารย์เพราะว่ายัางหาโอกาสนัดมอเยอะมากจะไปไปที่ จะลอยยุ่งไปไม่ได้เลยค่ะนี่ก็เจอกันตรงนี้ก็เหมือนกันแะ้วเที่นี่สะดวกดีต้องหมอให้งดขับรถมาอาทิตย์หนึ่งอ่ะคเือไม่ต้องมาหรอกนี่กระเจอกันในซูนสบายที่นซูสบายโยมก็สบายไม่ต้องเดินทางแต่ว่า looking forward นะคะเดินทางไปก็ก็ กิเลสมัชอบออกนอกบ้านไม่ชอบอยู่ในบ้านก็ก็อยู่ประจําก็พยายามจะเอากิเลนมาเป็นตัวล้อให้ให้คนป่วยได้คลายเครียดบ้างอ่ยู่ม้านมากไม่ได้ปฏิบัติธรรมก็จะเครียดเยอะอยอ่บ้านมันเย็นหงุดหงิดเราโอเคค่ะเราดูได้โอเคก็เดี๋ยวสัปดาห์หน้าก็ ก็มาเป็นได้เจอจาร์มันคริสต์มาสพอดีพอดีนะอ8ายี่สิบแปดีสิบหพอดีค่ะเพาทั้งสูงเนี่ยละค่ะอ่าจู่ับนี่อ่าใครอายไปแล้วน้องว่อ่าคุณสารตการอยู่ชัยนาจับเปื่อชัยนาแล้วแล้วเม่อช้ามาวัดยานถึงแล้วค่ะอาจารย์มาฟันคำอืม อย่าไปยุ่งกับเขาหนะ้ะแฟนเขาปล่อยก็ไปเถอเดี๋ยวก็จากกนะันแล้วไม่ได้อยู่กันมาตลอดถ้าอยู่กันตลอดก็หน้าไปยุ่งกับเขาหน่อยก <c oughs> จะพยายามก่อนมันลืมไปนิดเดียิเลยเป็นไวกับเราไวกับปัญญา <c oughs> <ะ>เป็นตัวกูของกูอยู่ยังเป็นตัวเราของเราอยู่โอเค มันเป็นหมอภาสนะปล่อยวางแล้วใช่ไหมแฟนนี้ไม่ยุ่งกับเราใช่ไหมตัวใครตัวมันน ะ, ะก็บอกกันแล้วะว่าเตรียมพร้อมใครตายก่อนตายหลังก็ได้เหมือนกันเพราะไม่รู้ใครจะตายก่อนตายหลัง ก, ก็คือดีใจมากเลยพระอาจารย์เพราะว่าปัญหานี้เป็นปัญหาของตัวเองเลยเพราะว่าเป็นปัญหาเรื่องของการการแบบว่ายึดติดอะค่ะก็ทั้งลูกลูกเลยนะคะโอ้โหลูกนี้สมัยก่อนจะเป็นห่วงอะไรไม่รู้เออเดี๋ยวนี้เข้าใจแล้วพระอาจารย์ว่าทุกคน มันก็ไม่มีตัวตนอยู่แล้วไม่มีกายเพราะจัดบนสบายนะพะอาจารย์รู้สึกว่าโล่งเลยค่ะแล้วก็ทําหน้าที่อย่างคุณพ่อดีๆมากเลยเพราะคุณพ่อก็จะค่อยๆเริ่มเอาไซเมอร์นะแต่ว่าจะมีแรงในการช่วยดูแลก็คือให้ท่านแบบว่ามีใจที่แบบสบายขึ้นแล้วก็ที่พระอาจารย์เทศให้ท่านฟังรู้สึกรู้สึกว่ามันมีแรงในการทําอะไรได้เยอะเลยค่ะ <IS AS 2> <ม>ต้องขอบคุณพระอาจารย์มากๆก็ยังไม่มีอารมณ์นะพ่ะ่ะอาจารย์รู้สึกดีมามันก็เลยทำงนานไ ด, ด <IS AS 2> ีแล้วก็เดี๋ยเดือนหน้า เดือนห น, นะคะออเดือนหน้าว่าจะไปวัดอือก็คือเพรา ะ, ราะน้องอ่ะน้องก็ยังชอบไปเที่ยวเมืองนอกไง่ะเราก็เลยเออไม่เป็นไรเดี๋ยวเราดูแลต่ น, น้องไปเที่ยวแต่พอน้องกลับมาเราขอไปวัดหน่อยนึงเลยก็ mm hmm. <c oughs> ไม่ได้อยากไปไหนเลยอยากไปวัดกัอยู่บ้านนะคะ mm hmm. เพราะว่าก็ลองดูเดี๋ยวเผื่อแบบตอนนี้พาคุณพ่อตอนนี้เป็นสารทีนะคะเพราะว่าเป็เป็นคนที่สามารถที่จะพาคุณพ่อไปไหนได้ก็เดี๋ยวอาทิตย์หน้าพาไปหาหมอก่อนแล้วก็จะพาไปรักษาใจท่านให้แบบสว่างให้มันดีที่สุดค่ะให้ทําบุญพาไปทําบุญ ต้องขอบคุณอาจารย์เลยค่ะดูแลคุณพ่อได้แบบรู้สึกรู้สึกดีใจที่ได้ดูแลคุณพ่ออ่ะเพราะว่ามันเป็นอะไรที่เราทําได้ตอนเนี้ยดีใจมากๆเลยมีวาสนาได้ดูแลท่านต่าหลวงเนี่ยเราด้วยเราดูแลแบบรับใช้นะไม่อยากไปดูแลแบบใช่ใช่เพราะต้องคำพูดอาจารย์เลยค่ะรับใช้ก็เนี่ยพาคุณพ่อไปซื้อต้นไม้ไปแล้วถ้าท่านอยากทําอะไรก็ทําฉันอยากจะ คืออยากทำอะไรให้ท่านทํำแล้วก็เขางข้าอาจารย์ก็ไม่ได้บังคับนะยค่ะก็เปิดถ้าท่านฟังก็ฟังไม่ฟังก็ไม่เป็นไรอะไรอย่างเงี้ยค่ะอย่าไปบงการว่าพ่อทําอย่างนั้นสิพ่อทำอย่างนี้นสิำสจำได้ขึ้นใจพระอาจารย์บอกเนี่ยคุณพ่อถึงคุณพ่อถึงได้แบบ อ, อยากไปกับกับกับตัวเองมากเลยะกับโยมอ่ะเพราะว่าเพราะว่าจะเป็นคนที่ไม่ใช่เปรับใช้อะแต่บางทีเขาหรือเขาไม่เข้าใจแล้วก็แล้วก็จะเตือนก็แบบเพราะอย่างบางทีแบบพอพอเขามาถึงจุดหนึ่งเนี่ยบางทีมันถ้าเขาไม่ได้ถามเราไปเตือนเดี๋ยวโกรธเนี้ยพระอาจารย์ เลยเราเราทําตัวเราเองดีกว่าแล้วก็รับใช้คุณพ่อไว้โอเคดีทํากัตันอยู่เดินหน้าเดินหน้าเดินหน้าจะไปวัดนะคะพระอาจารย์เี่บอกเดินวน้าหก็ล่ะไปอยู่วัดอ่ะสองพ่อคุณนะคาจารย์บางคนลูกตาเจอนุกตาชนไปยังไงยังถอดอยู่หรือเปล่าพิธีกรคะอาจารยังถอดอยู่ค่ะแต่สองอาทิตย์นี้จะช้าหน่อยค่ะเพราะว่างานเยอะค่ะก็ดี ถอนที่เลือกถอนเฉพาะเทนบางกันใช่ไหมใช่ไหมใช่ค่ะก็พยายามจะไล่ไปเรื่อยๆค่ะแต่ก็ดูเรื่องที่ที่น่าสนใจที่แบบตัวเองสนใจก่อนอะไรเงนี้ยค่ะแล้วก็จะมีมีบางครั้งที่มีแบบให้มี ม, มีมีแบบมียติธรรมขอมาแปะมาแปะจับม า, ขอขอมาก็จะถอนให้ก่อนค่ะมีเหมือนกันนะมีคนข อ, อการเนี่ย ตอนนู้นการ น, นี้ก่อนใชมีค่ะมีค่ะก็ที้ก็จะแจ้งมาว่าขอกันนี้ก่อนอะไรแบบนี้ค่ะดีเป็นการช่วยเผยแผ่ทำไปนตัวนะค่ะแล้วหนูก็ได้ฟังทาไปด้วยค่ะในชีวิตประจำวันได้เยอะค่ะดีกเอาเวลาไปดูหนังฟังเพลงนะค่ะพระอาจารย์โอเคมีอะไรไหมวืนนี้ มันนี่ไม่มีคําถามกับพระอาจารย์เข้าม า, ากราบพระอาจารย์ค่ะแล้วคุณแม่เป็นยังไงบ้างคุณแม่ก็ตอนนี้มีเอปัญหาสุขภาพเพิ่งจะไปลอกลอกเอ๋ยสลายต้อกระจกมาค่ะแล้วก็ลอกต้อเนื้อโดยจิตใจเป็นยังไงดีขึ้นไหมตั้งแต่มาฟังเทศฟังธรรมทดีดีขึ้นเยอะเลยค่ะก็ดูแบบตั้งแต่มาฟังธรรมกับพระอาจารย์ก็ปฏิบัติก็เขาก็ปล่อยวางได้เยอะค่ะ โดยเฉพาะกับกับหนูนจะมีความห่วงลูกมากเลยค่ะดีทำไม่เป็นของดี ม, มีมีคนมีประโยชน์ต่อจิตใจนะค่ะทําให้คุณแม่แบบใจเปลี่ยนเปลี่ยนไปเยอะมากค่ะอย่างน้อยก็ปล่อยวางเรื่องความเป็นห่วงหนูได้หนูก็ก็พอจะสบายใจบ้างเพราะว่าความเป็นห่วงมากก็กลัวจะทําให้เขาทุกข์มากนะคะ ได้เพราะทุกข้อเองค่ะเพราะความห่วงเพราะความอยากคุณกค่ะก็ความเป็นแม่บางทีก็มันมันจะแบบอดไม่ได้นะคะพระอาจารย์ได้เราใช้ธรรมะมาสอนค่ะดีค่ะ <Okay S 2> เดี๋ยวอ <na. S 2> าทิตย์ที่ยี่สิบสามจะพาคุณแม่เข้าไปกราบพระอาจารย์ค่ะวันพระโอเคสาธุค่ะมา ส, สั ก, การค่ ะ, ะคุณนัทคุณนัทไม่คุณนัทคุณนัทใช่ไห นำชื่อผิดนะคุณแน็กคุณตากับนมาสการพระอาจารย์ค่ะัครบอาจย์แน็คค่ะพระอาจารย์ค่ะเขามารายงานตัวค่ะพระอาจารย์ครับกลับถึงบ้านแล้วเหรอกลับถึงบ <ata> <uyor> <ar> ้านแล้วค <an> ่ะเราเขามาฟังธรรมธรรมดาเรื่องงานข้าทุกทุกคืนเลยเลยจะเป็นแค่วันวันบางวันค่ะพระอาจารย์วันอาทิตย์วันจันทร์วันพุกอย่างนี้ค่ะทำทุกวันเลยไม่มีวันหยุดเลย ทำนอกเวลาตอนเย็นบางวันค่ะพระอาจารย์หยุดเต็มเต็มวันก็จะมีวันเสาร์ค่ะวันเสาร์วันเดีเป็นกิจการของเราเองใช่ไหมเป็นเป็นหมอค่ะพระอาจารย์ทั้งสองคนแล้วก็เป็นเป็นหมอภาคลัดค่ะแล้วก็ตอนเย็นก็จะต้องมีมีไปทำเอกชนบ้างค่ะพระอาจารย์เหมือนเป็นพาดทเป็นพาทมงครับใช่ค่ะก็เหนื่อยนะเป็นหมอ ได้ธรรมะมานำใจพรัพระอาจารย์ช่วยได้เยอะมากค่ะไม่ดีโอเคไม่มีคำถามใช่ไหไม่มีคาถามพยายังปฏิบัติพยายามปฏิบัติต่อไปค่ะพระอาจารย์โอเคขอบพระคุณพระอาจารย์มากครับอแม่น้องลปูเป้เลยชื่อปูเป้เลยจากสาธว์ุาปูเป้ค่ะพระอาจารย์ พระอาจารย์ได้ยินแล้วะค่ะเ <Yeah. S 2> พระอาจารย์คะพอดีหนูพูดเรื่องการปฏิบัติของหนูอะคะ่ะพระอาจารย์ตอนหนูผ่าสมองใช่ไหมคะพระอาจารย์ที่ผ่าหลายรอบอะคะ่ะหนูก็จะนอนบนเตียงเยอะทําให้ง่วงนอนเออไม่ง่วงนอนนะคะตาสว่างมากหนูก็เลยจะหลบไปเข้าสมาธิอะคะ่ะพระอาจารย์เพราะว่าถ้าเปิดตา ม, มาเนี่ยมันจะปวดเยอะคะ่ะพระอาจารย์ ก็เลยแบบเหมือนหนีความปวดนะคะไปเข้าสมาธิบนเพราะนอนบนเตียงเยอะค่ะพระอาจารย์ทีนี้หนูก็เลยมาลุยปฏิบัติธรรมกับพระอาจารย์แล้วก็ฟังได้ธรรมโอสถใช่ไหมเจ้าคะพระอาจารย์ปัจจุบันก็คือขนาดเปิดตามัมนไม่ค่อยปวดร่างกายอะค่ะพระอาจารย์ mm. แล้วทีนี้หนูก็เลยปัจจุบันนี้หนูก็เลยลองมาทดสอบอะค่ะพระอาจารย์เกี่ยวกับการลดน้ําหนักโดยที่แบบว่าลองทานอาหารหนึ่งมื้อค่ะพระอาจารย์ ปรากฏว่าถ้าน้ําหนักมันลงมาจากหกสิบแปดปัจจุบันเหลือห้าสิบห้าตั้งเป้าไว้อะค่ะพระอาจารย์กลายเป็นว่าสามารถลดน้ําหนักได้ด้วยนะคะพระอาจารย์แล้วก็ไม่ได้เหนื่อยหรือเพลียเลยคะ่ะในปัจจุบันพระอาจารย์ก็ลุยได้อะคะ่ะก็เลยได้เห็นว่าอ๋อถ้าลุยปฏิบัติแล้วได้ทํามาโอสถฟังธรรมด้วยะคะ่ะพระอาจารย์ มันไม่ได้มาไหนกับเจ็บปวดร่างกายเลยนะคะพระอาจารย์ตอนแรกหนูหนีจากความปวดนะคะที่มันเพียส่วนใหญ่เพราะมันขาดการพักผ่อนมากกว่าน้ำหนักไม่เกี่ยวคนอ้วนก็เพียได้คนผอมก็เพียได้อยู่ที่ว่ามีได้นอนพอหรือไม่พอมาใหทสังเกตดูถ้านอนไม่พอเราจะรู้สึกว่าไม่ไม่ค่อยมีเรี่ยวมีแรงไม่ค่อยอยากจะทาอะไร เจ้าค่ะพระอาจารย์ค่ะก็หนูก็เลยพอดีหนูกงแปล ว, ว่าจะก่อนหนูก่อนหนูจะผาสมองเยอะๆอะค่ะพระอาจารย์หนูก็ออกกํารังกายอย่างหนักเลยนะเจ้าค่ะพระอาจารย์แต่ประเด็นคือมันไปกินแล้วมันก็ไม่สามารถลดได้อะค่ะพระอาจารย์ปัจจุบันก็ลองทานอาหารมื้อเดียวหนูว่าจะเพียรไหมแต่มันไม่ค่อยเพียรนะคะพระอาจารย์เราเน้ําหนักพระพุทธเจ้าพระพาพาสงฆ์ทั้งหลายทั้งก็กิกนมื้อเดียวมาตลอด เจ้าค่ะอาจารย์หนูก็เลยว่าโ อ, อ้ไม่เห็นจับเพียรหรือไม่มีแรงเลยค่ะพะอาจารย์เลยลุยได้สบายค่ะแล้วก็ไม่ปวดเกี่ยวกับตรงอวัยวะที่หนูมีปัญหาเยอะๆะค่ะเพราะว่าพอนอนได้พอแล้วทั้งนั้นจะไม่เป็นอาจารย์ค่ะหนูสังเกตตัวเองพระอาจารย์มันตื่นเร็วมากเลยนะคะพระอาจารย์คือตื่นตีสามอย่างนี้ค่ะหนูก็เลยมานั่งทำอาหารเลยค่ะพระอาจารย์คือระยะเวลาแค่ใช้เวลานอนในปัจจุบัน สี่ชั่วโมงเองครับอาจารย์ไม่นอนนานเหมือนแต่ก่อนนะคะนอนน้อยลงนะคะพระอาจารย์ได้มันยังสี่ชั่วโมงก็พอพระพุทธเจ้าก็สอนให้พระน้อยแค่นั้นนะเท่าค่ะพอาจารย์หนูก็เลยหนูก็เลยเดินทางไปทํางานด้วยรถเมล์หนูก็เลยนั่งสมาธิในรถเมล์เหมือนพักไปเลยค่ะพระอาจารย์แบบแต่ว่าไปถึงปลายทางก็ตาสว่าง ก็คือไม่ได้หลับนะคะพระอาจารย์คือนั่งสมาธิในรถเมย์ประจาเจ้าค่ะก็เลยได้ส่งดีจากหนูก็ดีใจได้ทำโอสถจากพระอาจารย์คือไม่ได้มาเจ็บปวดร่างกายที่จะต้องกินยาแก้ปวดเลยค่ะพรอาจารย์โอเคสาธุจ้ะคุณฝนจันเป็นฝนหายไปได้หลายวัน นวัตกรรมค่ะพระอาจารย์ใช่เจ้าค่ะหายไปหลายเดือนเพราะว่าแบบติดคือกลับมาไม่ทันเข้าอะไรอย่างเงี้ยค่ะรถติดก่อนจะเข้ามาก็สายแล้วอะไรอย่างเงี้ยเจ้าค่ะมีวันหนึ่งให้ลูกเข้าล่วงหน้าไว้ปรากฏหลุดก็เลยโอ้หมดหวางแล้วแต่ว่าวันนี้ก็เลยอยากจะเข้ามีโอกาสก็อยากจะเข้ามากราบพระอาจารย์ค่ะแล้วก็ฟังธรรมด้วยแล้วก็ได้ได้ไปหลายๆอย่างที่ตอนแรกว่าจะถามพระอาจารย์แต่ว่าก็ได้รับคําตอบไปส่วนใหญ่แล้วว่าเจ้าค่ะ อแต่ว่าพอดีหนูอยากจะรบกวนถามว่าเราเราทำยังไงอ่ะครัพระอาจารย์เราถึงจะได้ไปถึงฌานสี่อ่ะค่ะพระอาจารย์ก็ต้องยานสติทั้งวั น, ท, น, น, ท, วนทั้งคืนนะถ้าจะยานสติทั้งวันทั้งคืนนะก็ต้องไปอยู่คนเดียวเป็นเพลกวิเวกถ้าต้องทํางานต้องเกี่ยวข้งของกับคนนั้นคนนี้มันก็มันก็ต้องคิดแต่ถ้าเราอยู่คนเดียวเราก็สามารถระงับความคิดได้ให้รู้เฉย <c oughs> คืออย่าง ทำยังไงเราถึงจะไม่กลัวตายแต่ว่าเมื่อกี้พระอาจารย์ก็บอกเราว่าเราต้องฝึกสมาธิอยู่เรื่อยๆเพื่อให้ใจเป็นอุเบกขาเพื่อว่าเหมือนตอนที่เราต้องเผชิญกับความตายเนี่ยเราก็จะได้เหมือนมีสมาธิมาช่วยแบบนี้ใช่ไหมเจ้าค่ะพระอาจารย์ใช่ช่วยเราก็ต้องเ ห, เห็นด้วยปัญญาว่าร่างกายเราไม่ร่างกายไม่ใช่ตัวเราเราไปหลงไปตัวว่ามันเป็นตัวเรามันทำมาจากพ่อจากแม่ใช่ไหม เราเราอยู่ที่เราอยู่ส่วนไหนของพ่อของแม่ไม่มีในระ่าง <Okay. S 2> กายนี้มันไม่มีเราไม่มีส่วนเกี่ยวข้องด้วยเลยเราเป็นดวงวิญญาณเป็นจิตที่เพียงแต่ส่งกระแสมามาม า, ม า, ม, ามาเกาะที่ตาหูจมูเกเลิ้ยกายทั้นั้นเองเหมือนโทรศัพท์มือถือสองเครื่องติดต่อกันด้วยสัญญาณวทิทยุร่างกายของเราก็เหมือนโทรศัพท์สองเครื่อง ติดตากันในผ่านกระแสของวิญญาณที่มักอ่อาะที่ตาหูจมูกนิ้นกายเอรูปเสียงกลิ่นลดมาสัมผัสที่ตาหูจมูกนิ้นกายมันก็วิ่งเข้ามาที่ใจใจก็เลยคิดว่าใจอยู่ในร่างกายแต่มันจริงอยู่คนละโลกใจอยู่ในโลกทีพร่างกายอยู่ในโลกกระ t h a เนี่นเวลาอะไรเกิดขึ้นกับร่างกายไม่ได้เกิดขึ้นกับใจเลยเหมือนกับเวลาที่คนดูหนังคนดูหนังก็ หนังมันคนสวยไงใช่ไหมแต่คนดูหนังบางทีก็ลืมไปว่าเป็ น, เ ป, นเป็นคนดูไปคิดว่าเป็นเป็นเป็นคนเล่นด้วยไป็ตื่นเต้นตกใจกับเหตุการณ์ในจอหนังมนไม่มีสติแยกอแต่ถ้าคนมีสติดูหนังก็คอยคุมใจให้ใหเป็นไม่ให้เราเนาะคอยเตือนใจมันก็จะไม่ตื่นเต้นตกใจมันก็จะดูได้อย่างเิเลย อย่าเหมือนแบบตอนที่เจอกับเวทนาค่ะพระอาจารย์คือคือเราต้องฝึกเวทนาเยอะๆเพื่อที่ว่าจะได้ไปเผชิญกับวาระสุดท้ายได้แบบนี้ใช่ไหมเจ้าค่ะใช่อันนี้ก็ส่วนหนึ่งเจะต้องเจอความเจ็บอีกส่วนหนึ่งก็เคยต้องเจอความตายแล้วก็ต้องรู้ว่าใครตายใครไม่ตายใครเจ็บใครไม่เจ็บเจ้าค่ะคือหนูว่ามัน ม, มันลําบากตรงเวทนาเนี่ยเจ้าค่ะ คือหนูก็พยายามแล้วนะเจ้าคะเวลาเจอเวทนาแล้วเหมือนแบบอ่ะสวดมนต์สวดมนต์ไปอะไรเงี้ยค่ะแล้วมันก็ลองทําบ่อยๆทำบ้ามากต้องฝึกสติให้มากนะต่อไปใจก็จะเฉยกับเวทนาได้คคือบางทีมันก็มันก็ถ้าเกิดสมมติย่างเคยมีว่าแบบที่มันเฉยเฉกับเวทนานะเจ้าคะคือรู้ว่ามันเจ็บอะค่ะมันเฉยเฉแต่ว่าเหมือนมันมีแบบจิตอีกดวงมันเหมือนมีความคิดอีกอันหนึ่งค่ะว่าแบบ เออพอเราเถอะอะไรแบบนี้ยเจ้าค่ะพระอาจารย์แบบเหมือนกิเลมันมาบอกว่าพอเถอะอะไรอย่างเงี้ยจริงๆแล้วมันเจ็บนะอะไรเงี้ยแต่แต่มันก็จริงๆมันก็เฉยเฉยอะเจ้าค่ะเฉยเฉยแต่ว่ามันมีมาบอกว่ามันพอเถอะอะไรแบบนี้ยเจ้าค่ะพระอาจารย์คือมันยังไม่อยากจะอยู่กับมันอยู่ดีมันยังมีความญาณ ม, มันอยากออกมา่ ะ, ะไม่อยากยุ่งลงไนไม่อยากจะเข้าใกล้มันค่ะใช่จะขับเป็นแบบนี้นแล้วต้องถอนใจว่ า, าต่อไปมันเราขยับร่างกายมีไงมันก็ตามมาถ้าเราเป็นโรคภัยไข้เจ็บนี้เราทอทําทำยังไงค่ะเราก็ต้องฝืนต่อไปฝืนต่อไปเรื่อยๆดูปล่อยให้มันหายไปเองได้ไหมให้ความเจ็บมันหายไปเองอ หนูก็อยากจะรอจนมันหายไปเองอะคะ่ะแต่ว่ามันเหมือนแบบมันไปไม่ถึงจุดนั้นสักทีนึงเจ้าค่ะพาร์ทจ้าแพ้มันก่อนยอมออกมือถอนออกมาก่อนเพราะว่าหนูหนูแบบหนูขาดความเพียรนะคะคือหมายถึงว่าหนูไม่ได้ทําต่อเนื่องเจ้าค่ะหนูยมอมหล<ะ>ังใช่หนูก็หนูไม่ได้ทําต่อเนื่องแต่แบบแต่หนูมักจะฝึกสติอยู่ระหว่างวันอยู่เรื่อยๆแบบเนี้เจ้าค่ะพอพอมานั่งใช่ไหมเจ้าค่ะมันก็นั่งได้แต่ด้วยความที่เราไม่ได้ฝึกต่อเนื่องอะเจ้าค่ะมันก็เลย ก็เลยเป็นอย่างผลลัพธ์มันก็เลยออกมาอย่างที่กลับเรียนพระอาจารย์นะเจ้าค่ะว่ามันก็เลยไม่ไม่ไปต่อแบบนี้ค่ะเจ้าค่ะได้การปฏิบัติจริงๆเนี่ยมันต้องแบบแบบทุกวันทุกคืนเลยโดยการจะแพ้ชนะอะไรไปข้างหนงเลยก็เลยแบบไม่รู้ว่าเออมันจะ จนถึงเมื่อไหร่เนาะที่แบบความเจ็บมันจะนั่งจนไปถึงความเจ็บที่มันหายไปแบบเนี้เจ้าค่ะคือมันไปได้ตอนที่ที่ไปอยู่วัดสามวันเจ้าค่ะพระอาจารย์ที่วันสุดท้ายนั่งนั่งมันได้วันสุดท้ายเจ้าค่ะตอนที่นั่งฟังธรรมพระอาจารย์หนึ่งชั่วโมงเต็มเต็มอ่ะเลยเจ้าค่ะก็ต้องต้องเออพอดถึงพระอาจารย์ก็ดีเหมือนกันนะก็พอดีเดี๋ยวปีหน้าค่ะช่วงช่วงเดือนมีนาถึงเมษายนจะส่งลูกชายไปซัมเมอร์ที่สิงคโปร์อ่ะค่ะเราก็แบบ เออเดี๋ยวเจอหนูคิดว่าจะมีช่วงเวลานั้นแลหละค่ะที่หนูจะได้ไปวัดนะเจ้าอา่าก่อนจะไปสักเดินเดินสามวันแต่ ว, ว่าก็จะบินไม่หาลูกชายสองอยู่แบบสองช่วงเหมือนกันเจ้าค่ะอันนั้นแล้วคือเวลาให้กับการปฏิบัตินั้นไม่มากพอใช่เจ้าค่ะเรต้องเอ า, าวเวลาไปใช้กับอย่างอื่นถ้านังเป็นนั่งบวชนั้นมันสบายไม่มีไม่มีงานอะไรอื่นทำนอกจากงานปฏิบัติเนี่ยมันก็จะได้ทําได้อย่างเต็มที่ใช่ไหม ทำเต็มที่ทําอย่างต่อเนื่องเดี๋ยวมันก็ได้พลังจิตขึ้นมาที่จะสู้กับเวทนาได้หนูก็คงต้องหาให้มันได้ต่อเ น, นื่องราะว่าเหมือนเวลาอย่างจะเข้าซูมใช่ไหมเจ้าคะ่ะอย่างวันไหนตั้งใจจะเข้าอ่ะเจ้าคะ่ะมันจะต้องมีเหตุมาขัดให้แบบไม่ได้เข้าอีกแล้วอะไรอย่างเงี้ยเจ้าคะ่ะแบบแต่หนูก็เออไม่ได้เข้าก็ใช้นั่งไปอะไรแบบเนี้ยคะ่ะเดี๋ยวปีหน้าก็ตั้งจะมีมีการตั้งเป้าสําหรับตัวเองเรื่องการปฏิบัติ หน่อยหนึ่งว่าจะทำยังไงต่อค่ะก็คิดว่าจะต้องเป้าใช่ต้องมีสั จ, จีอธรรมตั้งเป้า<ะ>แล้วเราเอาเอานย่าอย่าไม่เปลี่ยนใจแน่วแ น, น, น่ถึงเวลาเราก็จะได้ทำตามที่เราตั้งเป้าไว้คือหนูอาจจะเริ่มจากการแบบ อ, อาทิตย์หนึ่งอาทิตย์หนึ่งหาวันหนึ่งกินกินมื้อเดียวก่อน เออก็ได้ครัอย่างนี้อย่างหนึ่งก่อนยาวมากเกินกาลังของเราใช่เจ้าค่ะเพราะว่าหนูต้องลดความอยากก่อนเจ้าค่ะพระอาจารย์ตอนนี้อุปสรรคของหนูช่วงที่ผ่านมาที่ไม่ได้เข้ามา zoom เจ้าค่ะอีกอย่างหนึ่งก็คือแบบความอยากนี้แหละเจ้าค่ะพระอาจารย์แบบเหมือนก็เลิกเล่นเกมได้อย่างเล่นไม่ได้แล้วไม่ได้เลิกคอมพลีทมาถึงว่าอที่บอกเลิกก็คือเลิกเลยค่ะคือตัดตัดคือตัดเลยค่ะแต่ว่าคือนานๆไอ้เกมอื่นนั่นละ ที่ต่าน้อยมากค่ะแต่ว่าปัญหาของหนูก็คือเรื่องใหม่มาคือเป็นช็อปออลลกอะค่ะเพะาราะ่อเมื่อวานนี้ฟังฟังธรรมะที่พระอาจารย์พูดถึงซึ่งเป็นเทปเมื่อตั้งตั้งแต่ปี2561แล้วเจค่ะแล้วพระอาจารย์พูดถึงความอยากพอดีแล้วพูดถึงคนที่เป็นช็อปออลลกอะค่ะคือก็ <laughs> ตรงหมดเลยเจ้าะพระอาจารย์หนูก็เลย ทำมาเช้าฟังอยู่แล้วพอดีกําลังจะกดสั่งโชปปี้แล้วโอ้ยไม่ได้ก็เลยก็เลยได้เบรกค่ะก็เลยต้องภาวนาพุทโธเพื่อหยุดนะคะพระอาจารย์หนูใช้พุทโธจริงเจ้าค่ะะใ ช, ใช้ใช้พุทโธในการหยุดหยุดความอยากนะคะเพราะว่าหนูว่าความอยากมันเป็นทุกข์หนูเห็นว่ามันเป็นทุกข์นะคะเวลาความอยากอคืแต่เวลาไ ม, ไม่มีกําลังหยุดมันได้ร่วมเป็นทุกข์แต่ยังไม่มีกําลังต้องใช้เสตช่วยพุทโธพุทโธไปก็ต้องต้องใช้พุทโธจริงๆเจ้าค่ะเพราะว่ามันต่อความอยากเนี้ยมันมัน เราเห็นเลยเจ้าค่ะมันเป็นทุกข์เพราะว่ามันมันมีความแบบมันล้อมร้อนอยู่ข้างในอ่ะเจ้าค่ะเหมือนอยากได้อ่ะซื้ออยากอะไรอย่างนี้นะจ๊ะแต่ว่าแบบแต่พอพอมาเข้าสูนพรจาหรือว่าเออช่วงเวลาที่นั่งอยู่เฉยเฉยแล้วก็นั่งอ่านธรรมะค่ะมันมันเป็นความสงบที่ที่มีความสบายมันเย็นสบายมันเป็นความสบายมากกว่าเจ้าค่ะแต่พอออกจากตรงนี้ไปปุ๊บมันก็ร้อนเหมือนออกจากห้องแอร์ ใช่เจ้าของคะอาจารย์ก็เป็นอย่างที่ท่านว่าเลยเจ้าค่ะก็หนูจะพยายามต่อไปนะเจ้าค่ะก็วันนี้ก็ได้รับอสิ่งคําตอบหลายๆอย่างแล้วเจ้าค่ะพระอาจารย์ขอบพระคุณเจ้าค่ะพรอาจารย์รยอ่าคุณยินดีเป็นยังไงตอนนี้ mm hmm. หนาวก็ใช่ไหมใช่ค่ะท่านอาจารย์ก็ติดลบแล้วค่ะท่านอาจารย์ mm hmm. ก็เป็นอย่างเนี้ยค่ะอากาศ มันก็เวียนไปเรื่อยๆเยๆป็นทุกอย่างก็เป็นอากาศนี้ เ, นเราไปห้ามมันไม่ได้เปลี่ยนมันไม่ได้แค่ท่านอาจารย์มองคนว่าเป็นอากาศแล้วเราจะสบายใจขึ้นเยอะค่ะ อ, อาจารย์คะบางครั้งบางคราวแบบอย่างในกรณีที่อย่างสมมตอิออย่างหนูใช่ไหมคะเวลามองเวลามองทุกวันเนี้มองมันมันมีความรู้สึกว่ามันแต่แต่คําพูดท่าอาจารย์ก็ผุดขึ้นมานะคะแบบมันเหมือนมีความรู้สึกว่า ชีวิตคนเรามันเวียนเวียนเวียนวนเวียนวนเวนียนอย่างเงี้ยคะ่ะท่านอาจารย์แล้วแบบแต่เดวิดอะคะ่ะเขาก็มองไปทางโลกใช่ไหมคะแต่พอของเราเรามาทางธรรมแล้วพอมาทางธรรมแล้วมันมีความรู้สึกว่ามันชีวิตมันแลแบบมันมันมันมันไม่น่าอยู่อะคะ่ะก็มีความรู้สึกอย่างนี้ใช่ไหมคะแล้วก็แลเบื่อแล้วแต่ท่านอาจารย์เ อ, อคําพูดท่านอาจารย์นะคะก็เคยพูดขึ้นมาว่า เอให้ดูว่าถ้าเกิดเอพิจารณาามากๆเข้าแต่ถ้าเกิดสมมุติว่ามันมีความทุกข์นั่นคือไม่ใช่ละมันก็ไม่ถูกละแต่ถ้าเกิดมันมันมันโอเคมันมันสบายๆมันก็คือถูกมันก็คือมาทางถูกต้องถูกไหมคะใช่ใช่ไหมคะใช่แล้วตอนนี้หนูก็เลยมาด้วยความที่ว่าเดวิดอะเขาเขาเขาก็คือเขาก็คือหนูไม่เคยแบบไม่ไม่ไม่ได้บังคับเขาเขาก็ค่อยๆมาของเขาเรื่อยๆ แต่หนูก็ไม่กล้าแบบไม่กล้าไม่กล้าไปบอกเขาว่ายูก็ดูแลกันว่าชีวิตคนเราอ่ะอยากเกิดไหมหนูเคยหนูเคยถามอยู่ช่วงหนึ่งแล้วพอเสร็จแล้วหนูก็มาดูตัวเราว่าเอ้ยเออไม่เอาดีกว่าแบบไม่ไม่บอกดีกว่าเพราะว่าถ้าเกิดบอกหนูกลัวเขาว่าหนูกลัวหนูกลัวเนซสาว่าเวลาเราบอกใครเนี่ยถ้าเกิดสมมติว่าเขามีความรู้สึกเขาเบื่อขึ้นมาแล้วแล้วแล้วเราจะผิดไหมคะ าจกวนในละสารนี้ค่ะอย่างยาของหนูถ้าอย่างมันมันนี้เบื่อแบบสองอย่างเบื่อด้วยปัญญาเมืก็เบื่อด้วยกิเลสใช่ค่ะถ้าเบื่อถเบื่อด้วยปัญญาก็โอเคเห็นม่าโลกนี้มันน่าเบื่อค่ะแต่ก็ไม่ได้คิดจะไปหนี้อยากมันไปก็อยู่กับมันไปไม่ค่ะก็ตามหน้าที่ค่ะถ้าจแต่ถ้าเบื่อแล้วอยากจะหนีมันไปเนี่ยมันก็เป็นกิเลสแล้วใช่ค่ะท่านอาจารย์วิภาวะทันหาขึ้นมา ค่ะหนูก็เลยหนูก็เลยไปดูไอไอเอ่อท่านอาจารย์เนี้ยหนูก็เลยไปดูไอเอ่อบทสวดของธรรมจักรเอ่อพระนสูตรนะคะอาจารย์หนูไม่เข้าใจตรงช่วงหนึ่งตรงที่ท่านบอกว่าเอ่อให้ดูว่าที่ว่าอีวักเอที่ว่าอีวักจักที่ว่าเอ่อที่ที่เขาบอกว่าท่านบอกว่าเอ่อซึ่งมีรอบสามอาการสิบสอง อรอบสามอาการสิบสองเนี่ยมันคืออะไรคะท่านอาจารย์ตรงเนี้ยค่ะไม่ต้องไปเู้กหรอกอไม่ต้องไปหรู้รแค่ว่ามันมันเป็นทุกข์แล้วเป็นสบกแล้วกันค่ะท่านอาจารย์คือห<ม>นูก็ไปอ่านอ่านอ่านบทสวดนะคะเพราะว่าเอ่อที่หนูก็ลองอ่านบทสวดดูแต่บทสวดท่านก็เอ่อพูดแต่ถึงเรื่องอริยสัจสิแล้วก็ส่วนใหญ่ใช่ไหมคะถูกต้องไหมคะท่านอาจารย์เนี่ ว่ลองลองลองไปดูก็เลยพออ่านแล้วก็มาถามมาตรงนี้ก็เลยเข้ามาถามอาจารย์เนี่ยค่ะใช่ถ้าไม่เข้าใจเขาไม่เป็นไรขอให้รู้เพีงแค่วมันทุกข์หรือเปล่าทุกข์ก็ระดับมันได้หรือเปล่าก็พอค่ะท่านอาจารย์ค่ะค่ะก็ไม่มีอะไรค่ะท่านอาจารย์เข้ามานั่งฟังธรรมแล้วก็เมื่อเช้าก่อนไปก็ก็้เหมือนเดิมค่ะท่านอาจารย์อย่าลืมบอกอาจารย์เตะบอกสองเตะ มันก็ดีนะคะท่านอาจารย์แบบคือเขาเหมือนแบบเป็นตัวคอยเตือนเราอะเออเอ้ยวันนี้วันพุ้นหน้าท่านอาจารย์มานะบางทีแบบเนเราพอเวลาขอเรามาแล้วมาเตรียมเขาใช่ไหมค่ะไปเหมือนนาฬิกาปลุกนะใช่ค่ะท่านอาจารย์บางทีเราก็ลืมเหมือนกันว่าเฮ้ยมันเป็นวันนักข่าวอะไรเงี้ยค่ะบางทีเขาก็มีอย่างก็เป็นตัวเตือนเราค่ะท่านอาจารย์ก็มีความสุขค่ะท่านอาจารย์กับฐามะค่ะคเ เพระคุณท่านอาจารย์เป็นอย่างสูงค่ะจาาคุณจิ๊บต่อจิ๊บ ไ, ไม่เป็นไรการนวั ส, สการครับ่าอาจารย์เดี๋ยวนะเจ้าค้าแป๊บนึ่งนคะคะหาที่บ้านเขาลูาแล้วจัน์กับนวั ส, ส ก, รรก า, ารเจ้าค่ะพ่อจัน์สบายดีนะคะอาสบายดีจ้ทำเอ่อไหกาลังก็คือทาที่บ้านไปด้วยแต่เดี๋ยวกาลังจะไปออฟฟิศแล้วคะ่ะเดี๋ยวให้ลูกชายกลับแป๊บหนึ่ง น, นะคะกับ สวัสดีครับวันนี้ไม่ไปโรงเรียนนะไปไหมคะโรงเรียนไปโรงเรียนไหมอยากพูดภาษาไทยหนูก็ต้องพูาอกฤษพูดภาษาอังกฤษก็ได้ถ้าอยู่เข้าใจภาษาไทย <Yeah. S 2> หาอาจารย์ทําไปโรงเรียนหรือเปล่ายังเล็กนิดเดียว bit กําลังจะไปค่ะวันนี้เขา <Okay. S 2> เขาไม่มีคาบหนึ่งคาบสองค่ะเขาสามค่บก็เลยไปสายหน่อยค่ะเรียนอยู่ไฮ h คูลเยอะปะเรียนอยู่ไฮสค o ลปะไฮสคูลเซนิเอร์ ชินีอาีสุท้ายใช่ไจูนยังก็กราดเวีนะใช่ไหมจูนการดชั้นใช่ใช่ครับพูดัาษ์ไอพอร์ตแล้วเตรียมตัวเข้ามหาลัยยัวเตรียมตัวเข้ายูนิเวอร์ซิตี้ได้ยังพี่ยูนิเวอร์ซิตี้ก็เขาเขาก็สมัครไปหลายที่แล้วค่ะพระจารวก็ก็มีบางก็มีที่หนึ่ง เพนสเตดอะคะ่ะเขาออเฟอร์มาอยู่เหมือนกั น, นะคะ่ะแต่ว่ากาลังรอที่อื่นอยู่ะะอ่ะค่ะค่ะก็เขาอยาจะไปเขาอยากจะไปที่ไหนแหนึนนน่งอันดับหนึ่งเขาอยากไปมหาลัยที่พ่อเขาไปแต่ว่าเขาเขาเข า, เขาโดนอ่ารีเจ็คมาแล้วคะ่ะเขาก็เศร้าก็เศร้าไปนิดนึงเหมือนกันคะ่ะแต่โยมก็บอกว่าคือระบบมหาลัยของที่นี่มันไม่เหมือนกับที่เมืองไทยใช่ไหมคะที่หนูไป ตัวก็ได้ลูกอากาศพระอาจารย์ก่อนทีหนึ่งก่อนเลยบันเดย์จ้าอาทูอาทูค่ะแตข า, าต้องไปเตรียมตัวไปโรงเรียนค่ะพระอาจารย์คือมหาลายัยเพราะเขารีเจ็คมายอมก็เลยบอกว่ามหาลาัยที่นี่มันไม่เหมือนกันของที่นี่เขาจะแบบให้เราเขียนเรียงความเป็นเอเซสไปใช่ไหมคะพระอาจารย์แล้วก็มหาลาัยก็จะพิจารณาจากเอเซสจากกิจกรรมที่ทําแบบว่าเพราะว่ามหาลัยเขาจะให้เขียนเลยว่าตั้งแต่คุณทําอยู่แบบเข้าระบบเอ듀เคชันอยู่มีกัน กิจกรรมอะไร activity อะไรเงี้ยคือยมก็มองว่ามันเป็นสิ่งที่มหาลาัยพิจารณาคุณจากสิ่งที่อยู่เขียนจากอยู่ที่อยู่เหมือนการขายตัวเองอะค่ะใช่ไหม ค, ะะค่ะใช่มาทางเราดูเพรสเซนต์ตัวเราว่าเป็นเพรสเซนต์ยังไงเหมือนให้ <c oughs> คือ p r o d u c ก็คือตัวเราตัวเราแต่วให้ให้เขประทับใจอยากจะให้เราไปเรียนกับเขาถ้าถามว่า p r o d u c อะ่ะมัน p e ฟอร์มได้อย่างที่ เขียนไปหรือเปล่าก็อีกเรื่องหนึ่งใช่ไหมคะแต่ mm hmm. สําหรับเมืองคือคุณนกสู้ด้วยตัวเองคุณสอบคุณอ่านหนังสือคุณสอบแล้วคุณก็ค่อยเลือกว่าคุณอยากจะไปที่ไหน mm hmm. ใช่ไหมคะอันนี้ยงก็ไม่แน่ใจว่าเมืองไทยยังเป็นแบบนี้ไหมแต่ยงก็เลยบอกว่าก็เชื่อในโย u r s e นะถ้าเกิดบอกว่าเขาไม่เลือกเราก็แปลว่าเราไม่บีลองตรงนั้นมันไม่ใช่ที่ที่ของเราอะไรเงี้ยค่ะเราอาจจะไม่เหมาะสมกับตรงนั้นมันมีที่อื่นที่เหมาะสมกับเรามากกว่าอะไรเงรี้ยเขาก็โอเคเขาก็ คาดคาดค่ยนะคะทุกคนก็มีความคาดหวังเหมือนพ่อเขาว่าผมก็เฉยๆพอให้ลูกแค่รู้จักมีระเบียบวินัยจัดแจงตารางเวลาให้เป็นอะไรเงี้ยค่ะพ่อเขาจบอะไรที่ไหนมาพ่อเขาจบจากดา้าดาสมาร์ทใช่ไหมใชใช่ค่ะใช่ค่ะรู้เขาก็เลยอยากจะไปที่การอะไรเงี้ยค่ะค่ะยมก็แบบแหมสมัยพ่อเขาเอาจริงๆนะคะพระจารย์สมัยพ่อเขามันง่ายกว่าเยอะเนื่องจากว่าสมัยพ่อเขานี่พ่อเขาจะหกสิบแล้วใช่ไหมคะ สมัยก็เขาก็จะมีแต่เอาจริงๆมันก็คือคนอเมริกันน่ะมันคือคนขาวคนที่อยู่ในประเทศเท่านั้นใช่ไหมคะส่วนใหญ่รุ่นพ่อเขานะคะแต่พอรุ่นลูกชายนี่คือแบบทั้งเด็กที่พ่อแม่มาทํางานเป็นคนจริงคนอินเดียคนต่างชาติที่พ่อแม่ทํางานแล้วมีลูกคลอดลูกที่นี่ก็จะเป็นรุ่นวัยรุ่นใช่ไหมคะคือมันต้องแข่งจากทั้งคนในประเทศแล้วคนที่แบบอินเมกรันด้วยอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันอินเมกรันพวยเอเซียก็จะขยันกว่าใช่อนั่น ใช่ค่ะใช่แล้วไอ้คณะที่เขาไปมันเป็นเอนจิเนียร์ค่ะพระอาจารย์โยมก็ใหญ่เขาเดินตามรอยพระอาจารย์เลยเพาเป็นเอนจิเนียร์เสร็จสักพักหนึ่งเออคิดได้ไปบวชอะไรองี้ไม่รู้จะได้หรือเปล่าก็นี่ก็หวังอีกนะค่ะก็ก็ก็ลยก็คือเราก็ต้องเป็นแผนกซัพพอร์ตนะคะเพราะว่าเหมือนเขาโตในจุดที่เราแบบพูดก็ไม่ได้ เราไป ไ, ได้เข้าไปไปไม่ได้ก็เรื่องของเขาไปเราทําอะไร<ช>ไม่ได้เหมือนพระอาจารย์เหมือนพระอาจารย์เหมือนคอร์กกโหลกโยมเลครั้งที่แล้วว่าอย่างมากทุกคนก็ตายยอมก็เออจริงเนาะใช่เราไม่เราชอบเรื่องความตายกันเลยไปเครียด ก, กันเรื่องเรื่องกันเรื่องนั้นเรื่องนี้กันเรื่องกิเลสเรื่องความอยากเรื่องอะไรอย่างเงี้ยค่ะยมก็เลยแบบว่ามีกันถ้าเป็นแทบตายพอตายก็จบ ใช่ค่ะยมก็เลยเออมันมันก็เห็นนะคะแล้ววันนั้นยมมันอาทิตย์ที่ผ่านมายมไปวัดที่แถวพิสเบิร์กใช่ไหมคะพระอาจารย์วัดน้องแจนอาจารย์ใช่ค่ะวันนี้หายไปเลยเมื่อก่อนเข้ามา ก, กับทุกคาทิอ๋อที่เขายุ่งค่ะเพราะาอันนั้นก็ลูกเหมือนกั น, นะคะ่ะลูกก็ต้องขับรถพาลูกสาวไปลูกสาวเขาจะสอบเข้าหมออะไรแบบนี้ค่ะก็ต้องพา<ม>ไปสอบสัมภาษณ์อะไรเงี้ยค่ะ เขาก็ยุ่เหมือนกันถ้าน้องไม่ได้เข้ามายัางไงโยมก็กลาบแทนน้องกับแทนสลินทรด้วยนะคะไม่แน่ใจจะพูดถึงวัานอาทิตย์พยมขับขอเล่านิดนึงนะคะพระจําทร์แบบโยมขับรถมามันเป็นหมอกไม่ทั้งหมอกทั้งหิมะขึ้นอยู่บนเนินเขาสูงเลยพระอาจารย์แล้วมันมองไม่เห็นจริงๆมันเป็นแบบเหมือนตาเราเป็นตามม่แล้วค่ะพระจานทร์คือขับไปก็แค่รุนว่านี่คือทางตรงหรือนี่คือทางเลี้ยว ล้มก็เลยจะมาถามอาจารย์ว่ามันเกิดมันคือเหมือนกับว่าความเป็นความตายอยู่ตรงหน้าแล้วเราจะทําใจยังไงดีคะอาจารย์ก็ จ, จอดต้องใช้ใช่เลยมันจอดไม่ได้ค่ะอาจารย์มันไม่มีไหลทางเลยคะ่ะมันอยู่บนภูเขาเลยพระอาจารย์แบบคืเปิดไฟสัญบว่ไฟฉกแช่ชแล้วก็จอดก็ได้ใช่คะ่ะก็เลยคือข้างหลังก็เป็นรถบรรทุกแบบสิบแปดแบบสิบแปดล้ออย่างเงี้ยค่ะอาจารย์เดี๋ยวแบบว่า ข้างหน้าก็ไม่รู้เป็นอะไรข้างหลังก็ไม่รู้เป็นอะไรมันมองไม่เห็นอะไรเลยเรายมก็แบบทําไงดีอะถ้าตายไปแล้วคือเราจะเตรียมใจยังไงดีคะพระอาจารย์ถ้ามันตายมันแบบคือไม่รู้เฉย ไ, ไปก็เฉยเฉยไปไม่รู้ตายก็ตายอยู่ก็อยู่ก็คิดพูดโ <c oughs> <c oughs> พูดโ ท, ดโทไปเลยใช่ไหมพูดโพูดโท ร, โ ท, รทำให้ใจเฉยเฉยไม่ต้องไปตื่นเต้นตกใจ อ, อยู่ก็อยู่ตายก็ตายได้เท่าเท่ากันคือถ้าเรายังมีสติอยู่ ในขณ ะ, ะที่ทำตายแล้วก็เราจะไม่วุ่นวายเราจะไม่ทุกข์ค่ะไม่ให้ใจมันฟุ้งซ่านไปว่าโอ้โอลูกยังไง อ, อย่าพ <อ S 1> แพนิคอย่าแพนิคอย่าแพนิคถ้าเราแพนิคสมมติเราตายไปตอนที่เราแพนิคมันจะเป็นยังไงครับอาจารย์ก็มันก็เชรดเครียดมันก็ทรมานเลยแล้วมันจะเกี่ยวไหมคะว่าจิตสุดท้ายที่เราแับที่เขาบอกยอย่าสุดท้ายอยู่ที่บุญกับบาปของเราว่าอันายะมากกว่ากันอืม คจะไปไหนมาไหนเนี่ยมันอยู่ที่บุญมันอยู่ที่ผลผลรวมของบุญกับผลบาปว่าไหนมันมากกว่ากันถ้าผลรวมของบุญมากกว่าผลรวมของบาปก็ไปสวรรค์ค่ะถ้าถ้าบาปมากกว่าก็ไปอาบายาแต่เวลาตายจะตายสงบหรือตายไม่สงบอยู่ที่มีสติแล้วไม่มีสติจิตสุดท้ายอยู่ที่มีสติหรือไม่มีสติมีสติายก็จะตายอย่างสงบไม่เครียดไม่ทุกข์ ถ้ามสติก็จะแพนเองอยากเคียจะทุกข์ท่นั้นเองแต่ไ ม, ไม่ได้เป็นตัวที่จะไปส่งให้เราไปไปไปสวรรค์หรือไปนรกมันอยู่ที่อยู่ที่บญที่บาปที่เราได้สะสมมาค่ะก็คือเป็นกรรมเหมือนที่น้องบอกใช่ไหมคะน้องเด็กๆท่องว่ามีกรรมเป็นแดนเกิดอ่าใช่จะทากรรมอะไรได้เราจะต้องไปผู้รับผลของกรรมนั้นค่ะไม่เกี่ยวกับว่าใครมาพูดแช่งเราแช่งครอบครัว ไม่เกี่ยวทัว้งนั้นหรือใครมันจะมาขอให้ไปสู่สุคติถ้ามันไม่ได้ทําบุญมันก็ไปสุขสุคติไม่ได้ค่ะแสดงว่าถึงแม้ตอนเราจัดงานศพถ้าพาะสวดเราก็ไม่ได้บุญแล้วตอนนั้นไม่เกี่ยวไ ม, ไม่เกี่ยวแนละ้วพระจะสวดไม่สวดไม่เกี่ยวกับเราแนละ้วเกี่ยวคนอยู่มกากกว่คนอยู่ได้บุญนะค่ะก็ฟังทําให้เป็นปัญญาไปที่พระท่านเทศใช่ไหมคะตอนจุดอ่า โอเคค่ะวันนี้ก็มีเท่านี้ค่ะพระอาจารย์ขอพระอาจารย์ท้าขายแข็ง แ, แรงนะคะอาทิตติมาแล้วเดี๋ยวเดียมจเราเราไม่มีการงดคริสต์มาสใช่ไหมคะก็เหมือนเดิมเราไม่ได้เป็นคริสต์เนี่เราเป็นพุทธ น, นี่ยุตมาพุทธมาุกวพุทธมาไม่ใช่คริสต์มาสใช่พุทธมาใ ช, าใช่ค่ะพระอาจารย์ <c oughs> <c oughs> ไม่มีอะไรค่ะคำขให้พระอาจารย์ได้หนเหรอโอเคสาธุ เราก็จะทัดกานแข็งแรงนะจ้าค่ะขอขอบพระคุณเจ้าค่ะเอ่จากอเมปิกาไปญี่ปุ่นเพวกเราเรานี่มีหลากหลายนะรู้ไหมเนี่ยมีคนติดตามเพจเรานี่ยสามสิบสามประเทศนะไปดูสถิติมาสกันพระอาจารย์เจ้าค่ะเป็นยังไงมีอะไรไหมอ๋อวันนี้หนูมีคําถามเจ้าค่ะพระอาจารย์ก็คือเอ่อ หนูหนูสงสัยหนูอยากถามคือสมัยที่พระอาจารย์เข้าไปอยู่ที่วัดป่าบ้านตาก น, นะเจ้าคะ่ะกิจกรรมประจําวันทุกวันก็จะเหมือนเหมือนกันพระอาจารย์มีอะไรที่เป็นตัวหล่อเลี้ยงฉันท้าในการปฏิบัติของพระอาจารย์<ม>รจเจ้าคะ่ะก็สติเนี่ยแหละมีสติอยู่กับตัวอยู่ตลอดเวลาไม่ปล่อยให้ใจไปคิดตงแต่งมาหลอกน้อนเรามีสติทําหน้าที่ถึงเวลาทำอะไก็ทํา มีนะมีหน้าที่ตั้งแต่ตื่นจนหลับหน้าที่หลักก็เจริญสติไปก็บคู่กับไปทำจิตใจวัดที่ต้องทําถึงเวลาเบญบาบก็เบญบาบถึงเวลาฉันก็ฉันถึงเวลากับุติก็กับุติถึงเวลาเดินจง ก, กรมก็เดินจง ก, กรมถึงเวลานั่งก็นั่ ง, ม, ม, งมันไม่ได้ทาอะไรอย่างมันไม่ได้ไปคิดกันเรื่องอะไรนให้เสียเวลาลวควบคุจิตใจอย่างเดียวแล้วมันเคยมีแบบลดลงหรือเบื่อหน่ายบ้างไหมเจ้าคะ่ะ เราไม่มีหรอกสำหรเรามันแบบไม่แต่จะขึ้นไปอย่างเดียวนะเจ้าค่ะอถ้ามันเบื่อมันไม่ไปบวชแล้วนะค่ะพระอาจารย์เจ้าคะ่ะในระหว่างตอนที่เราเป็นปุถุชนกับระหว่างตอนที่กําลังจะไปถึงจุดที่เป็นอริยะอันแรกเนี่ยเจ้าค่ะในความคิดของพระอาจารย์นี่มันยากไหมเจ้าคะ่ะอ่ามัน กว่าจะถึงนะเจ้าค่ะแล้วก็ไม่เคยคิดว่ามันยากหรือไม่ยากแล้วมีหน้าที่ทํำก็ทําไปมีหน้าที่เดินก็เดินไปไม่ต้องไปกังวลกันยากไม่ยากง่ายไม่ต้องไปกังวลกับมันขอให้เราทําอย่างเดียวให้มีสติมีสติมีปัญญามีสมาธิเดี๋ยวมันก็ไปถึงเองคือถ้าอินซีเต็มแล้วมันก็จะไปถึงเองอย่างนี้เหรอคะใช่มันจะไปเองไม่ต้องกลัวเหมือนเติมน้ำมันให้มันเต็มรถเต็มถังไว้ เวลาลรถก็วิ่งใหไปลงมานีงถ้าน้ำมันไม่มีมันก็วิ่งมปไม่ได้ค่อยเติมน้ำมันคอยเติมมันคอยเติมเป็นสี่ห้าศรัทธาวิริยะสติสมาธิปัญญาอยู่เรื่อยๆศรัทธาเป็นความเชื่อมั่นในคําสอนพระเจ้าเป็นความเชื่อมั่นในการปฏิบัติของเราว่าจะต้องพาให้เราไปถึงจุดหมายปลายทางได้แล้วก็ใช้ความเพียรม่ให้เกียรติข้าให้ทําหน้าที่ตั้งแต่ตื่นจนหลับ ให้จาริญสตินั่งสมาธิพิจารณาปัญญาสลับกันไปเจ้าค่ะมันมันเป็นอย่างนี้หรือเปล่าเจ้าคะอย่างที่หนูเหมือนคิดวิเคราะห์นะคะเองนะเจ้าคะก็คือสักกยาที่ถี่เนี่ยก็คือความไม่กลัวตายใช่ไหมเจ้าค่ะพระอาจารย์แล้วเวลาที่เราไม่กลัวตายนี่คือ เหมือนถ้าสมมติเราปฏิบัติหรือฝึกมาดีแล้วเนี่ยเราจะไม่ไม่มีความกลัวตายเลยเพราะว่าเราคิดว่าเราทํามาดีแล้วอย่างนั้นใช่หรือเปล่าคะไม่คิดว่าไม่กลัวตายเพราะเราเห็นว่าร่างกายมปนเยื่ตัวเรานั่งกาย<ม>ต้องตายแล้วเรายอมปล่อยให้มันตายถ้าเราไม่ยอมปล่อยมันตายเราไม่ยอมตายเราก็จะกลัวตายไปตลอดแล้วค่ะอืมเท่าที่หนดสังเกตมาก็คือแต่ละพระอาจารย์แต่ถ้าท่านจ ะ, จะสอนให้เอละความอะไรละ รักหลงกลัวชังก็เน่ยะก็มันก็ร่างกายไปหลงคิดว่าร่างกายเป็นตัวเราของเราไงก็ลองบอกว่าไม่ใช่ตัวเราของเรามันจะตายให้มันตายไปเลยเอไม่ต้องไปเสียดายหมันเจ้าค่ะคือถ้าเราไม่มีรักรักรักหลงกลัวชังเนี่ยมันจะเหมือนเราเป็นคนไม่มีหัวใจหรือเปล่าเจ้าค่ะอาจารย์นี่เป็นเดียวมันไม่มีอารมณ์เฉยๆไม่มีความอารมณ์ ที่จะไปยึดไปติดก่บร่างกายแต่ก็ยังอยู่กับร่างกายได้แต่ไม่ไปกังวลกับมันไม่ไปทุกข์กับมันมไม่ไปห่วงมันพร้อมที่ให้มันตายได้ทุกเวลาอืเจ้าค่ะคือสิ่งพวกนี้ก็คือแล้วก็จะอยู่จะจะไม่มี ต, ต้องพิสูจน์ต้องพิสูจน์อ อ, อเวลาสมมตินั่งเครื่องกับกรุงเทพอบตันเอกว่าเครื่องกำลังเสียเนี่ยม่รู้จะลงยังไง อันนั้นดูที่จะยอมตายหรือไม่ยอมตายออืถ้าไม่ยอมตายก็ทุกข์เครียดถ้าไม่อยากจะเครียดก็ยอมตายพอยอมตายก็หายทุกข์หายเครียดใช่ค่ะมันต้องมีของจริงมาพิสูจตอนนี้มันพูดไปยังไงความตายมันยังอยู่ห่างไกลอยู่มไม่มันไม่ใช่เป็นของจริงถ้าเกิดตอนนี้มีใครก็ขโมยขึ้นบ้านก็เปิดมันจ่อศีรษะเราด้วยตอนนั้นดูที่ยอมตายหรือไม่ยอมตายใช่ค่ะ พยายามตายก็เฉยนะมึงจะยิงก็ยิงไปถ้าพยายามตายก็โอนดิ้นแบบนี้พยายามโน่นโน่นโน่นโน่ยายายอย่าทำอืมจ้ะค่ะนั่นนะมันจะรู้มันมันต้องมีของจริงมามันเครื่องพิสูรรจน์ว่าใจเราจะแน่งหรือไม่นิ่งถ้าแน่นก็แสดงว่าเราเฉยปล่อยวางไม่รักไม่ชังไม่กลัวไม่หลงอืมจ้ะค่ะถ้าไม่แน่นก็แสดงว่ายังรละยัง ยังหวงอยู่ยังหวงอยู่ยังไม่ยอมปล่อยผมจำได้แล้วเจ้ า, าที่เพื่พระอาจารย์เคยเล่าให้ฟังตอนที่พระอาจารย์โดนงู ก, กัดอืมแบบนั้นใช่ไหมเจ้าคะอ่านได้จะตายก็ไม่ตายก็ไปรู้มันก็ปล่อยมันมันจะต า, ตายก็ตายรักษาได้ก็รักษาไปเข้าใจมากขึ้นแล้วเจ้าคะพระอาจารย์ S <S แต่ก็คงเป็นแค่เข้าใจเพราะยังไม่เกิดขึ้นจริงต้องเจ อ, อจริง <S 2> <S 2> นนต้องไปหาของจริงไปพิสูจน์ไปอยู่ไปหาที่ป่าปาเปลี่ยวๆอยู่คนเดียวนี่นมีสุมีงูมีอะไรแต่ให้ได้พิสูจน์ทดสอบใจว่าเป็นยังไงจะอยู่กับงูได้ไหมจะปล่อยปล่อยให้มันกันได้หมันทำมันจะกันอืเจ้าข่นนะ หนูคงยังไม่ถึงค่งคิดแล้วนนยังไม่ไม่ถึงขั้นนไม่ถึงาะถามทำไมเสียไม่ล่ะก็จะอที่จะก็จะพท่จอที่จะที่จะที่จะที่จะที่จะที่จี่จัที่จะที่จะทีจะที่จะที่จะี่จะที่จะที่จะที่จะทีะทีที่จะที่่จ่จจะที่ะจะาจะระทีจะทีี่จะทก่จะทีี่จะทีอ่จะที่จะที่จ่จะจะจ่ะจ่่ที่จะจ่ะ นึกถึงงูก็แบบไม่ไหวเลยจ้ะค่ะอแต่จะพยายามค่ะถึงวันหนึ่งอาจจะอืไม่ไม่รู้ก็จะพยายามจะพยายามรักกันจ้าค่ะพระอาจารย์น่ากำจัดความกลัวตายให้ได้นะค่ะน่ากำจัดได้ก็สบายอ่ะค่ะตายคนเดียวแต่ ก, กัวตายไม่รู้เป็นกี่หมื่น ก, กี่พันครั้งในวันชาตินี้เกิดมากลัวตายกี่กี่ครั้งละ ตายจริงๆก็ตายแค่ผลเดียวอังนถ้ายอมตายปั๊บผลเดียวไม่มีความกลัวตายจะไม่มีอต่อไปอคือลองถ้าเราไม่ไม่แบบเราหลุดจากตรงนั้นความกลัวตรงนั้นได้แล้วคือต่อไปนี้คือจะไม่กลัวอะไรอีกแล้วใช่ไหมเจ้าค่ะพระอาจารย์ค ว, ความกลัวตา ย, ยานเนี่ยเนี่ยมากก็แค่ตายออืมไม่กลัวอะไรเลยแล้าค่ะมีอะไรที่มันน่ากียจกว่าความตายไม่มีนะ เหมือนเงินหมดท้องก็ยังชีวิตก็ยังมีอยู่ได้พี่กลพิการยังไม่ตายมันก็ยังอยู่ได้ก็ยังไม่ตายเมื่อเรายอมทุกอย่างแล้วเรื่องเงินท้งหมดก็หมดไปเรื่องแขนขาดขาขาดก็หวานไปยอมได้แล้วเนี่ยอมตายได้แล้วมันยอมยัางอื่นได้หมดแผลจะทิ้งลงไปก็ปล่อยก็ทิ้งไป ลูกจะไม่รักเราจะไปไม่ไม่สนใจเราก็ปล่อยเขาไปไม่กลัวอะไรทั้งนั้นเนี่ยไม่กลัวอะไรกลัวแล้วมันทุกข์ก็ไม่ทุกข์อ่ะการกลัวกับไม่กลัวไหนจะดีกว่ากันกลัวแล้วทุกข์ใช่ไหมกลัวทุกข์ไม่กลัวดีกว่าเจ้าค่ะไม่กลัวก็ไม่ทุกข์ใช่ไหมอ่าเราปฏิบัติเพื่อเพื่อดับความทุกข์ อางความทุกข์ก็ต้องไม่กลัวไม่ทียังไม่กลัวก็ต้องยอมยอมอยุดเย็นกับบางที่ยอมยอมแพ้ยอมตายยอมอะไรยอมแก่ยอมเจ็บยอมให้เขาโกงเรายอมให้เขากั่นแก้งเรายอมให้เขาตบทุบตีเราพระโมคคัลลานะยอมให้โจดมาทุบตีท่านจดวันท่านตายยอมได้ไหมถ้าอยากจะเป็นพระนี้ยก็ต้องยอมถ้าเป็นพระชนะเป็นมาเขาจะว่า อาจจะเป็นพ้ะใช่ไหมเป็นพ้ะต้องจากยอมต้องอา <Yeah. S 1> จากแพ้ค <Okay. S 1> ถ้าเจอชนะก็เป็นมาร <Okay. S 1> แต่ชนะข้างเราเดี๋ยวก็ต้องมากลัวตายอยู่ดีใช่ไหมในข้าล <Okay. S 1> ้วตัวเองก็ต้องมากลัวตายอยู่ดีช่วยเอาข้ามความกลัวตายนีกว่าพระความกลัวตายไปแล้วเ mm hmm. กาไม่มีความกลัวอีกต่อไป เข้าใจมากขึ้นเลยเจ้าค่ะพระอาจารย์กอดขอบพระคุณนะเจ้าค่ ะ, ะสาธุจ้าปฏิบัติบูชาเจ้าค่ ะ, ะพี่ ก, กุนนะะันต่ออุดอนน้องเก่ารับราชการนะใช่อาจารย์รูปม่มีคำถามเจ้าค่ะอ่ะโอเคนะปฏิบัติไปแต่เธอเจ้าค่ะไปที่ไต้วันคนขันเชิด ครับนั่อาจารย์ครับอาจารย์เป็นยังไงวันนี้ไม่ทางานเนาะอ๋อทางานครับเลิกสี่มโมงอ๋อตอนนี้เด็กก็ น, นะยังไม่นอนอยังไงก็มาหลดจากอาจารย์กับเป็นตำแหน่งกับอาจารย์แล้วกบเมืองไทยกี่ชัว่วโมงสองชัวงช่วโมงหนะ่ชั่วโมงชั่วโมงเดียวชั่วโมงเดียวนะอืโอเคจะปฏิบัติไปนะเมืงเทยก็ทำไปครับทำที่ัำ ฟังแล้วังีครับเ อ, อคุณชอบธรรมะลฟังเรื่อง่านี้ดีถ้าคนไม่ชอบแลฟังเรื่องนี้เราไม่อยากจะฟังเลยนะมันมีแต่เรื่องตายเรื่องเจ็บครับอาจารย์เข้ามาเนกำลังใจนะครับไปที่ปทุมต่อคุณหมอสุทธิศรีนมาสการท่านอาจารย์เจ้าค่ะ ลูกไม่มีคําถามค่ะมีสัตว์มามาตายเยอะไหมที่คลินิกก็มีบ้างเจ้าค่ะมีเหมือนกันแตรักษาไม่ได้ก็มีนะมูเจ้าค่ะโดยเฉพาะพวกโกรคมะเร็งเจ้าค่ะอืมแเราจะ่ปเจ้าของเศร้าโศกเสียใจอันไหได้เจ้าค่ะอืมแต่เราไม่ไปฉีดยาเขาตายใช่ไหมไม่ค่ะลูกไม่ปุธธตตุสลิปตุกรณีเจ้าค่ะอ่าเอแล้วเ้าขอร้องให้เราจะทําให้ไม่ทำใช่ไหม ไม่ทำเจ้ า, าค่ะเคยมีแล้วค่ ะ, ะ, ะมั่นคงในศีลห้าเจ้าค่ะเละการข้าร่างกายมันไม่ใช่เป็นวิธีข้าคว า, ความทุกความทุกข์มันอยู่ที่ใจต้องข้ากิเลสตัวที่ทำให้ใจทุกข์ไม่ใช่ไปข้าร่างกายนะาาร่างกายใจก็ยังทุกข์อยู่เหมือนเดิมวันนี้ได้ฟังธรรมะจากพระอาจารย์เกี่ยวกับเรื่องความตายฟังแล้วมันทาให้รู้สึกว่าฮึดเจ้าค่ะ เดี๋ยวปลายปีนี้อาจจะลองไปพิสูจน์ดูเจ้าค่ะเออานี่ยอ้าดูขอบพระคุณเจ้าค่ะอ่าตุกตาเชิญลาดบุรีพยาบาลหรือเป็นพยาบาลทุกตาเพชรบุรีเจ้าค่ะเป็นอะไรนะอ่าพยาบาลอใช่ค่ะอยู่ในใช่ค่ะค่ะเป็นพยาบาลใช่ไหม อ่า uh, จริงๆรงิจบสาธารณสุขแต่ว่าต่อทางด้านบริหารโรงพยาบาลก็ตอนนี้เป็นวันหน้าศูนย์หัวใจช่วยอาจารย์หมออยู่อะค่ะไม่ได้เป็นพยาบาลทำงานเกี่ยวกับหัวไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้จบพยาบาลโดยตรงแต่ว่าก็ก็โดนอ่าเทนมาจากอินเตอร์เวนชั่นคาลิโอโดยตรงค่ะใช่ค่ ะ, ะ, คะก็ทํางานได้ทําเป็นพยาบาลได้เฉพาะทาง uh, จริงๆอ่าเฉพาะตำแหน่งของหนูเท่านั้นค่ะแต่ว่าจะให้หนูลงไปฉีดยาอะไรประมาณเนี้ยดยมป่าทำไม่ได้ด้ว ย, ด, วยด้วยวิชาชีพเนี้ยค่ะอืม <Okay. S 2> ก็จะดูพื้นฐานของคาริโอของหัวใจพื้นๆหรือ ว, ว่าช่วยคุณหมอดูเคสอะไรแบบเนี้ยค่ะ <Okay. S 2> แค่นั้นค่ะ ไม่ได้เปรักษาแผลไปฉีดยาให้คนไข้อะไรอย่างนี้มอ๋อไม่ค่ะ ส, ส่วนใหญ่หนูรักษาสาดใจคนไข้กับญาติคนไข้เป็นหลักมากกว่าค่ะแต่อาจจะต้องวิ่ง CPR ช่วยพี่พยาบาลว่าคนอื่นแล้วก็อ่อเรื่องการช่วยคุณหมอดูเรื่องยา EKG หรือว่าพวกอ่ายาต่างๆที่เกี่ยวกับโรคหัวใจก็จะช่วยอาจารย์ดูประมาณนี้จ้ะคะ่ะแค่นั้นค่ะเจอคนตายเนีะเหมือนกันใช่ไหมอ๋อทุกวันทุกวันเลยเลย แทบจะทุกวันคือหนูอยู่บนความความเป็นความตายของมนุษย์แทบจะทุกวินาทีเลยเจ้าค่ะมันก็เลยทําทําให้หนูได้ได้เรียนรู้ตรงนี้ไปด้วยใช่ค่ะไ ด, ได้ได้ปร่งไปด้วยค่ะใช่ค่ะแล้วล่าสุดที่ตัวเองป่วยก็ก็มีสภาวะที่ที่เกิดขึ้นกับตัวเองก็คือเหมือนเราหนูนอนอยู่เราไม่สบายมากนะคะก็เหมือนเหมือนตัวเองอะคะ่ะยืน ยืนมองตัวเองที่ที่ที่ป่วยอยู่แล้วก็แต่ว่านะจิตตรงนั้นคือเราไม่ได้นึกถึงนึกถึงว่าเรากลัวความตายเลยแต่ว่าเราจิตเราไปนึกถึงพระพุทธเจ้าแล้วก็พระธรรมพระสงฆ์แล้วก็อ่านึกถึงสงฆ์ที่เราฟังธรรมแล้วก็นึกถึงสัตบุรุษที่ที่นำธรรมแท้มาจากเราเป็นหลักนะคะแล้วก็เลยบอกว่า แล้วถ้าตายตอนนี้เราก็โอเคตายได้เลยครงอนี้เจ้าค่ะใกล้บอกเรามีพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เป็นเครื่องยื่นเหนียวจิตใจใช่ค่ะดูก็เรียกว่าเออถ้าตายตอนนั้นก็ได้เลยนะแต่ว่ามารยังไม่ยอมให้ตายเจ้าค่ะไม่ทด้เลยไม่ไม่ตื่นเต้นไม่ตกใจไม่ไม่ค่ะไม่ตื่นเต้นไม่ตกใจเฉยๆค่ะก็คืออ่าตอนแรกๆก็รู้เราก็คือแบบรู้รู้แล้วว่าเอ้ยร่างกายผิดปกติไม่ไหวอลไรประมาณเนี้ยค่ะตอนแรกก็อ่า จะโทหาอาจารย์หมอไม่นี้ก็เลยลองลองทําสมาธิแล้วก็แบบเหมือนจิตก็ไปเลยก็คือเหมือนไปนถึงคิดถึงพระพุทธเจ้านึกถึงพระพุทธธรรมพระสงฆ์แล้วก็ส่งที่เราฟังธทรำรก็สัตว์บูรษที่ที่ให้ทำแกเราออกมานี่เป็นหลักแล้วก็ไม่ได้กวัวความตายเลยในจังหวะนั้นแต่ว่าลูกลกยังไม่ได้ถึงขั้นพระสักกายสิทิ์นะเจ้าคะ่ะแค่รู้ว่าเออจริงจริงๆแล้วพอถึงนะจุดหนึ่งจิตเราก็ ต้องฝึกไปได้เรื่อยเป็นแบบนี้ค่ะแต่ว่าก็จะไม่ประมาทเพราะว่าถ้าท่าณจุดหนึ่งแล้วเราเกิดสภาวะจะตายจังหวะนั้นขึ้นมาแล้วจิตเราไม่ได้แบบนึกถึงพระเจ้านึกถึงอัุศนตรงเนี้ยเราก็มีมีอุบายไอมีอบอายเป็นที่ไปแน่ๆอะไรประมาณเนี้ก็ก็ยังจะต้องฝึกตอนอีกอีกเยอะๆค่ะเพื่อไม่ให้ตนนั้นอยู่ในความประมาทเจ้าค่ะแล้วก็ พระอาจารย์เจ้าค่ะแล้วก็พอดีพวงหลังนี้หนูไม่ได้เข้าเพราะว่าหนูป่วยแล้วก็มีหนูมีสภาวะหนึ่งที่เกิดขึ้นกับตัวก็คือว่าเหมือนหนูตัดตัดครอบครัวค่ะเหมือนตอนนี้หนูจะมีคุณพ่อพี่ชายนหลานอะไรประมาณนี้แต่ว่าแล้วแล้วหนูรู้สึกว่าหนูแบบตัดไปคำตัดของหนูก็คือแบบไม่ใช่ไม่ไม่ใช่ไม่ดูแลไม่ใช่อะไรครับเหมือนเหมือนเรา ห่างจากพวกเขาไปไปมากแล้วหรือประมาณเนี้ยเจ้าคะ่ะลูกก็เลยลูกสงสัยว่าลูกถูกทางแล้วใช่ไหมหอะไรประมาณนี้เจ้าคะ่ะเมื่อตายใดถ้าเรายังมีความกระตันอยู่อยู่เรายังมีความคิดถึงเขาอยู่มีความเหตนใอยู่อย่างนี้ก็ยังไม่ถือว่าตัดคื อ, อใช่ได้คือเราตัดอุปทานความที่เราจะจะไปผูกพันอยากจะไปอยู่ใกล้ชิดเขาก็ค่ะ แต่ถ้าเรามีอะไรถ้าเขมีอะไรที่เราพอจะช่วยเหลือเขาได้เราก็ยินดีที่จะช่วยเหลือเป็ีใช่ใช่ค่ะตรงตรงนี้ลูกก็อลูกยังตั้งอยู่ตรงนี้อยู่ประมาณนี้แล้วก็ยังพูดคุยกับคุณพ่อะส่งเลี้ยงส่งดูได้เดีว่าเข่ากับเรามันอาจจะเหมือนกันน้ํากันน้ามันไปด้วยไปด้วยกันไม่ได้ใช่ใช่ค่ะพระอาจารย์ก็เลยบอกเอ้ยมันมันมันมันมันพีมันยากอะไรประมาณ้อย่างเช่นลล่าสุดที่หนูกลับไปบ้านก็เหมือน วหมนหนูคุณพ่อก็มีกิจของท่านหนูก็มีกิจของหนูเหมือนเหมือนมันแยกกันไปเลยอะไรประมาณเนี้ยค่ะไม่เป็นไรรเป็นธรรมดาต้องมีการท้าทายจากกันเป็นธรรมดาจ้าค่ะมีแต่ว่าเรายังมีความเมตตามความอดทนอยู่ต่อกันก็แล้วกันจ้าค่ะจ้าค่ะเราอยู่ใกล้อยู่ใกล้อยู่ใกล้กันก็ไม่ได้ทําอะไรต่างจากอยู่ห่างกันอยู่ดีใช่ไหม ก็ต่างคนก็ตามม่างมีกิจกรรมของตนเองต้องทําของตนเองใช่ค่ะแล้วก็การที่หนูวิเวกมากๆแล้วก็ปฏิบัติมากๆเหมือนเหมือนเป็นอินเทรเวตแต่จริงๆแล้วหรือว่าไม่ได้อินเทรเวตอินเทรเวตแต่ว่าเราแค่เรือกสังคมเลือกสังมที่เราจะเข้าอะอต้องขอประมาณนั้นลูกๆเองก็ปฏิบัติอยู่แล้วก็เดี๋ยวช่วงอยุดปีใหม่ไม่ได้กลับบ้านก็เดี๋ยวลูกไปบวช ถือสิงแสประมาณห้าวันเจ้าค่ะไปบวชแบบกรนหัวบ้างไหมยังยังเลยค่ะยัง<ช>อ๋ อ, อ, อยังมีกิจที่ช่วยเหลือคนไข้อยู่เจ้าค่ะใค่ะถ้า ม, ถามีถ้ามีโอกาสลูกก็จะไปเจ้าค่ะแต่ว่าตอนนี้ยังยังมีกิจที่ยังช่วยเหลือผู้อื่นอยู่หนูก็คิดว่ า, าตั้งคติใหม่ก็ เอาตรงนี้มาเป็นกุศลเพราะว่าเราหนูคิดว่าหนูเองก็อย่างน้อยก็ได้แบ่งเบาทุกให้กับคนไข้แล้วก็ย้าติคนไข้ในเรื่องของการพัดผ่าจากกันเพราะว่าหนูเองก็อย่างที่บอกทํางานบนความตายทุกๆุกวินาทีอาจารยค่ะใช่ดีมันจะทำให้เราไม่ไ ป, ประมาทผู้เจ้าให้คิดถึงความตายทุกประมาทใหใจเข้าออกนะเจค่ะแล้วมันจะไม่ประมาทมันจะไม่หลงไปกับทางโลก มันจะมาทางธรรมอยู่อย่างเดียวดีไหมเต้นดีเจ้าค่ะ<ม>เล่นปัตตุปัติอยู่เจ้าค่ ะ, คะดีมีอะไรไหมไม่มีแล้วเจ้าค่ะถ้าวันพุธหน้าถ้ามีโอกาสก็จะเข้ามารับฟังธรรมกับพระอาจารย์เจ้าค่ะาสาธุจเจ้าคารวะราชการเจ้าค่ะคุณตายนาเกลพระเทว ช่วงนี้ไม่เห็นหน้ามาฟังเทสเลย <c oughs> ว่างนะขอพระอาจารย์ไปต่างจังหวัดค่ ะ, ะไปไ<ม>ที่บ้าน ไ, ไปเชียงใหม่แล้วก็อาทิตย์ที่ผ่านมาก็เข้ากรุงเทพไปหาลูกพระอาจารย์ช่วงนี้ดวงเดินทางตลอดเลยค่ะพระอาจารย์เดี๋ยวพรุนี้ก็ชีพอาจารย์ลงเทา <c oughs> ใช่คะ่ะพระอาจารย์เดี๋ยวพวุนี้ก็ไปหัวหินอีกค่ะพระอาจารย์ไปกับบริษัทที่เขาพาไปอะลรว่า ก็คือยาวยาวยาว่ะแต่ให้มันเข้าสูงก็ยังดีนะคะพระอาจารย์แต่ก็พยายามเอาเอาธรรมะของพระอาจารย์เข้ามาตลอดนะคะก็คือก็งดข้าวตอนเย็นกินมื้อเดียวแต่ก็ไม่ถึงกระสินแปะนะคะพระอาจารย์ก็ยังมีนู่นนี่นั่นอยู่แล้วก็พยายามนั่งสมาธิกําลังกําลังเล่ใหม่ยครับอาจารย์ กำลั <ama> like งเร yes, e ิ่มนะก็จะหลุดอีกแล้วได้นั่งใหม่ๆถ้ามันไม่นั่งไม่ได้ก็สวดมนต์นั่งสวดมนต์ไปก่อนก็ได้ค่ะจะอันนี้หนูใช้คําของพระอาจารย์นะคะพุทโธแล้วก็บอกตัวเองว่าถ้านั่งหลับตาเอาคําพูดของพระอาจารย์นะคะมาบอกว่าบอกตัวเองว่านั่งหลับตาถ้าอ่ถ้าเราไม่มีพุทโธหรือว่าถ้าใจเอาล่องลอยนั่งไปสิบสิบปีก็ก็นั่งอยู่อย่างงั้นไม่รู้อะไรเลย ก็เลยแบบว่าเอาคําบริกรรมพุทโธเข้ามาตลอดแล้วก็ถ้าคําบริกรรมนั้นมันหลุดออกไปก็จะพยายามดึงกลับมาให้ได้แล้วก็บอกตัวเองว่าเอาอีกแล้วก็พุทโธให้ได้อยู่อย่างนั้นค่ะพระอาจารย์การนั่งก็ได้นานขึ้นแล้วก็ความเจ็บมันก็ไม่ค่อยเกิดแต่ก็เวลาเวลาเหมือนเหมือนกับเราไม่มีสติแล้วหรือว่ามันมันไม่ไหวแล้วมันก็จะ ล้นออกมาเองอะค่ะพระอาจารย์มันก็จะหลุดออกมาเองทั้งๆ ท, ที่เราพยายามฝืนฝืนหมดกำลังหมดกำลังที่ใช้สติสู้ใช่ค่ะพระอาจารย์มันก็ดันของอดันตัวเราออกมาเองแล้วก็มมันไม่ไหวแล้วแล้วก็พอถึงขนาดนั้นเราก็ต้องต้องถอยแล้วก็โอเควันนี้พอแค่นี้มันก็เหมือนเลยมันแรงกว่าสติมันก็เลยดันใจให้ออกมาใช่ค่ะแต่แต่ก็แต่ก็สู้กับมันนะคะพระอาจารย์เวลาเจ็บหรือว่าเวลา เวลา ce, osse, Pedro, มันจะกําลังที่มันยึกยักยักกันเนี่ยหนูก็ต่อสู้กับมันตลอดแล้วก็พยายามพูดโทสู sait, ้กับมันตลอดเสร็จแล้วพออีกสักพักสู้กับมัได้พักนึงแล้วก็สุดท้ายก็แพ้มันก็ดันออกมาแล้วก็จบเลยเกมครัอาจารย์แต่ก็พยายามอยู่ค่ะเป็นธรรมดาใหม่ๆก็มีการทักกันยอกกันเขาดึงว่าเขาผัดเราบ้างเราผักก็าบ้างพยายามฝึกสติให้มากๆก่อนที่มันนั่งได้ก็ยิ่งดีค่ะก็ พยายามพยายามทํานะคะบ้านอาจารย์ตื่นขึ้นมาคําแรกที่ลืมตาก็คือพูดโทรแล้วก็เข้าห้องน้ําก็น้อยนะคะที่มือถือคะ่ะมือถือก็เอาเข้าไปน้อยลนะค่ะ <c oughs> <c oughs> จริงคะ่ะอาจารย์ <c oughs> <c oughs> แต่ก็ยังยังเล่นอยู่ <c oughs> แต่ว่าแต่ก็ไม่ถึงกับว่าแบบต้องดูตลอดเวลาหรือว่าแบบเพราะว่าก็เข้าไปไม่ใช่ไม่ใชแล้วคะ่ะ ก็คือพยายามเอาตัวออกออกห่างจากมันรูนส้สึกว่ารู้สึกว่าก็ก็ทำได้แต่ก็ยังทําได้ไม่ดีเท่าไหร่แต่ห่างพระอาจารย์ห่างพระพวกที่ทำอาห่างคําสองของพระอาจารย์นี่บางทีก็ก็ต่อสู้เยอะเหมือนกันนันไม่เหมือนกับไปฟังธรรมตลอดหรือว่าอะไรตลอดอะค่ะพระอาจารย์เหมือนกับมันออกแรงสู้กับพวกนี้ยเยอะแล้วก็เอาสิ่งที่พระอาจารย์สอนมามาสู้กับมันน่ะบางทีก็ เราไม่ได้ไปนานๆมันจะแพ้คะ่ะพระอาจารย์ ม, มันรู้สึกว่าแพ้จริงๆค่ะใช่ค่ะอันนี้ก็เดี๋ยวตั้งใจว่าถ้าถ้าปีหน้าปีหน้านี้ก็เริ่มใหม่ถ้าไม่มีอะไรแล้วก็เดี๋ยวเพราะว่ารู้สึกว่ามันจะยาวไปเลยคะ่ะพระอาจารย์คิดว่าจะไม่ได้เข้าวัดแน่เลยช่วงนี้แล้วจะไปกลับพระอาจารย์ปีหน้าแน่ๆเลยครัพระอาจารย์โอเคอแล้วแต่บุญต่กรรมแล้วกันนะ ค่ะแต่ก็พยายามเอาคาสองวันห้พายจอนปิดตัวไปตลอดเลยค่ะพระอาจารย์อาจารย์สาธสาธุสาธอาจารย์อาจารย์สาธิตขอนแจ่นทำไมต้มีเลขเลขมีเลขมงคลด้วยนี่เออหนูลกไม่เป็นอ่าทางลบอยู่ค่ะพระอาจารย์เลขเอ่อบประกอบค่ะพระอาจารย์เวลาที่เข้าประชุมเขาให้พิมพ์ลบคราวนี้ ไม่แน่ใจว่าใช้เครื่องไหนก็เลยห า, ลาทางแก้ไม่ได้พี่มาเร่มงคลไม่ค่ะพระอาจารย์แต่ก็ไม่แน่นะคะมไม่ไม่มีคําถามค่ะพระอาจารย์แต่ว่ายังปฏิบัติอยู่ค่ะเสบายดีนะับสบายดีค่ะศีลศีลหกค่ะพระอาจารย์พูดเบาๆแล้วปฏิบัติอะไรบ้างคะมีปฏิบัติสมาธิไหม ทำสมาธินั่งสมาธิตอนกลางคืนค่ะพระอาจารย์แล้วก็มีจิตใสติะระหว่างวันบ้างรเปล่าระหว่างวันไม่ไม่ไม่ได้ท่องพุโทโธสักทีเดียวค่ะพระอาจารย์แต่ว่ามีมีสติมีสติบ้างแต่พอเจอปัญหาก็จะใช้ธรรมะในการที่จ ะ, ะคิดคิดคิดเหมือนตึกตองเพื่อที่จะเอาความความรู้สึกที่เป็นทุกข์ค่ ะ, คะพระอาจารย์ ใช้ธรรมะมามาวิเคราะห์แล้วก็มันก็จะลงอะไรเงี้ยค่ะพระอาจารย์แต่ว่าสติไม่ได้แบบไม่ได้ไม่ได้ตามดูลมหายใจตลอดแต่ว่าเมื่อมีทุกข์ก็จะเอาธรรมะเข้ามาเข้ามาคิดหรือว่าเจอปัญหาเราก็จะเห็นว่าเออมันเป็นของมันแบบนี้อะไรเงี้ยค่ะพระอาจารย์เข้าใจเข้าใจเข้าใจอะไรมากมากขึ้นค่ะปล่อยวางเป็นปล่อยป่อยวางได้มากขึ้นเป็นดินฟ้ากค่ะแล้วก็เห็นเห็นแบบ เห็นกิเลสของแบบเหมือนเวลาเราทําทํางานอะไรเงี้ยคะ่ะพระอาจารย์ทํากับคนอื่นเราก็เราก็ไม่ได้คิดอะไรเยอะแต่เราก็เห็นเขาว่าอ้าเขาหวังอะไรเยอะมากเวลาเหมือนเวลาที่ทํางานแล้วมันต้องมีการการตอบแทนอะไรกันเ ง, งี้ยคะ่ะพระอาจารย์ <S <S เราก็เห็นเราเป็นเป็นทีมว่าอาจจะรอได้แต่พอพอเวลาช้าเขาก็บอกว่าทําไมถึงยังไม่ได้ค่าตอบแทนแล้วก็อ้าโ อ, โอเคันเข้าใจแล้ว ไม่ถงว่าแต่ละคนเขาก็มีความต้องการอะไรเงี้ยค่ะพระอาจารย์แล้วก็ก็เริ่มเห็นก็ก็ก็เลยต้องเอ่อมัอนเหมือนเราเข้าใจเห็นความอยากของแต่ละคนมากขึ้นค่ะพระอาจารย์แล้วเราก็เริ่มทําใจว่าทุกคนก็ล้วนแต่มีความอยากของของตัวเองอะไรเงี้ยค่ะพระอาจารย์เราก็เลย <ไป S 2> ค่อยอค่อย ค่อยถอยออกมาว่า mm hmm. เออทุกคนเขาก็อยากได้หมดเลยเนาะมัน mm hmm. เราไม่ค่อยคิดอะไรอย่างเงี้ยค่ะพระอาจารย์เราก็เลยเออต่อไปไม่ไม่ไ ม, ไม่ไม่ค่อยอยากจะทํางานอะไรเยอะเพราะ <Okay. S 2> ว่าเราเห็นใครก็ก็อยากอยากอะไรเงี้ยค่ะพระอาจารย์เราก็อยากจะถอยอยาก mm hmm. จะถอยออกจากงานที่มันยุ่งกับคนเยอะๆอะไรเงี้ยค่ะพระอาจารย์ดีค่ะต่าา อ, อไปก็ไปเป็นไม่แม้อยู่ที่กุฏิคนเดียวได้ ค่ะจริงๆเหมือนเหมือนเหมือนดวงจะจะได้อยู่คนเดียวตลอดเลยค่ะพระอาจารย์มาอยู่บ้านคุณพ่อก็หนีไปบ้านสวนเหมือนเหมืนนอนยังไงหนูหนูไว้หนูนอยู่ที่ไหนหนูนก็ได้อยู่คนเดียวค่ะพระอาจารย์เป็นเหมือนเหมือนจังหวะชีวิตว่าถ้าถ้าอยู่บ้านคุณพ่อก็บอกโอเคหนูแดงอยู่นี่ <c oughs> เดี๋ยวพ่อไปบ้านสวนแต่ถ้าพี่สาวอยู่บ้านพ่อ <c oughs> จะมาอยู่เป็นเพื่อนเหมือนพ่อบอกว่าเราเราอยู่ได้อะไรเงี้ยค่ะพระอาจารย์ ดีจ้าะไรดีค่ะเดี๋ยวค่อยค่ยปฏิบัติไปเรื่อยๆค่ะพระอาจารย์อย่าค่อยๆนิ่มๆหน่อยเวลาเจริญธรรมนะเอ่อผ่านมาเยอะแล้วเวลาใกล้ฝั่งแล้วต้องรีบมๆแล้วใกล้ฝั่งแล้วค่ะพระอาจารย์ค่ะเดี๋ยวเร่งค่ะพระอาจารย์ค่ะค่อยไม่ไหวค่อยไม่ไหวแล้วนะเดี๋ยวเดี๋ยวหมดเวลาเพราะร่างกายก็ ร่างกายก็ดูดูแปลกๆไปได้ค่ะอาจารย์เหมือนค่ะเหมือนมันมันเริ่มรวนเยอะค่ะอาจารย์แต่คอยู่กับมันค่ะอย่าประมาทคุณเจ้าบอกให้แลวก็ถึงความตายไปเรื่อยๆค่ะงั้นเร่งค่ะอาจารย์ต้องเร่งละต้องเร่งอย่าไม่ค่อยๆนะได้ค่ะได้ค่ะค่ะอาจารย์เดี๋ยวจะเร่งค่ะโอเคอาจารย์ Oregon, Salem, Oregon. ออริกนเตเลมออริกันเป็บรานมัสการนะคะวาจาเจลเลเนี่ยมันอยู่ระหว่างพอร์ลน์กับยูจีเนี่ยใช่จ้ค่ะคือหนึ่งกึ่งทางึ<ป>่งทางเลยไปพอร์ตแลนด์สี่สิบแปดไมล์จค่ะหลวงพอ่อกึ่งทางไปยูจีก็ห้าสิบประมาณห้าสิบใช่จ้ะค่ะก็มีคุณแม่แล้วก็ พี่ๆจากอยู่จีนก็จะมาถวายเพนทุกวันทุกอาทิตย์นะคะแล้วก็มาเป็นอาสาสมัครเป็นประธานวาดัดดูแลวัดด้วยนะคะ ว, วันอยู่ที่เซเละมเหรออยู่เทอร์เนอร์อยู่ไม่ไกลจากเซเละมอะคะ่ะหนูก็จะไปะทุกอาทิตย์อาทิตย์ละสองครั้งวันนี้ตั้งมานานได้ยังยี่สิบห้าปีจ้ะค่ะหลวงพ่อ้ปีเนี่ย เป็นว่าสายสายวัดป่านะว่าสายวัดบ้านอ่าเป็นสายเถราวาทถ้าหนูจำไม่ผิดนะคะแต่ก็จะมุ่งเน้นเรื่องการปฏิบัติเจ้าค่ะเป็นวัดไทยหรือเป็นวัดตางตางชาติเป็นเป็นวัดไทยเจ้าค่ะพระอาจารย์เจ้าว่าท่านก็จะมุ่งเน้นเรื่องการปฏิบัติเรื่องการสอนปฏิบัติแล้วก็ตอนนี้ท่านรู้สึกว่าจะไปสอนอยู่ที่เมืองไทยด้วย แล้วก็มีพระอยู่จําวัดอยู่ที่วัดตอนนี้สามบุ๊ก็เป็นพระอาจารย์ที่หนูมีคําถามเหมืออะไรที่ก็ยังอุปถากแล้วก็ไปสนทนาธรรมกับท่านแล้วก็ได้ปฏิบัติทุกททาอาทิตย์เจ้าค่ะอาทิตย์ละสองวันเป็นอย่างน้อยก็หนูจะชอบเข้าไปอยู่ในโบสถ์ที่สงบสง บ, สงบก็อยู่ปฏิบัติอยู่อย่างนั้นเจ้าค่ะหลังจากถวายเพลเสร็จ ชีวิตที่เหลือก็เนี่ยจ้ะค่ะหลวงพ่อมุ่งมั่นไปทางการปฏิบัติเพราะว่าเดินทางมาห้าสิบปีแล้วที่เหลือกอ็เวลาเหลือน้อยอย่างที่ท่าน พ, พี่เมื่อกี้พูดไปอะค่ะก็ไม่ทอจะทำเน้นกันนะเจ้าค่ะไม่ท้อเจ้าค่ะเีนนะโอเค กลับขอบพคุณพระอาจารย์กับมมตการพระอาจารย์าขอบคุณปุ้ยเรื่องเงเขางเปล่าเรื่องอานจุดเป็นอยู่ที่ดหนอยู่กับมามการพระอาจารย์โยมก็ทำเหมือนเหมือนกับทุกสัปดาห์ทุกวันถือศีลเจ็ดหยุดถ้าถือศีลแปดกลางคืนสวดมนต์เจริญจิตภาวนาอย่างจะมีวันเนี้ย ในทั้งอาทิตย์เลยโยมก็ทํามาได้ดีนะยกเว้นแต่วันเนี้ยคือโยมเป็นไรก็ไม่รู้แบบพตื่นเราเราตื่นขึ้นมาแล้วก็มีแรงและนั่งสมาธิและวอา้าวมาเผลอหลับเข้าไปได้พอถวายและโยมเป็นคนอยากใส่บานโยมก็เอาแบบถวายทําถวายเข้าพวพระพุทธเจ้าอ่ะคะ่ะอือคือโยมไม่มีพระอภาการทีนี้โยมจะมาสวดมนต์นั่งไปนั่งมาเผลอหรอ โยมโดนกิเลสเล่นงานนะพระอาจารย์แต่เมื่อวานโยมก็นั่งสมาธิได้เยอะเพราะว่าโยมไปเจออะไรที่มันไม่ดีมาเพราะว่าโยมไปที่สุสานเอาดอกไม้ไ ป, ไปกลางวันแสบๆนี้แหละและทีนี้โยมก็คิดว่าไม่ควรจะพูดว่าเป็นผีเพราะว่ามันเป็นกลางวันเพราะว่าพอเวลาโยมกลับมาแล้วโยมรู้สึกว่ามันเหมือนร่างกายเราเนี่ยเหมือนโดนอะไรชน และโยมปวดท้องทีนี้โยมจำพระอาจารย์ได้ใช่สอนไว้ว่าให้พุโทโธเข้าไว้ไม่ให้กลัวโยมก็เลยพุโทโธพอม า, าถึงบ้านโยมไม่ทำอะไรเลยโยมกระโดดลงนั่งสมาธิเลยก่อนเลยนั่งสมาธิพอโยมนั่งสมาธิไปได้ประมาณหนึ่งชั่วโมงโยมรู้สึกคือตอนนั่งสมาธิตอนพุโทโธท้องมันจะร้อนร้อนร้อนแล้วสักพักหนึ่งคือมันจะหายพอโยมออกจากสมาธิมาได้โยมก็โอเครู้สึกดีแล้วแลโยมก็คอนินเลย เมื once, ่อเ่อวานนี้โยมก็คอนทินิวเลยนะโยมกลางคืนเนี่ยโยมก็นั่งนั่งไปก่อนนอนกันนั่งแล้วโยมก็เลยตั้งคิดว่าต่อไปเนี้ยเราจะต้องเร่งภาวนาแล้วล่ะเพราะว่าเนี่ยหนึ่งวันเนี่ยเมื่อก่อนโยมทําแค่สองชั่วโมงสามชั่วโมงทีนี้โยมขึ้นมาได้เป็นสี่ชั่วโมงอืมแต่โยมไม่ได้ทำทั้งวันเลยทำให้ฝึกทําทั้งวันเลยโยมก็อยากจะทําทั้งวันแต่แบบ มันมีเสียงนบกวนจากด้านนอกเพราะเขาก่อสร้างแล้วก็ไอหมาโยมไอน้องหมาโยมอ่ะมันกระโดดเื่เต้นเรื่อยเลยอ่ะพัดจานมันเวลาไม่พามันออกไปมันก็จะมายุกยิ้กยุกวิกกับเราอย่างเงี้ยเราเราก็บอกว่าฉันจะนั่งสมาธินันเธอต้องนั่งเฉยๆนั้นเธออย่าดุบิ๊กดุบิ๊กนะเขาต้องไปสอบทายมันก็าเลยต้องบอกไปให้ ใช่ค่ะเพราะว่าโยมก็เดินออกไปจากบ้านความไปขับถ่ายเอ่ครั้งหุน่นหุนหนละหุนละวันอย่างเงี้ยค่ะเราทาดําำนวจเข้ามาจับล้วไปปล่อยชนน้องไปขับถ่ายนอกบ้านนี่ยอ๋อล้วต้องเก็บค่ะต้องเก็บนะแต่ถแต่ถ้าเป็นป่าถ้าเป็นป่าป่าเราเดินไปนํามป่าป่าอย่างเงี้ยเราไม่จำเป็นต้องอื ม, อม เขาจะมีแบบว่าถุงพลติกอะไรอย่างนี้นะช่วงนี้โยมก็ไม่ได้ไปไหนไกลเพราะว่ามันหนาวมากๆเลยพระอาจารย์นะอยู่ mm hmm. ในบ้านตั้งภาวนาดีกว่าเพราะว่าเรารู้สึกเลยว่ามันมีอะไรไม่รู้ช่วงเนี้ยมันในยุโรปเนี่ยมันจะต้องมีอะไรไม่รู้คือมันเป็นเซนส์ของโยมอเฉยวๆว่าทําไมควรมันไม่สบายกันเนยอะวะเราถามตัวเองีองนี้โยมก็เลยบอกว่าเอ้ยโยมไปอย่างเมื่อวานนี้โยมตัวอย่าง โยมไปมาโยมอยู่ดีดเนี่ยแหละเดินออกไปก็สบายดีไม่เป็นอะไรพอโยมกลับเข้ามาโยมปวดท้องโยมปวดหลังโยเหมือนอย่างกับใครว่ามาทุบหลังโยมหรือว่าโยมกินอะไรโยมก็ไม่ได้กินอะไรนะผิดปกตินะยโยมก็เลยบอกว่าโอเครู้แล้วพระอาจารย์สอนไว้ว่าไม่ให้กลัวให้ไม่สู้กับมันเอ่อให้พุทโธโยมก็เลยบอกว่าอ๋อ แสดงว่าพุทธเราจะต้องนั่งสมาธิโยมก็นึกขึ้นมาได้อย่างนี้โยมก็เลยนั่งสมาธิมันก็หายมาได้ค่ะฮะโอเคคนะ่ะโยมนะค่ะโยมต้องนอนกนนี้ค่ะอเคนี่ก่อนนะค่ะโยมขอให้พระอาจารย์ทัดขันแข็งแรงค่ะโยมจโ ย, ยมกับขอบคุณทีมีโยมพูนเจรด้วยอายุวนะสุขภาระานะ กาบขอบพระคุณท่านอาจารย์เจ้ า, า okay. ค่ะโอเคไปที่คนใหม่แล้วคนใหม่ทำเชื่อไม่ได้ขออภัยด้วยกาบนามัสการพระอาจารย์ค่ะชื่อใหม่ค่ะพระอาจารย์ชื่อใหม่โอเ okay. คก็อาทิตย์ที่แล้วที่พระอาจารย์บอกว่าให้ไปเหมือนกับว่าทําสมาธิให้ลึกกว่านี้อะไรอย่างเงี้ยค่ะ mm hmm. ก็พยายามปฏิบัติทุกวันแต่ว่ามันก็ยังอยู่ในสเตตที่ oh. มันเป็นปิติละเอียดแล้วก็ลมละเอียดอยู่ค่ะ แล้วก็แล้วก็ระหว่างวันก็พยายามเจริญสติแต่ว่าพอของหนูมันจะเป็นลักษณะการดูลมอะค่ะแล้วพอมันมันเหมือนกับว่าพอเรานั่งทํางานเนี้ยค่ะพอเราดูลมไปมันจะเข้าช่องเหมือนจิตมันจะสร้างเหมือนความว่างอะไรสักอย่างแต่มันก็มันก็เหมือนมันก็จะอยู่อย่างนั้นแล้วมันมันเหมือนมันกลายเป็นคนไม่สนใจโลกอะไรเงี้ยเลยค่ะมันแบบว่าเหมือนมันก็อยู่ของมัน มันหนูก็อธิบายไม่ถูกแต่ว่ามันรู้สึกว่ามันเวลาเวลามันมนมันไม่ไม่สนใจสิ่งอื่นอะไรเงี้ยค่ะอมันพอมันมีความพอในตัวของมันเองทีนี้หนูหนูเลยอยากอยากปรึกษาอยากถามพระอาจารย์ว่าคือพอดีคือหนูเข้าใจว่าอันนี้มันคือลักษณะของอาการที่มันเป็นลักษณะแบบเหมือนจิตมันเป็นอุเบกขาอะไรเงี้ยค่ะแต่ว่าแฟนเขาท้วงหนูว่ามันเป็นเพราะว่าหนูแบบ ไม่สนใจคนอื่นหรือเปล่าอะไรเงี้ยค่ะหนูเลยอยากกระทำพระอาจารย์ว่าเอ่อเราจะรู้ได้ไงว่าไอ้สิ่งที่มันเกิดขึ้นเนี่ยเป็นอุเบกขาหรือว่ามันเป็นเอ่อการที่มันเฉยมเฉยมยต่อคนอื่นต่อสิ่งอื่นอะไรเงี้ยค่ะถ้าเฉยเมยมันจะไม่สนใจเลยตลอดเวลาแต่ถ้าเฉยนี่ถ้าไม่มีเหตุให้ไปทําอะไรแล้วก็ไม่ไปทําถ้ามีเหตุล้วก็ไปทํภาค่ะพระอาจารย์แล้วก็เรื่อง พวกดิมิตต่างๆก็ตอนนี้หนูไม่ได้ไม่ได้สนใจแล้วค่ะแต่ว่าถ้าบางอันที่มันเป็นประโยชน์อย่างเช่นพอสมมติว่ามันมีสมาธิขึ้นมาระดับหนึ่งมันจะรู้สึกว่ารู้สึกเหมือนกับว่าอาการรั่วมันจะแยกออกมาแล้วมันเหมือนมันจะรู้สึกเหมือนกลายเป็นสิ่งอื่นคะมันจะมันจะเป็นอยู่เรื่อยๆอะไรอย่างนี้ค่ะแล้วก็บางทีมันก็จะเหมือนกับ มันก็มันเห็นแล้วมันก็พิจารณาอะไรของมันไปแบบเหมือนกับว่ามันก็เห็นว่ามันมันอย่างเช่นตอนปวดหัวอย่างเงี้ยค่ะมันก็มันก็เหมือนกับว่าพอเราอยู่กับลมหายใจไปพักหนึ่งมันก็มันก็เหมือนมันก็แยกออกมารู้แล้วมันก็รู้สึกว่าเอ่อกายมันป่วยแต่ว่าตัวรู้มันก็มันก็เฉยอยู่อะไรเงี้ยค่ะก็มันก็ก็ยอมรับอาการเจ็บป่วยตรงนั้นไปเลยค่ะไม่ได้ไม่ได้ไปแก้อะไรก็ถูกต้องอะไปมันไป คือถ้าถ้าเกิดว่าคือหนูหนูหนูอยากรู้ว่าเวลาที่อย่างหนูถนัดดูลมเนี่ยค่ะหนูก็ดูลมอย่างเดียวไปเลยหรือว่ามีช่วงไหนที่หนูจะต้องแบบใช้พุทโธช่วยไหมคะเพราะว่าบางทีเวลาหนูไปใช้พุทโธแล้วหนูรู้สึกว่ามันฝืนคิดนะคะไม่ต้องนอกจากว่าถ้าเราไปเจอทุกขเวทนาหนักๆแล้วมันไม่สามารถอยู่กอดลมได้เราใช้ ก, กรรมไปกรรมช่วยก็ได้ ค่ะก็แล้วก็วันเนี้ยพอดีพอดีหนูเป็นเป็นหมอแล้วคนไข้หนูเสียชีวิตย่งเงี้ยค่ะแต่ว่าหนูก็รู้สึกผูกพันกับเขานิดนึงนะคะเพราะว่ามันก็เหมือนรักษากันกันมาสักพักหนึ่งอะไรเงี้ยค่ะแต่ว่าจิตอ่ะมันมันรู้สึกว่าตอนนั้นอ่ะมันมันรู้สึกว่าเหมือนกับปาถนาเหมือนเหมือนเราแผ่เมตตาให้เขาอะค่ะเหมือนแบบว่าปา รู้ว่าเขาพ้จากความทุกข์ทรมานแล้วอะไร น, นะคะแล้วหยุดเดี๋ยวเดี๋ยวมันก็เหมือนมันมีปิติขึ้นมาเองอะไรอย่างนี้ค่ะก็เลยรู้สึกว่าเอออันนี้มันคือลักษณะของการแผ่แบบเมตตาสมาธิหรือเปล่าหรือว่าหรือว่ามันเป็นแค่ว่าการปรุงแต่งปกติของจิตเฉยเฉยอะไรอย่างนี้ค่ะมันเป็นการปรุงแต่งถ้ญญาจะแผ่เมตตามันต้องแผ่ต่อหน้าของขอบตัวเขาต้องมีการกระทํามันถึงเรียกว่าเป็นการแ ผ, แผ่เมตตา Mm hmm. แต่เป็นอะไรนึกคิดนี้มันไม่ได้เป็นการแผ่เมตตามันแค่เป็นความนึกคิดเท่านั้นเองถ้ mm hmm. าเราคิดไปทางที่ถูกมันก็ทําให้ใจเราเบาถ้าคิดไปในทางที่ผิดมันก็จะทําให้ใจเราหนักได้แล้วก็คําถามสุดท้ายค่ะพระอาจารย์อย่างถ้าสมมติว่าการแผ่เมตตาให้คนที่เสียชีวิตไปแล้วอย่างเงี้ยค่ะการที่เราแผ่เมตตาให้เขาอย่างเงี้ยค่ะคือเขาอะได้รับไหมคะหรือว่ามันเป็น ที่ใจเรามันเบาเบาอีกแผ่ไม่ได้แผ่ไม่ได้หรอกกา mm hmm. รแผ่เมตตาต้องแผ่กับคนที่มีชีวิตอยู่ mm hmm. กับคนที่เราติดต่อได้พูด ค, คุยกันได้ทําให้เขามีความสุขขึ้นมา mm hmm. ให้เขาทุกข์แลไปพูดแล้วไปทําอะไรทําให้เขาเกิดสวายใจขึ้นมามีความสุ ข, ขนั่นเรียกว่าเป็นการแผ่เมตตาแต่เพียงแต่เรานั่งคิดแล้วส่งความคิดไปให้ดวงวิญ ญ, ญาณนี่ยมันไม่ได้เป็นการแผ่อะไรเป็นความคิดเฉย เข้าใจแล้วค่ะพระอาจารย์ก็สัปดาห์นี้ก็หมดคําถามแล้วก็จะเพียรปฏิบัติต่อเนื่องทุกวันค่ะพระอาจารย์ ถ, ถ้าคนถ้าคนตายไปอยากจะแผ่เมตตาให้เขาเราก็ทําบุญแล้วอุทิศบุญไปอย่างเพ่อแผ่เมตตาด้วยการส่งบุญไปให้เขาทําบุญนี้ต้องผ่านผ่านพระสงฆ์ไหมคะหรือว่าไม่จำเป็นอะครับทำแบบไทยก็ได้ได้ค่ะพระอาจารย์หมายมีการให้คือการเสียสละแบ่งปันความสุข เงินทองที่เรามีอยู่ให้ครับคนที่เขาทุกข์ยากเดือดร้อนเราก็จะได้บุญขึ้นมาแล้วก็แบ่งบุญไปให้กับคนที่ตายไปได้ได้ค่ะพระอาจารย์ก็วันนี้ก็กลับพระอาจารย์ด้วยความเคารพค่ะขอถวายความเพียรทั้งหมดเป็นอาจารย์บูชาค่ะพระสมฆนออยู่ที่ไหนหนูหนูอยู่<ม> จ, จันท บ, บุรีค่ะจันท บ, บุรีนะครับ okay. ก็ดีมากนะ หนูหนูเป็นคนโคราชค่ะแต่ว่าหนูมาได้งานที่จันทบุรีค่ะ ค, ค่ะค่ เ, เยอะไหมคนไข้เยอะใช่ไนะคนไข้ช่วงช่วงปีใหม่จะคนไข้เยอะค่ะก็พยายามหาเวลาไปไปไปวัดค่ะก็ <S <S แต่ว่าหนูปฏิบัติทุกวันอยู่ที่บ้านเป็นเวลาประมาณปีกว่าๆค่ะก็ <S <S 2> <S 2> รู้สึกว่าคือชีวิตรู้สึกว่าชีวิตมันถูกอะคะ่ะแล้วก็ รู้สึกว่ามันเหมือนกับว่าทุกครั้งที่เกิดก็มันก็จะถูกทั้งหมดอะไรอย่างนี้ค่ะพอดีหนูเหมือนกับคือมันเป็นเองตั้งแต่คือมันเหมือนกับว่าบางทีมันนั่งไปแล้วมันเห็นอะไรที่แบบเอออย่างเช่นเห็นการเกิดการตายอะไรอย่างนี้ค่ะแล้วมันก็รู้สึกสลดใจแล้วก็ไม่อยากเวียนว่ายตายเกิดอีกก็เลยตั้งความเพียรตั้งแต่ตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาค่ะพระอาจารย์ ก็ดีเป็นนมินที่ดี็นขณะนี้จังทุกขางหน้าต่างเสนาเป็นนมินที่ดีค่ะกราอจย์ค่ะสัปดาห์หน้าหนูเข้าเข้าใหม่ค่ะร้ยปฏิบัติไปเรื่อยๆนะค่ะสาธิตอ่าสเลนทอนแมรีแนด์าจารอาจาเจ้าค่ะอาารย์คะในที่สุดหนูก็ได้มีโอกาสจะไป ปฏิบัติธรรมแล้วนะคะเอ็นจะไว้ทํางานนล้ไม่ใช่เลยหลังจากสนทนาธรรมวันนี้เสร็จเนี้ละค่ะแล้วก็หนูก็จะกับแล้วก็จะไปวันนี้เนี่นะค่ะเดินทางวันนี้เลยสิบวันนะอ่ะก็กลับมาอีกทีวันที่ยี่สิบเก้าอะค่ะพระอาจารย์ก็ได้เลยหนูในใจลึกๆหนูมีความสุขมากที่ได้ไปอ่ะค่ะพระอาจารย์หนูอยากไปมานานแล้วอะค่ะแล้วก็จะปฏิบัติให้เต็มที่จะปฏิบัติบูชา นอถวายแ ด, ด่พระอาจารย์กับพระพุทธเจ้าหนูจะทำให้เต็มที่อะคะ่ะดีจ้ะตติแล้วก็จะมันจะสมาธิปัญญาค่ะหนูจะอดทนทำให้ได้มากที่สุดคะ่ะพระอาจารย์พระอาจารย์เจ้าคะหนูถามนิดนึงนะคะเรื่องอาการใช้ของสมหรับสิ่งแปดกะคะ่ะพวกแชมพูสบู่อย่างเงี้ยคะ่ะหนูสามารถเอาของที่ใช้เป็นได้ของที่เราชาระทำความสะอาดนั่งการนี้ใช้ได้หมด ไม่ได้เกี่ยวกับว่าจะต้องมีกลิ่นหรือว่าไม่ปีกลิ่นอะไรเงี้ยคือมันทำไมนี่มันยากที่จะหาของที่ไม่มีกลิ่นมันก็ต้องอนุนโลมผ่อนทันไปแต่เราไม่ได้มีความผูกพันกับกลิ่นเราเป้าหมายหลักของการใช้ก็คือเพื่อรักษาวความสะอาดของร่างกายก็แล้ว ก, กันอันนั้นก็ไม่เป็นไรค่ะโอเคค่ะอนอกจากว่าถ้าเราอยู่ที่เขาเ้่งอดใช้ไม่ได้กขาต้องว่าไปตามที่เขาว่าค่ะเขาคงไม่ได้ว่าอะไรมัองค่ะออื นี่ลนะ่แต่ความเค่งของแต่ละคนอยากคิดแต่เราคิดแบบทางสายกลาง<ม>หมาว่ามันเราดูที่เป้าหมายคือ ป, อประโยชน์ที่เราต้องการก็คือการชำระร่างกายส่วกินจนี้เราก็ไม่ได้สนใจมันจะมีบ้างไม่มีบ้างเราก็ไม่ได้ไปยึดไปติดมันก็แล้วกันพ่ะาจาค่ะพะอาจารย์มีคำแนะนำก่อนจะไปปฏิบัตินะคะก็สติเนี่ยนเะมื่อก่อนจะไปนี่ก็มีสติก่อน ไปด้วยสติกลับมาด้วยสติแล้วก็จะไม่ขาดทุนค่ะพระอาจารย์หนูว่าเริ่มแล้วค่ะเริ่มทบทวนตลอดเวลาค่ะถ้าสติหายไ้เมื่อไหร่นั่นก็ถือว่าเริ่มขาดทุนนะนะพยายามให้มีสติตลอดเวลาค่ะค่ะหนูจะทําเต็มที่นะคะพรอาจารย์อย่ายินดีอ้อยประสบผลสาเร็จแล้วอย่างน้อยก็ได้สิ่งที่ต้องการค่ะค่ะอาจารย์กลับขอบพระคุณพระอาจารย์มากมากเลยค่ะท่จ อ่ากไปที่เคุณกูเน่งต่อพัทยาการน้ำปราการค่ะพระอาจารย์อืมวันนี้ต้อกระช่อมหน่อย้วเวลากใกล้จะหมดนะค่ะต้องพูดกระช่อมหน่อยเวลาใกล้จะหมดนะค่ะก็ไม่มีอะไรค่ะพระอาจารย์พอดีลิงสงตัวก็ไปแล้วไปแล้วพ่อแม่เข้ามาเอาไปเลยอ๋อไม่ค่ะพอดีเขาเข้ามาฟังก็จะเข้ามากราบ ฟังได้ประมาสองคนเขาบอกไปก่อนนอนละเขาบอกอย่างนี้นาก็เลยให้เขาไปค่ะยังเด็กอยู่ค่ะเขาก็บอกว่ากราบสาธุแล้วก็ต่างคนต่างแยกย้ายไปนอนเรียบร้อยแล้วค่ะพระอาจารย์ตอนนี้ก็ไม่มีอะไรค่ะก็ปฏิบัติเหมือนเดิมค่ะพอมาอ่านหนังสือสมาธิภาวนาของหลวงตามหาบัวอันนี้เราอ่านรอบที่สองจานสักประมาณสามรอบ ก็พยายามทำความเข้าใจอ๋อตัวเองก็อมาถูกทางแล้วก็จะพยายามปฏิบัติตามตามในหนังสือด้วยค่ะพระอาจารย์แล้วเอาคําสั่งสอนของพระอาจารย์อ่ามาประกอบด้วยเพราะว่าตรงกับตรงนี้เลยค่ะพระอาจารย์หนูก็ปฏิบัติอยู่ค่ะมันก็มีหลุดบ้างไปบ้างแต่ก็รู้สึกว่าดีขึ้นมากค่ะหลังจากที่ นั่งแล้วก็เจอทุกขเวทนาเยอะแต่ก็ไม่ได้มานั่งสนใจกับร่างกายเอา้ามันก็เบาเนี่ยหนูก็ไหวอย่างเงี้ยก็ทําทได้พระอาจารย์ก็จะปฏิบัติต่อไปค่ะก็ไม่มี อ, มอะไรครับพระอาจารย์ย้ำทําไปเรื่อยๆได้มากได้ว่างไม่ได้บ้างก็ไม่เป็นไรมันต้องร่มรูปคุกคามไปก่อนค่ะค่ะใช่ค่ะพระอาจารย์ก็ลงมรูปคุกคามพอเราทําเรื่อยๆเอ่อไม่ได้คาดหวังแต่ก็เข้าใจว่าเราจะต้อง พยายามทำอะค่ะพระอาจารย์เข้าใจตรงนี้ก็ไม like ่ได้ไม okay. ่ได้ทาไปเรื่อๆผลมันจะเกิดขึ้นมากขึ้นไปเรื่อยๆค่ะพอาจารย์สาธุสาธุคอาจารย์ขอให้พระอาจครยบาลีเป็นยังไงอยู่ที่กุฏิเหรออยู่ที่บ้านพักทวนตัวเหรอทำข้าวพอดีวันนี้ มาที่นครนายกเข้าหลวงพ่อพอดีแม่เขาเข้าโรงพยาบาลค่ะหลวงพ่อก็เลยขับรถมากับลูกสองคนค่ะก็หนูก็ยังปฏิบัติอยู่ทุกวันค่ะหลวงพ่อยังปกติอยู่ค่ะหลวงพ่อรักษาอยู่แล้วก็ปฏิบัติแม่ทำไปได้แม่ข้าหลวงพ่อแต่ว่า มันมันมีความรู้สึกว่าเหมือนเราไม่ได้อยากได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะหลวงพ่อมันรู้สึกเมื่อมันพอไงมันมันพอพอมันก็ไม่อยากได้อะไรถ้ามีความอยากมันก็ไม่พอค่ะหลวงพ่อแล้วแล้วมันก็เริ่มเหมือนแบบมองไปรอบๆอบมันรู้สึกเบื่อเบื่อค่ะหลวงพ่อไม่ได้เบื่อปฏิบัตินะคะหมายถึงเบื่อเบื่อสิ่งมันไม่มีรสชาติเลยมันเบื่อแบบไม่มีรสไมีชาติ มันเคยไม่เหมือนเมื่อก่อนนี่มือราความมีความหลงแล้วมันดูจดืงต่อเรื่องนั้นเร่อนี้ไปแต่พอมีปัญญาแล้วเห็นว่ามันก็ท่านั้นแหะมันสู้ลถแหงธรรมไม่ได้ลถแหงธรรมจะมาลดทั้งปวงใช่ค่ะที่หลวงพ่อบอกมันใช่เลยค่ะที่บอกมันก็อย่างนั้นอย่างนั้นเนี่ยอย่างเงี้ยข่ะหลวงพ่อมันคือสุดท้ายอ่ะก็คือเราจะกลับมาหาพระธรรมกลับมาหาธรรมะอย่างเงี้ยมันมันคือที่สุดแล้วอย่างเงี้ยค่ะหลวงพ่อคือมันเหมือนเราเดิน รถแห่งธรรชนะรถทั้งปวงไม่มีรถใดะจะดีเท่ากับรถแห่งทํามค่ะหลวงพอ่อแล้วมันก็มีเหตุการณ์ทั้งจากเป็นจากตายแล้วก็มีเจ็บมีป่วยแบบตอนเนี้ยประดังเข้ามาแต่ว่าใจหนูยังนิ่งได้อยู่ค่ะหลวงพอ่อแล้วก็มาทําหน้าที่อย่างนี้ยค่ะหลวงพอ่อมีแต่ทุกข์ลงนี้มีแต่ทุกข์กทุกข์เราได้ หนุกหนูเห็นว่ามันมันไม่มีความสุขจริงอะค่ะหลวงพ่อทุกสิ่งทุกอย่างมันไม่ได้สุขจริงอะค่ะหลวงพ่อเดาถูกครั้งอยู่ในคุกตารางแั่งเกิดแก่เจ็บตายเนี่ยคือคุกของเราําแพงสี่ด้านด้านหนึ่งก็เกิดกดอยก็ทุกด้านหนึ่งก็แก่ใจ ก, ก็ทุกด้านหนึ่งก็เจ็บก็ทุกด้านหนึ่งก็ตายก็ทุกก็ติดอย่างนี้ตายแล้วก็กลับมาเกิดใหม่ค่ะหลวงพ่อตอนี่ ไม่มีปัญญาที่จะรู้ว่าเหตุที่พาให้เรามาเกิดคืออะไรค่ะหลวงพ่อแล้วเดี๋ยวนี้เรานะรู้นนะมีพระพุทธเจ้าบอกวล้วน็ะือความอยากต่างๆค่ะแล้วมันทําให้หนูมีความคิดว่ามไม่อยากมาเกิดแล้วอะค่ะหลวงพ่อมีความคิดว่าขอชาตินี้เป็นชาติสุดท้ายไม่อยากไม่อยากเกิดแล้วอะค่ะหลวงพ่อมันอืเห็นเห็นแล้วมันเบื่อแล้วว่าฟังห่อไม่ได้ยาก ไม่ได้อยากรวยไม่ได้อยากมีตําแหน่งหน้าที่ไม่ได้อยากมีอะไรทางนั้นเพียงแต่ว่ายังมีความที่อยากทําบุญค่ะมีความรับผิดชอบแล้วก็ยังอยากมีทําบุญทำทานแล้วก็ยังอยากช่วยเหลือตามกําลังของเราอย่างเงี้ยยังมีอยู่ค่ะอยากทํำบุญก็ต้องหยุดนะถ้าถึงขั้นหนึงแล้วมันทํามีก็ทําไม่มีก็ไม่ทําค่ะคือต้องไปเดือนร้อนถ้าไม่มีแล้วไม่ได้ทําไม่ต้องไปเดือดร้อน บางทีหนูได้ยินข่าวแบบวัดที่หนูไปอย่างเงี้ยค่ะเหมือนเหมือนเดือดร้อนแล้วก็ไม่มีคนไปอะไรเงี้ยค่ะหลวงพอ่อใจมันก็แวบขึ้นมาว่าเออเราอยากช่วยนะอยากอะไรเงี้ยแต่มันก็จะมีปัญญามาตัดเลยว่าเราก็ช่วยเท่าที่เราทำได้อย่างเงี้ยค่ะหลวงพอ่อมันก็ไม่ได้ไม่ได้ถูกอะไรมัน <S <S 1> <S 1> <S มันคือมันจะตัดมันจะตัดค่ะว่าถ้าเราทำได้เราทำถ้าเราช่วยไม่ได้เราก็ แล้วก็ลงบ็ดาไปค่ะหลวงพ่อดีวันนี้วันนี้หนูก็ไม่ไม่มีคำถามอะไรค่ะหลวงพ่อก็ยังตั้งใจที่จะปฏิบัติต่อไปเรื่อยๆค่ะหลวงพ่อทำไปเรื่อยๆอย่าประมาทนะให้มันชำนาญยิ่งยิ่งฝึกยิ่งชำนาญใหญ่นะค่ะหลวงพ่อแล้วก็เหมือนคือจิตจะเป็นสมาธิอยู่ตลอดถ้าไม่คิดงานนะคะหลวงพ่อ พอพอจิตไปทํางานก็ใจก็ไปอยู่ที่งานแต่พอไม่ได้คิดงานมันก็จะเหมือนเหมือนสง<ม>บมันก็จะว่างใช่ใช่ค่ะหลวงพ่อเหมือนมั น, ม, นมันไม่เอาอย่างอื่นเข้ามาอยู่ข้างในอย่างเนี้ยค่ะหลวงดีแล้วแสดงว่าจิตเราสงบนะค่ะหลวงพ่อโอเคสาวทุกทานขอบคุณหลวงพ่อม า, มากๆค่ะสาธุค่ะบุญชนะดาอันนี้อยู่ที่ไหนสิริชา ร, า, กการ์มสมบูรณ์ปราการ กับมัสการชาติพราชาอาจารย์วันนี้อยู่เออ่ศิ ร, ริช า, า, าชาพราจารพรุ่ง น, นี้จะ<ช>ไรไพรุ่งนี้ใส่ายไม่มีไม่ใส่บายค่ะก็<ม> <g üler> จิตสงบดีค่ะพราชาค่ะก็ค่ะก็นิดนึงก็ก็พอดีว่ามันเมื่อเมือ่อเพิ่งเพิ่งเห็นตัวเองค่ะที่มันเป็นอีกแบบหนึง่งคือว่ามีลูกค้าเขาเข้ามาโวยวายที่บริษัทอะค่ะ ที S <S> นี้ก็เข้าไปช่วยคุยอะไรเงี้ยค่ะในระหว่างคือเขาไม่ยอมเข้าใจเลยอะไรเงี้ยค่ะพระอาจารย์แต่ว่าลูกไม่มีอารมณ์อะไรเลยมันสงบไปช่วยอะไรก็ช่ว ย, ช, วยช่วยไม่ได้ก็แล้วไป <S <S> ใช่ใช่ค่ะพระอาจารย์ก็พยายามอธิบายด้วยความเมตตายอย่างเดียวเลยค่ะพระอาจารย์ไม่มีอย่างอื่นเลยไม่มีอารมณ์กระทบเลยค่ะไม่เลยแล้ว เ, เห็นจิตตัวเองมันสงบมันมีความสุขขณะที่อธิบายด้วยค่ะพระอาจารย์ทั้งทั้งที่เขาก็ไม่ไม่ฟังด้วยนะคะไม่ฟังก็หยุด <S <S <S ค่ะพระอาจารย์ก็โอเคค่ะ okay, พระอาจารย์ประมวานนี้ค่ะ <Okay. S 1> แล้วก็จิมันก็สงบดีพระอาจารย์เจ้า่ชาชานโลกชาโลกุตตระกับชาโลกียะค่ะพระอาจารย์เป็นยังไงเนอใช่ค่ะพระอาจารย์ชานื้อ ย, ยานอื ม, ช า, ม, มชานมันไม่มีชานมัมัอ๋อเป็นยานดใช่คะ่ะหยาด น, น้องยาน้องกุตตระก็คือ ความรู้ตั้งแต่พระโสดาบันขึ้นไปนี้เป็นโลกุตราทาะทำแต่แล้วก็ไม่เสือ่อมถ้าเป็นโลกิยะความรู้ทางโลกนี่มันยังเป็นสัญญาอยู่จําได้ลืมได้อยู่าายที่เราฝึกฝึกกันตอนนี้คือเป็นโลกุตระใช่ไหมคะอาจารย์ยังเป็นโลกิยาอยู่ต้องเป็นต้องเป็นพอเป็นพระโสดาบันนี่จะจ ะ, จะเห็นอริยสัจอย่างชัดเจนในใจแล้วจะไม่หลงไม่เลิน ค่ะตอนนี้ยังลืมได้อยู่อริยสัจบานทีก็ยังยังอยากอยู่ยังอยากจะสร้างความทุกข์ให้กับตัวเองอยู่ยังอยากได้นู่นอยากได้นี่อยู่ยังเป็นพาภาริยะแล้วพอเฉลยความอยากจะลุกขึ้นมาเนี้ตอนนี้กําลังจะสร้างความทุกข์นนกกให้กับเราค่ะพระอาจารย์<ฮ>ค่ะน้อมอรับค่ะพระอาจารย์ความรู้ของภาริยะมันไม่มไม่หลงไม่เลืมอริอรยรสัจเองพระอริยะไม่หลงไม่เลืม ในของปุถุชนอย่างว่าเรายังลืมได้อยู่บางทียังเห็นของสวยๆยังมาว่ายังอยากได้อยู่ค่าภาจารอภิญญาต่างๆนะคะภาจารอพิญญามันเป็นอุปจารสมาธิมันก็เป็นโลกียะอ๋อค่ะค่ะแต่มันจะเป็นรีดมีเดชแต่มันก็เอามาดับความทุกข์ไม่ได้คาภาจารงั้นถ้าเรามีอย่าไปยุ่งกับมันเลย เสีเวลาเอาเวลามาทำจิตให้นิ่งเป็นอุบเบกขาดีกว่าค่ะอ า, าจรารย์แล้วก็ออกทางปัญญาในรถอิทธิฤทธินี้อภิญญานี้เอาไว้สำหรับเวลาบรรุธรรมแล้วเอามาใช้เป็นเครื่องมือได้อยู่พระพุทธเจ้าใช้อภิญญาไว้ติดต่อกับเทวดาค่ะอ า, าจรารย์ไว้ไว้เทศนาพวกเทวดา คนที่ไม่มีอภินญะไม่สามารถเทศทนาสอนพวกเทวดาได้ทําไมถึงมีอะคะพระอาจารย์ทําไมนี่แล้วแต่วาสนาของแต่ละคนบําเพ็ญมาในอดีตชาติตอ<ะ>นที่ไปเกิดในยุคที่ไม่เจอครูบาอาจารย์สอนเรื่องเหล่า น, นี้แต่ยุคนี้ไม่มีครูบาอาจารย์คนไหนสอนเรื่องเหล่า น, นี้ค่ะคนที่ได้ปัญญายังมีน้อยน้อยแล้วะร้อยละห้า น้อยคนยันได้สักห้าคนปัญญานั้น<ม>คือตาทิพูทิพอะไรแบบนี้ใช่ตาทิพูทิพย่น้เราเลือกชาติได้อะไรทำนองนี้มีน้อยแล้วก็ไม่มีประโยชน์ต่อมั่งผลที่ผ่านอย่างไม่ต้องกังวลคนที่ไม่มีก็สบายคนที่มีต้องระวังอย่าไปอย่าไปหลงอย่าไปติดติดแล้วก็จะไม่ได้ไปทางปัญญาไม่ได้ไปทาง สมาธิที่ทางทางอัปปนาสมาธิมันก็จะมันก็จะไม่มีกำลังสู้กิเลสได้ค่ะพอาจารย์โอเคนะเกิด น, นี้เวลาใกลยย้จะหมดแล้วนะขอบคุณค่ะพอาจารย์นับหมายค่ะอ่าอีกสองคนคนปางวันไรยังไม่ น, อน้อยเลยอ๋อหนูยังไม่ได้กลับบ้านเลยค่ะนั่นทงทำงาน บริษัทเขาต้องดีใจในคนขยันขนาดนี้ผมไม่ชอบเลยก็ช่วงนี้ทําเงินเดือนค่ะแล้วก็เพราะว่าจะจ่ายเงินเดือนวันที่ยี่สิบห้าแล้วก็พรุ่งนี้เป็นสาป์บัตตี้แต่ว่ามันมันมันเวียนกันมาเหมือนเดิมค่ะเหมือนคราวที่แล้วที่หนูเคยมาสาป์บตีแล้วหนูก็ดูเด็กๆในงานเขาบอกมีความสุขกันแต่หนไม่ไม่หนูเห็นเหมือนที่เคยบอกอาจารย์ว่ามันเหมือนเห็นนั่นเรอกอะเราโตแล้วเราไม่เราไม่หนุ่มแ ใช่ค่ะก็ก็ยังเหมือนเดิมค่ะทีนี้สามเดียนพระจานทร์ค่ะคือไปที่สระบุรีนะคะยังไม่ได้ไปปลิดฤเวกเลยค่ะพอดีว่าไม่สบายแล้วก็เลยวกกลับไปหาแม่ที่สาให้ค่ะเราไปอยู่กับแม่ที่ที่สวนทีนี้มันมีวันหนึ่งที่ที่สามีหนูอ่ะเขาเข า, เขาเข้าไปในสวนแล้วเขาไปทางเหมือนไปรดน้ำต้นไม้แล้วโดนงู ก, กัดก็หนูก็พาแม่ไปซื้อของอะไรเงี้ย ลูกสาวก็โทรมาเขาก็แบบตกใจแม่แม่พ่อโดนงูกัดหนูก็บอกให้พูดจริงพูดเล่นเขาบอกพูดจริงแล้วทํายังไงต่อเลยบอกเอ อ, เ, อ, อเดี๋ยวกลับไปที่เนี่ยตอนที่ขับรถกลับไปรับแฟนจากตลาดนไปที่บ้านแล้วเพื่อไปโรงพยาบาลหนูก็นึกถึงตอนที่พระอาจารย์โดนงูกัดหนูก็นั่งแบบพิจารณาว่าเออมันก็คือมันก็เป็นเรื่องของการมีสติอันนี้คือเรื่องสติอย่างเดียวคือ เรามีสติว่าเราไปโรงพยาบาลแล้วเราก็ปูดกับเจหน้าที่แล้วเราก็ดูสังเกตอาการอะไรยเงี้ยค่ะแล้วก็แฟนเขาก็ก็คล้ายๆกันก็คือก็ดูสังเกตอาการก็คือใช้สติเป็นหลักก็อันนี้อันนี้ก็ช่วยเราได้เยอะค่ะเพราะตอนแรกก็ค่อนข้างตกใจว่าหนูมีพิษหรือไม่มีพิษเนี้ย่ะแล้วพอหลังจากที่อย่าไปแพนิกค่ะก็ก็กจําได้แล้วนั่งรอแฟนคือหนูไม่ได้โดนแต่ว่าหนูหนูพิจารณาทําตลอดเวลาว่า เอ้ยหนูจำได้ว่าพระอาจารย์เคยบอกว่าแบบนี้แบบนี้แล้วก็เราก็ลองทําแล้วก็นั่งนั่งรอด้วยด้วยสมาธิที่แน่วแน่จิตใจที่แน่วแน่อะไรเงี้ยค่ะ น, น, นั่งสวดมนต์ไปด้วยเงี้ยค่ะก็ดีได้ใช้ค่ะก็ยังเหมือนเดิมนะจ้าคะ่ะยอมย <Okay. S 1> ุดเย็นแล้วก็ใช้สมาธิสติ ป, ปัญญาค่ะญาณดีจ้ะสาธุจ้ะอ่าไปที่คุณเจ้าต่อคนสุดท้ายวันนี้เจ้าเช่ามาบลายแถวนะ กับนักวัฒนการค่ะพระอาจารย์ใช่ค่ะชอบรอฟังแป๊บหนึ่งแล้วเผื่อมีคําถามเพิ่มจากของตัวเองอะไรอย่างเงี้ยค่ะ <Okay. S 2> อธิษฐ์ที่แล้วหนูเข้ามาแต่ว่าพอดีไม่ทันได้ดูว่าตัวเองกำลังจะเป็นคนสุดท้ายแล้วก็เลยไม่ได้เปิดกล้อง <Okay. S 2> แต่ก็ฟังอีกทีก็เห็นพระอาจารย์ถักคุณหลาแล้วว่ามีคําถามไหมหนูก็เลยโอเคไม่เป็นไรข้ามมาอาทิตย์นี้อะไรอย่างเงี้ย <Okay. S 2> ก็สองอาทิตย์ที่ผ่านมาก็ดีค่ะพระอาจารย์พัฒนาขึ้นรู้สึกได้เลยเพราะว่า อ่หนูเริ่มคือก่อนหน้านี้ที่คุยอ่กับพระอาจารย์ไว้แล้วพระอาจารย์บอกว่าอย่าประมาทอย่าคิดว่าเรามีอุเบกขาแล้วมันจะไม่หายไปอะไรประมาณนี้ใช่ไหมคะ mm. หนูก็เลยพยายามนั่งสมาธิให้เข้มข้นขึ้นหนูก็ใช้เป็นเริ่มต้นด้วยการอ่าหาคำ ม, มาฟังหนูก็ฟังของสมเด็จพญานอะไรอย่างนี้ค่ะแล้วก็ต้องฟังแบบต้องตั้งสติเพราะว่าเวลาท่านเทศจะ คล้ายๆพระพุธทธเจ้านิดนึงค่ะมันแบบเป็นสเต็ปสเต็ปใช่ไหมคะแล้วก็แบบถ้าตั้งใจฟังมันก็จะไม่ค่อยได้อะไรแล้วก็ฟังจบเหมือนวิทีโมันก็จะดับไปของมันเลยอะค่ะหนูก็นั่งสมาธิต่อแล้วก็รู้สึกได้ว่าสติค่อนข้างดีในช่วงสองอาทิตย์ที่ผ่านมามีข้อสอบหลายๆอันที่แบบสอบผ่านอยเลยอะค่ะก็รู้สึกรู้สึกดีก็คิดว่าทําต่อไปเรื่อยๆคะ่ะทีนี้วันค่ะวันนี้หนูเข้ามามีคําถามเรื่อง เอ่อเอ่เอเกี่ยวกับเรื่องชาติหน้าค่ะพอดีหนูเอา่าคุยกับเพื่อนคนหนึ่งแล้วเขาก็บอกว่าเขาอ่ะไม่เชื่อในเรื่องของชาติหน้าว่ามีจริงหรือไม่มีอะไรประมาณเนี้ยแล้วก็เอ่อเขาเขาก็ถามหนูว่าแล้วสําหรับตัวหนูหนูคิดว่ายังไงแบบรู้ได้ยังไงอะไรเงี้ยหนูก็บอกว่าก็ศึกษาพุทธศาสนาสิแล้วเขาก็เหมือนเถียงขึ้นมาว่าเราจะรู้ได้ยังไงว่าสิ่งที่ศึกษาอยู่จริงหรือไม่จริงอะไรเงี้ยค่ะก็แบบอย่างยกตัวอย่างเมื่อกี้ที่ ที่พระจ้สาสนทนากับคุณจิบว่าเหมือนพูดเรื่องอะไรนะเมื่อกี้หนูสติไม่ดีละลืมไปแล้วว่าว่าหนูจ ะ, จะพูดถึงอะไรแต่ว่าคือเหมือนสรุปความสั้นก็คื อ, อเขาไม่แน่ใจว่าอันไหนอ้อที่พูดถึงเรื่องจิตสุดท้ายอะคะ่ะว่าบาง บางข้อมูลในอินเทอร์เน็ตก็พูดว่าจิตสุดท้ายเป็สิ่งสําคัญบางข้อมูลก็คืออย่างที่พระอาจารย์พูดเมื่อกี้ว่ามันคือบุญบาป ท, ที่สะสมมาแล้วคําถามของเขาก็คือจะเป็นลักษณะอย่างนี้ค่ะว่าจะรู้ได้ยังไงว่าอันไหนที่เป็นอ่าเรื่องจริงอะไรอย่างนี้พระอาจารย์มีคําแนะนํำไหมคะว่าถ้าหนูสนทนาเรื่องแบบนี้กับคนที่มีความคิดแบบนี้หนูควรจะตอบเขายัางไงอการจะเข้าใจหลักธรรมพุทาได้อ ย, าอย่างชัดเจนีต้องฝึกสมาธิก่อน ให้เล่นให้เห็นตัวจิตแล้วมันจะเริ่มเรเข้าใจคําสอนต่างๆของพระเจ้าว่าจิตนี้ไม่ได้ตายไปกับร่างกายเมื่อเมื่อจิตไม่ตายกับร่างกายมันก็มันก็ต้องไปต่อมันก็จะไปไหนมันก็ไปเกิดนะเพราะเมื่อก่อนก่อนชาติก่อนมันก็ตายแบบนี้มาก่อนแล้วมันก็มาเกิดใหม่มันนั่นเป็นเรื่องของปัญญาที่จะต้องมีส่วนประกอบคือต้องเห็นตัวจิตก่อน ต้องเจ็บยากออกจากร่างกายก่อนด้วยการเข้าสมาธิแทนไม่เช่นนั้นมันก็เหมือนกับว่าไม่ใครไปไปเห็นของจริงอ่ะเหมือนพูดถึงเมืองปลอดแลนดอ่ะพูดมาเล่าให้เราฟังเท่าไหร่ไม่นู่นมีนี่มันก็เป็นงันแล้วก็ฟังไปจินตนาการไปอยากจะไม่รู้ว่าคุณพูดจริงหรือไม่จริงก็ไม่รู้ใช่ไหมคุณอาจจะหลอกเราก็ได้ใช่ไหมถ้าอยากจะรู้ว่าหลอกหรือไม่หลอกก็ต้องไปที่เมืองปลอดแลนด์เราถึงจะรู้ว่าพูดจริงหรือไม่จริง อ น, นี่กเป็การพูดสิ่งที่พระเจ้าพูดที่เราก็ยังไม่รู้จริงหรือไม่จริงเราจะรู้ต่อเมื่อเราฝึกสตินั่งสมาธิแล้วจิตเริ่มแยกตัวออกจากร่างกายเข้าสู่ฌานได้เราจะรู้อ๋อตัวนี้ที่แม่นที่มันเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาดีบ้างทุกข์บ้างทุกข์บ้างทุกขบ้างขึ้นขึ้นลงลงไม่ใช่ตัวร่างกายเลยเพอะตัวกันเหมือนเราเข้าใจหลักหลั ก, กรรมหลักอะไรต่างๆ ม, มันมันจะ ยจะเริ่มเข้าใจธรรมะนะพ้นถ้าคนเขาเริ่มเข้าถึงตัวจิตได้แต่ยังไม่เข้าเรามันก็ช่วยไม่ได้ก็ต้องอาศัยความเชื่อไปก่อนเชื่อพระเจ้าเพราะว่าพระเจ้าท่านก็ไม่เคยโกหกใครท่านสอนธรรมะท่านก็ไม่ได้หวังผลประโยชน์ไม่ได้เก็บเรียกเงนินอะไรจากใครนะคาําสอนท่านก็มีคนพิสูจน์มันรับรองมาถึงถึงสองพันหร้อยกว่าปีแล้วมีพระอาจานต่างๆมันพูดมารับรองว่าเป็นความจริงเท่านั้น ก็ต้องเชื่อแบบนี้ไปก่อนแล้วก็ต้องเอามาพิสูจน์อีกทีถึงยันถึงยนได้เห็นของจริงแล้วถึงยไม่ต้องเชื่อแล้วพอเห็ของจริงมันเป็ น, ป, นปัญญาไปแล้วแทนที่จะเป็นศรัทธามันกลายเป็นปัญญาไปแล้วยังก็บอกก็ได้ว่าตอนที่ก็ต้องเชื่อพระพูดเพราะทำเพระสง่งไปก่อนถ้าไม่เชื่อก็ช่วยไม่ได้เหมือนกับหมอต้องไปหาหมอแล้วก็ต้องเชื่อว่าหมอคนนี้รักษาโรคให้เราได้ใช่ไหมแต่จะรักษาได้ก็ไม่ได้เราก็ต้องมาให้ทดลองดู ทำไมเปเทอดลางดื้อเรก็ไม่รู้เองเข้าใจไหมก็ตาใค่ะพระอาจารย์คือมันเป็นเหมือนเป็นความดื้อของเขาเรื่องเรื่องใช่ใช่ใชาแล้วมันเชื่อก็ช่วยไม่ได้เราก็ไม่วังคับเขาให้เชื่อแต่นี่คือกระบวนการของการพิสพูจน์คําสอนพระเจ้าในเบื้องตอนนั่นต้องเชื่อว่าท่านพูดจริงแล้วสิ่งที่ท่านสอนมาปฏิบัติท่านบอกนี่คือวิธีพิสูจน์ว่าเราพูดจริงหรือไม่จริง คือฝึกสตินั่งสมาธิดูทำบุญดูรักษาศีลดูรู้สึกจิตใจเป็นยังไงดีขึ้นไหมเรื่องนั่งสมาธิเขาเคยเล่าให้ฟังว่าเขาสมัยที่เขาเด็กๆเขานั่งแล้วเขาก็เคยถึงจุดที่ผ่านเวทนาไปได้นะคะหนูก็ถามเขาว่าเนี่ยแล้วมันยังไม่ชัดเจนพออีกเหรอว่าจิตมันแยกออกมาจากล่างว่า <mm เออทําไมทํำไมถึงยังไม่พอแล้วเขาก็เคยพูดเล่าให้ฟังถึงเรื่องมีนิมิตต่างๆแล้วทําให้เขากลัวแล้วนั่นคือจุดที่ทําให้เขาหยุดนั่งสมาธิอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ <c oughs> แล้วก็อีกเหตุการณ์ก็คือเอาเคยบวชแล้วเขาก็ไปบวชในวัดที่พนิพัทธ์มีการแอบกินมาม่าอะไรเงี้ยค่ะตอนถําเขาก็เลยหมดศรัทธาแล้วก็ยึดตรงนั้นน่ะเป็นเหมือนขอ้อเหมือนเหมือนหาว่าพระพุทธศาสนาทั้งหมดทั้ ง, ม, งมวลคือเป็นประมาณนั้นเลยหนูก็รู้สึก เป็นบาปกรรมของเขาเองที่โดนเยอะๆใชค่ะโดนเหตุการณ์ไม่กี่อย่างมารวมเอาทั้งหมดทั้งมวลอะไรแบบนี้ค่ะแต่ก็ัโชคดีว่าเขาโดยพื้นฐานเขาเป็นคนดีเขาถือศีลแบบไม่ได้ไม่ได้ถือศีลแบบศีลพุทธศาสนานะคะแต่ว่าพอดีการวางตัวในชีวิตประจาวันของเขามันเข้าหลักศีลห้าพอดีอะไรอย่างนี้ค่ะแต่เขาก็อเดนติฟายตัวเองว่าเป็นเอเทียสอะไรอย่างนี้ค่ะก็ก็ไม่รู้จะว่ายังไงหนูก็ ก็พยายามจะยกตัวอย่างแบบอย่างอย่างไม่แก้ค่ะเรื่องแยกว่าสมมติเราเป็นตู้เย็นแล้วไม่ไม่รู้สึกว่าจิตเราเหมือนเป็นไฟฟ้าอย่างนี้หรอเพราะอันปลักปั๊บมันไม่ได้แปลว่าจิตไปไหนอะไรเงี้ยแค่ตู้เย็นไม่ทํางานแค่ตู้เย็นตายอะไรประมาณนั้นมันก็ไม่รู้เหมือนพูดอะไรไปเหมือนเขาก็บล็อกอ่เชื่อยูดีเขาไม่เชื่อเข้าไปได้เสดไปก็พอแล้ก็พอแล้วอืมแต่ก็เป็นห่วงเขาค่ะพรอาจารย์เพราะหนูมีความรู้สึกว่า มันก็ไม่ได้ง่ายๆที่คนเราจะนั่งสมาธิแล้วผ่านเข้าไปในจุดต่างๆที่ทําให้เราได้สัมผัสกับความพิเศษแล้วหนูก็เลยแอบคิดในใจว่าเขาต้องทํามาส่วนหนึ่งแหละในชาติที่แล้วถึงได้มีสิทธิ์ได้ลิ้มรสอะไรแบบนี้แล้วแบบเสียดายที่ชาตินี้จะปล่อยไปะอะไรเงี้ยค่ะหนูก็พยายามจะดึงดึงเขาแต่ก็ไม่ค่อยได้เท่าไหร่ค <laughs> รับพระอจาจารย์บอกว่าคําสอนของพระอาจารย์เหมาะสาหรับเป็นยูชนเท่านั้น ันที่ฉลาดจริงๆฮะนั่นยา appreciate ถึงจะเห็นความสาคัญค่ะอ่าก็ช่วยไม่ได้กูจะแค่เนาช่วยไม่ได้โอเคเราไม่ได้เราไม่ได้มีความยินดีว่าใครจะมาเชื่อแล้วไม่เชื่อแล้วเขาเชื่อแล้วจะทําให้เราอยู่ความสุขมั้ไมันไม่มีหรอกเชื่อมันก็เป็นประโยชน์กับเขาไม่เชื่อมันก็ไม่ได้ประโยชน์เขาก็ไม่ได้ประโยชน์เท่านั้นเองแต่ เราที่คนสอนคนบอกเนี่ยเราไม่ได้เลยจากเขาเลยจากการเชื่อเราไม่เชื่อของเขาเหมือนหมอที่รักษาโรคถ้าคนไข้มารักษาเขาก็ได้ประโยชน์จากการรักษาถ้าเขไม่หมอก็ไม่ได้รับประโยชน์แต่หมอเขาไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้เสียอะไรต่อการเขาจะมารักษาแล้วไม่รักษาเขารักษาแล้วรักษาฟรีไม่เก็บตังค์อยูแล้วใช่ไหมพุทธศาสนาไม่คิดเงินใช่ไหมกครังมาศึกษามาปฏิบัติ พุทธศาสนาไม่เคยคิดยงินค่ะ น, บบนั่นก็นเป็นเรื่องดมของเขาไปก็มีคนสมัยพุทธกาลไปเจอพระเจ้จาคุยกับพระเจ้าทั้งคืนถามปัญหาโลกแตกพระเจ้าตอบไม่ได้ก็หรือไม่ตอบเขาก็เลยว่าไม่ได้เรื่องโถ่จ้าเสียอกาศไปเฉยเลยใช่ <S <S อส อย่ที่มันอยู่ที่ปัญญาของคนที่มาศึกษาหรือว่ามีปัญญาพอหรือเปล่าค่ะเมื่อวานก่อนหนูก็เจอคลิปของเอ่อเหมือนไม่ใช่เป็นคลิปอะค่ะแต่เป็นโพสต์ของหลวงปู่ข่าวพูดขึ้นมาเรื่องเรื่องชาตินี้ของเราที่เป็นมนุษย์อะเหมือนได้สมบัติแต่ว่าคนส่วนมากก็ไม่เห็นค่าไม่เห็นว่าเป็นสมบัติก็เอาไปใช้กับกิเลสแทนที่จะเอามาฝึกปัญญาอะไรแบบเนี้ยก็ฟังใจใจได้พอยไง อาจารกายได้ลอยแ้วแมวมันมันกุยเคียหาตัวตัวไส้เดือนกินตัวนอนตัวไส้เดือนพ อ, จพอเจอพลอยก็เคี่ยวทิ้งเคียทิ้งไปพระอาจารย์คะขอคำถามสุดท้ายค่ะหนูที่ที่หนูว่าสองอาทิตย์นี้สติหนูดีขึ้นมากแล้วการนั่งสมาธิก็ใช้ได้แต่ว่าหนูมีปัญหาคล้ายๆกับของคุณฝนนะคะที่บอกว่านั่ง ไปสักพักหนึ่งถึงจุดที่เป็นเวทนาทั้งทังที่ก็ไม่ได้เจ็บปวดอะไรมากมายแต่ใจมันบอกว่าพอเหอะแบบคือเหมือนเราหนูรู้อะค่ะว่าความเจ็บระดับเนี้ยคือนั่งมาแล้วอย่างน้อยครึ่งชั่วโมงนั่งมาแล้วประมาณเกือบชั่วโมงอะไรอย่างเงี้ยแล้วใจมันก็จะบอกว่าพอพอแล้วแหละวันนี้อะไรเงี้ยแล้วก็จะจะแบบเป็นอย่างเงี้ยหลายรอบมากเลยค่ะคือหนูว่าสติหนูก็ดีขึ้นแล้วนะคะคือแปลว่ามันยังไม่พอถูกไหมคะ่ะถึงจะดีขึ้นแต่ก็ยังไม่พอที่จะทําให้ตัวเองนั่งต่อค่ะอม มันก็อยู่ที่ว่าเราคิดว่าเราสามารถที่จะจัดการกับทุกขเวทนาได้หรือได้ได้หรื อ, อยังถ้าคิดว่าเราได้แล้วก็จะจะนั่งต่อก็ได้ไม่นั่งต่อก็ได้แต่เรามั่นใจไหมเปล่าว่าถ้าเกิดเราเจอทุกขเวทนาที่เจ็บกว่านี้ชเช่นเวลาเป็นมะเร็งหรือเป็นอะไรอย่างเงี้ยเราจะอยู่กับมันได้เปล่าถ้าเราคิดว่ายังไม่ได้เรายังไม่มั่นใจก็ต้องฝึกต่อไป ให้มันก็คือมันเหมือนเป็นทะลุความเบื่อไปไม่ได้อะค่ะตอนนี้คือแบบตอนที่นั่งยังไม่ทันได้เจ็บเท่าไหร่เลยค่ะปาตานนั่นก็ต้องใช้ส่วนมลไปส่วนรีทีพโซไปบริกรรมพุทโธไปทางอาการทางยุทสองไปเพื่อให้มันมีกิจกรรมให้มันทําพอมันทําแล้วมันก็จะลืมเรื่องอาการเบื่อไปได้อเอาหรือไม่ก็ เดินจงกลมแทนหรืออะไรแทนี้ถ้าเดินมันถ้าเดินมันก็จะไม่มันก็จะเหมือนกับถอยหลังไปเพราะมันเราเราต้องการที่จะสู้กับทุกขเวทนาพอเราลุกพ่อยไปก็ถือว่าเรายอมแพ้ทุกขเวทนาไปแล้วะเรา <c oughs> เราต้องกลับมาเริ่มต้นใหม่แล้วเดี๋ยวพอมาเจอจุดนี้ใหม่เราก็ยกเราก็ยกธงขาวใหม่ความหมายคือเราต้องทํารูปไปให้ไนดะ้อยู่กับมันไปจนกว่ามันจะยอมแพ้เราให้มันยกธงขาวเอง ถ้ามันหายเอง้ามันหาแล้วเราค่อยเลิกนี่นเราเราจะเริ่ ม, มเรามีชยัยเราไม่กลัวมันเราไม่ถอยนี่เรายังถอยอยู่ควนหนูถอยก่อนเจ็บด้วยพระเจ้าคือจริงๆแล้วอะ่ะมันคือหนูหนก็ยังไปไม่ถึงยังไม่ได้ ช, ยชัยชนะโอเคค่ะตามต่อไปก็ต้องแพ้อย่างนี้ไปเรื่อยๆถ้าเราไม่ยอมแพ้ ผ่านดานนี้ไปได้มันก็ต้อพอถึงตรงนี้ก็ยกทงขาวถอยถอยทับกลับทันทีนั่นสิคะเสียดายแล้วนั่งตั้งนานกว่าจะไปถึงจุดที่แบบเอออย่าไปอย่าไปนั่งในท่าที่มันสบายเกินไปเลยนั่งอย่างงี้หนูนั่งท่าท่ะอาจารย์นั่งคือด้วยเพราะว่าหนูไม่ต้องมีเบาะด้วยยงดีอยาให้มันเจ็บด้วยเร็วนใช่แต่แบบมันยังไม่ทันเจ็บเลยพ่ออาจารย์ใจมันก็บอกแล้วอะว่าแบบไม่เห็น ยังไม่ต้องรอเจ็บมันไม่เจ็บสักทีไงคะจาย์ประเด็นเลยใช่ไห ม, มวิภาวันทันหาเรามันแรงค่ะเดโอเคค่ะพอใจละวิภาวัทันหาไม่อยากไม่อยาก<ร>าสักก่อนไม่อยากเจอเจอกับสิ่งที่เราไม่ชอบใช่ค่ะพยายามต่อไปค่ะโอเคนะน้องพยายามน้อมรู้คูกคันพยายามฝึกสติให้มากตอนที่เราจะมานั่งมันจะช่วยได้ ถ้าสติมีกำลังมากมันก็จะสามารถที่จะอยู่ได้นานขึ้นพยายามฝึกสติระหวังวันให้ได้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้อโอเคอทุกค่ะพระาจารย์ขอบพระคุณมากค่ะโอเคไปนที่คุณรต่อคำถามมีกี่คำถามแบบนมัสการคะ่ะพระอาจารย์มีทั้งหมดสามคำถามจากทาง Facebook พระอาจารย์สุชาติและ y o u t u ด็อกตอร์วีแชนค่ะ คำถามแรกจากคุณใจสู้หรือเปล่าเกล้ากระผมกราบขอโอกาสสอบถามท่านพระอาจารย์ครับผมนำกระดูของพ่อแม่มากราบไหว้ที่บ้านจะเป็นอะไรไหมครับมีสินแสคนจีนมาบอกว่าไม่ควรเอามาเก็บไม่ควรแบกไว้ก่าบวไวกูบาพ่อแม่กูบาอาจารย์ดีทำไมเขากร่าวพระท่ากันได้คนระับกระกดูของเรา ก, ก็เป็นเหมือนพระท่า กันดุของพ่อแม่เราก็เป็นเหมือนพระธาตุเพียงแต่มันไม่เป็นพระธาตุเพระาะท่านไม่ได้เป็นผ้าหลังหน้าหนึ่นง ก, การกราบการกราบไหว้ก็เพื่อแสดงความกตัญญูควา ม, มาเคารพความระลึกถึงพระคุณอันประเสริฐของท่านไม่จะเสียหายตรงไหนเลยคุณามตอไปจากคุณสิริแอนขณะใช้ชีวิตประจําวันเห็นความเบื่อหน่ายคลายกำหนัดในโลกอยู่เสมอ ควรกำหนดรู้อยู่ในความเบื่อหน่ายนั้นหรือรีบกลับมารู้ลมกราบขอบพระคุณเจ้าค่ะถ้าเราทําสมาธิก็ต้องกลับมาอยู่ที่ลมถ้าเราทําปัญญาเราก็ต้พิจารณาว่าทุกสิ่งในโลกนี้มันเป็นมันทุกข์มันก็นเลยหน้าเบื่อหน่ายต้องเบื่อหน่ายด้วยปัญญาไม่ได้เบื่อห น, หน่ายด้วยข้าโลมคำถามสุดท้ายจากคุณซับตรา แฟนยังชอบเที่ยวต่างประเทศและต้องให้หนูไปด้วยหนูปฏิเสธไม่ได้รู้สึกกังวลกลัวตัวเองจะไกลธรรมะออกไปอีกรู้สึกผิดในใจหนูควรคิดอย่างไรจะไปเที่ยวอย่างไรให้ตัวเองอยู่ในธรรมะไม่หลงระเริงไปกับการมาคุณค่ะอ๋อไม่ยากเพราะว่าถ้าเราไปแบบไปไปทังที่พักแล้วามานั่งสมาธิแฟนเขาก็จะเบื่อเราเองนี่มัน ถ้าไปกับเขามันก็ต้องมันก็ต้องไปกับเขามันก็ขีดจักรยานคันเดียวกันมันก็ต้องไปทิศทางเดียวกันไม่ใช่ก็ไปทางซ้ายเราไปทางขวามันก็ไปด้วยกันไม่ได้เพราะฉะนั้นถ้าเรายังต้องมีใช้ชีวิตคู่อยู่เราก็ต้องยอมรับก่อนสภาพนั้นไปก่อนถ้าเราอยากได้ทางล้ววันหนึ่งเราต้องเลิกเลิกทางแล้วว่าเราจะไปทางไหนดีถ้าจะทำทำก็ต้องยากแย่แหละเขาอยากมันไปอยู่คนละอยู่คนอยู่คนละที่ไป แต่ทางยังจะอยู่กับเขาอยู่อยากจะให้เขามีความสุขก็ต้องตามเข้าไปทำตามที่เขาต้องการแตถ้าเราต้องการมีความสุขเราอยากจะไปทางของเราแล้วก็ขออยากเข้าไปมันนลกไม่ได้เลยทํางาทำเขาทำแลกมันเป็นคนละทางกันมันกับของร้อนกับของเย็นมันมามารวมกันไม่ได้มันรวมแล้วลมันก็ไม่ร้อนไม่เย็นอืมก็แบบอุ่นๆไป หมดเลยค่ะหมดเจ้าค่ะโอเคก็ okay. วเวลาก็หมดอดีสำหรับคืนนี้ขอให้ท่านจงนำเอาสิ่งนี้ท่านได้ยินได้ฟังไปพิเนศพิจารณาไปปฏิบัติเพื่อความสุขความเจริญก้าวหน้าในถามยิ่งขึ้นไปเธอ